ตอนที่1น่จายุทธพงศ์เสร็จจากภารกิจเสริมเพื่อความแก้เซงแล้วพระออกมาจากพื้นที่นั้นโดยเร็วโดยมีไอพนขนาบเคียงข้างไอเปียกอยู่สายไอเล็กอยู่ขวาห่างไปคนละ2ีก้าวด้านหลังเห็นพันตรีโรเจอร์ประกบคู่มากับร้อยเอกนักบินแบล็กเบิร์ดผู้เพิ่งถูกเวียดโกงซอยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อขลังภารกิจกู้ไผยช่วยชีวิตไอมนเส้นทางเคลื่อนที่เป็นแนวตัดตรงขึ้นเหนือระยะทางประมาณ3มกิโลเมตร เพื่อสมทบกับหัวหน้าทีมที่นั่นร้อยเอกนักบินเจ้าของรหัสแบ็กเบิร์ตเกิดความรู้สึกประทับใจกับงานแบบนี้เสียแล้วยามเดินเคียงคู่มากับนานยทหารยุทธการอย่างพันตรีโรเจอร์นั้นทั้งสองพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาดโดยเฉพาะเกมสังหารที่เพิ่งผ่านพ้นไปหยกยกการสู้รบชนิดมัดมือชกข้างเดียวแบบเวียดกงไม่มีประตูสู้นั้นนับเป็นความภาคภูมิได้เหมือนกันขึ้นชื่อว่าการรบหรือทํำสงครามกันแล้วไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิแห่งใดในโลก ทุกคนต่างฝ่ายต่างกระทำการในทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแม้ว่าการกระทำนั้นจะถูกประนามว่าเอารัดเอาเปรียบหรือรู้ซึ่งหลักมนุษยธรรมก็ตามทีดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนในขบวนการนักล่าลับจ้างจะเก็บเอามันมาเป็นเกียตรติประวัติสำหรับตนเองบางอาวุธพิสดารเครื่องมือที่ทรงคุณภาพการสนับสนุนจากหน่วยเหนือถูกนำมาประกอบกับประสบการณ์ของเรานักล่าลับจ้างขวัญกำลังใจตลอดจนอุดมการณ์ในการสู้รบกับคอมมอนิท หลวนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ได้ชัยชนะทั้งสิ้นนักบินแบล็คเบิร์ดเคยได้ยินคําบอกเล่าเกี่ยวกับงานของคนกลุ่มนี้มาบ้างแต่ก็เป็นเพียงคําพูดขันได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองเช่นนี้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์มันเหนือกว่าคําพูดลายต่อลายเท่านักทั้งยังตัดสินใจไม่ถูกด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันง่ายหรือยากกันแน่จากคําบอกเล่าของพันตรีโรเจอร์ก็คือทั้งหมดหลวนกันกรองออกมาจากมันสมองของจ่าดาวเหนือทั้งสิ้นหากจะเปรียบเป็นฟุตบอลเขาก็คือหัวหน้าทีมและโค้ช ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองใช่แต่เพียงเท่านี้ซึ่งถือเป็นหลักของความสําเร็จแผนการทั้งหมดนั้นหากลูกทีมไม่ฉลาดพอยอมพบกับความสําเร็จไม่ได้แน่จึงนับว่าลูกทีมก็เป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะบรรลุภารกิจเพียงเวลาแค่ตั้งแต่ก่อนสว่างตอนที่แบ็กเบิร์ดดีดตัวเองเออกมาจากหอกและทั้งสายของเช้าวันนี้รวมเวลาได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่เหตุการณ์รบพุ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความตาย ซึ่งตลอดชีวิตราชะการของเขาไม่เคยพบพานมาก่อนเลยดีแต่ว่านี่เป็นความตายของศัตรูถ้าจะย้อนกลับเอาความตายนั้นมาเป็นของฝ่ายตนบ้างละ่ะจะเป็นเช่นไรแบ็กเบิร์ตต้องยอมรับว่ายังมองภาพเหตุการณ์นี้ไม่ออกจริงๆนี่คือสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ยอมถาม ถ, ามถึงเรื่องเงินคอมมิชชั่นเพราะความสำเร็จบนความยากลาบากที่มีความตายเป็นเครื่องต่อรองมีค่ามากกว่าจนเทียบกันไม่ได้เอาทีเดียวเงินจะมีความหมายอะไรถ้าไม่มีโอกาสใช้ สองในทหารอเมริกันกลายเป็นส่วนระวังหลังไปโดยปริยายเพราะบ่อยครั้งที่พันตรีโรเจอร์สลับกันกันกบร้อยเอกนักบินต้องมองย้อนกลับไปทางทิศที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้เป็นไปตามคำสอนของพันตรีเทนเนอร์นั่นเองในเมื่อยังไม่รู้ว่าแบล็กเบิร์ดจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทําการรบร่วมกันต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่จะต้องพบกับสถานการณ์อย่างไรบ้างการที่จะมากําหนดว่าจะอยู่อีกแค่สองวันสามวันคงไม่เป็นไรนั้นคํานี้ใช้ไม่ได้บางคนลบตลอดไม่เคยพลาด บางคนออกมาครั้งแรกยังไม่พ้นฐานก็โดนเสแล้วเรื่องของดวงเพราะฉะนั้นพันตรีโรเจอร์จึงต้องสอนบทเรียนขั้นต้นให้กับแบล็กเบิร์ดได้รู้เอาไว้เสียก่อนการปฏิบัติหลายๆขั้นตอนหลายๆแบบหลายๆอย่างเมื่อมีเวลาต้องอาธิบายทันทีแม้แต่การเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่เป้าหมายเตรียมเข้าสู่พื้นที่ใหม่ขนาดนี้ก็ต้องพูดถึงความมุ่งหมายข้อควรปฏิบัติข้อควรระวังรวมทั้งแผนการต่างๆด้วยเรื่องเหล่านี้รอยเอกนักบินแบล็กเบิร์ดอาจจะพอได้ฟังได้หยิน หรือไม่ก็นําเรียนมาบางจากหลักสูตรในโรงเรียนทหารแม้บางเรื่องบางอย่างจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างที่เห็นก็ยังพอมองเห็นภาพแต่สิ่งที่สะดุดใจเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นเรื่องของจ่าดาวเหนือนี่แหละเป็นไปได้อย่างไรที่เขาใช้ยุทธวิธีของศัตรูทําการรบกับศัตรูการคาดการของเขาไม่เคยพลาดราวกับว่าเขาคือนักรบเทวดาไม่น่าเชื่อว่าฉายาของเขาคือนักฆ่าจอมอัจฉริยะแห่งสมรภูมิลาว เขาเป็น Mac แม็กรละทั้งหมอผีที่ชาวเขาให้ความเกรงและกลัวยิ่งกว่าผีที่เขานับถือมาตั้งแต่เกิดเขาเป็นคนชนิดไหนกันแน่พันตรีโรเจอร์ไม่มีเหตุผลหรือข้ออ้างเพียงพอที่จะนํามาเป็นสิ่งยืนยันนอกจากจะบอกว่าเขาเคยประสบกับตาตัวเองมาแล้วเท่านั้นส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่โ okay, อเคเลสโกยุทธพง์เร่งแล้วพันตรีโรเจอร์หันมาพูดชวนแบ็คเบิร์ตให้สปีดความเร็วมาเห็นใจยุทธพง์โบกมือเรียกอยู่ที่ตอนหน้าขบวนเดิน เขาคงมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่เลยไม่มีปัญหาหรอกแบล็กเบิร์ตนอกจากจะมีเกมการเล่นใหม่เท่านั้นแหละคนพวกนี้ไม่มีใครสร้างปัญหาหรือหนีปัญหาเลยพวกเขาเก่งทุกคนให้ตายสิทั้งสองอเมริกันเร่งฝีเท้าตามไปจนแทบจะเป็นวินเมื่อเห็นว่าทั้ง4ี่คนนํานั้นอยู่ในท่านั่งคุกเขา่ากําลังสายสายตาค้นหาสิ่งผิดปกติด้านหน้าอยู่ไอ้พลอยู่กับจ่ายยุทธพงในขณะที่ไอ้เปียกไอ้เล็กคนที่อยู่ปีกฉีกตัวเองห่างออกไปเกือบห้เมตรโอเคแบล็กเบิร์ต คุณเข้าไปที่ยุทธพง์พร้อมกับผมเลยก็ได้นะสองคนทางปีคลรับหน้าที่คลุ้มกันแล้วไปดูกันเลยว่าที่นั่นมีอะไรไม่ไว้ที่พันตรีโหลดเจจะสังเกตลักษณะภูมิประเทศ ร, รอบข้างอย่างพินิษฐ์พิคห์อย่างละเอียดอีกครั้งก่อรั่วป่าไม้เต่งและไม้เบญจพรรณอื่นๆที่ขึ้นแซมเป็นป่าปโปรง่งพื้นดินราบมองเห็นได้ไกลไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแม้แต่กับระเบิดหรือพื้นที่ซุ่มโจมตีเพื่อเราครับเมเจอร์ใจยุทธพงศ์บอกก่อนถามแบบไม่ได้หันหน้ามามองคนฟัง ราสายตากําลังจับจ้องไปทางทิศที่คาดว่าเพื่อนที่เขาพูดถึงคงจะไปทางนั้น VC Backbird ผู้เสียงอ่อยเหมือนคลางตาจ้องมองรอยก่ อ, อ ก, กองไฟขนาดไม่ใหญ่นักเป็นประกายวาวอาจจะไม่เชื่อหรืออะไรไม่ทราบ Backbird ถึงกับลงทุนเอามืออังกองไฟจนชิดติดก้อนถ่านสีดําผลก็คือต้องสะบัดมือเล่าๆห่อปากเป่าลมไล่ความร้อนทันทีไม่มีใครขําขันในอาการนั้นเพื่อนเราเพิ่งจะจากไปไม่เกินสินาทีนี้แหละ Backbird คุณแน่ใจขนาดนั้นเฉยเหรอยุทธพงศ์ไม่รู้ว่าแบล็คเบิร์ตจะเชื่อหรือไม่แต่ที่แน่ใจยุทธพงศ์ไม่มีเวลาอถาธิบายอะไรอีกสอบถามไปทางปีกทั้งสองข้างทันทีเจออะไรไหมวะด้านนี้ไม่มีอะไรเลยพี่รอยมดส ก, กตัวก็ไม่มีไอ้เปียกตอบมาก่อนหลังจากที่ย่องกลิบห่างไปกว่า50ิเมตรแล้วด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันพี่ผมไม่ได้มาทางนี้แนะ่ไอ้เล็กรายงานผลบ้างจ่ายยุทธพงศ์ไม่ติดใจหรือสงสัยว่าลูกน้องสองคนนั้นอาจจะดูไม่ทั่วก็ได้ เรื่องแบบนี้นักล่ารับจ้างเชื่อมือกันอยู่แล้วละความสนใจจากสองคนนั้นเราพุ่งสายตาไปตรงหน้านอสตา์ไปทางนั้นจ่ายยุทธพงศ์ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่พันตรีเมริการชิงครางออกมาสักก่อนเช่นเดียวกับแบล็กเบิร์ดที่เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไร V ีซีมันแก่รอยตามนอสตาไปหรือไง ย, ยุทธพงศ์ห้หครับแบล็กเบิร์ดเป็นหน้าที่ของพันตรีโรเจอร์ที่ต้องอธิบายอีกว่า 50- าสหหมายถึงอะไรอย่างไร จ่ายุทธพงศ์พลัดจากจุดที่พบกองไฟแล้วเดินหน้าขนหาหลักฐานต่อไปด้วยความระมัดระวังกระทั่งพบเข้าจนได้ก้อนดินพลิกเพราะถูกเท้าคนเตะนั่นรอยเท้าหรือเปล่านั่นก็อีกรอยจ่ายยุทธพงศ์คุกเข่าดูก้อนดินพลิกพันตรีเมริการตามไปข้างหลังมองไกลออกไปพบสิ่งที่เป็นร่องรอยจึงร้องบอกให้แบ็กเบิร์ดรู้แล้วก็ดูไว้เพื่อจะได้เป็นขวัญตาต่อไปจ่ายยุทธพงศ์ดึงวิทยุจากซอกไหลแล้วกรอกเสียงลงไปทันทีพี่พบรอยแกวนะพี่สนใจไหม แล้วละเอียดสิพมกองไฟขนาดย่างไก่ได้หนึ่งกองไฟยังร้อนอยู่เลยคาดว่ามันทุบไปได้ไม่เกินส10บนาทีหรอกพี่ต่อมาทางทิศที่ไปหาพี่ก็พบรอยเท้าอีกพี่ไม่ผิดปกติอะไรเลยหรือไงมึงถามอะไรของมึงวะปวดที่ปวดเยี่ยวปวดท้องเม้นไม่มาหรือว่าอ้วกแพ้ท้องแทนแม่ใหญ่จเจ้าอันไหนที่ว่าผิดปกติอะโถพี่ผมหมายถึงว่าไอ้ที่ผิดปกติอะคือไอ้แก๊แกๆรอยพี่หรือว่าพี่ไม่พบ่องรอยอะไรบ้างเลยทั้งหากงั้นก็แล้วไป เสือพูดมีแง่มีงามนี่ว่ะใครจะไปรู้วะไม่เจอโอเคไหมชักไม่น้าได้หลายสายแต่คำตอบมีนิดเดียวที่ท้ายประโยคจ่ายุทธพงศ์ไม่ได้ปักใจเชื่อเลยว่าคนยังจ่าดาวเหนือจะไม่กระสากินศัตรูในครั้งนี้เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวเท่า น, นั้นก็คือจะทําอย่างไรจึงจะให้จ่าดาวเหนือพูดความคิดที่อยู่ในใจนั้นออกมาได้พอเชื่อร้อยเซ็เลยว่าเขาก็กําลังขบคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมีรอยเท้ากี่รอยประยุทธ์ นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงว่าจ่าดาวเหนือก็ให้ความสนใจสองหรือสามเห็นจะได้ครับพี่โอเคถ้างั้นก็สี่คนลองรองหายเซิร์ฟลอยให้เจอสิเล่าแล้วพี่ว่าพวกไหนก็เวียดนามเหนือสิวะอุบวะถามแปลกๆไม่ใช่เงันพี่พวกลาจอเวนพวกแซมเจ็ดพวกจระยุทธ์หรือพวกหนีทัพอยากรู้มึงก็ตะโกนถามเอาสิวะนี่คือคําตอบชนิดที่กําลังพิจารณาว่าเป็นพวกไหนกันแน่ในจำนวนที่จ่ายุทธภง์กล่าวถึงนี้แต่จ่าดาวเหนือไม่เคยตอบตรงๆสักครั้งเดียว มักจะหาเรื่องโยกโยกคําตอบให้คนถามปวดกระบาลเล่นซะอย่างนั้นแต่นี่คือ น, นิสัยถาวรจ่ายยุทธพงศ์เก็บความคิดนั้นไว้ในใจเราก้าวขาวออกเดินตามรอยเท้านั้นต่อไปถึงอย่างไรก็อยู่บนเส้นทางสายเดียวกันอยู่แล้วมองคนข้างเคียงเห็นว่าเริ่มระมัดระวังกันแล้วปีกสองคนชิดตัวเองไกลออกไปอีกเพื่อค้นหาเจ้าของรอยเทา้าให้ได้ในขณะเดียวกันที่กําลังหกคนส่วนหลังไม่เห็นหรอกว่าจ่าดาวเหนือสร้างการเรื่องนี้แก่ทุกคนให้เตรียมตัวเตรียมใจด้วยเหมือนกัน ไม่มีเหตุผลอะไรที่จ่ดาวเหนือจะไม่เชื่อสายตาจ่ายยุทธพงศ์ลูกทีมได้รับข่าวแล้วเริ่มตรวจการระยะไ ก, กลขึ้นเพ่งสายตาให้แม่นขึ้นบ่อยครั้งที่ต้องใช้กล้องสองตาส่องช่วยเวทกงกําลังแก่ลอยเวทกงเคลื่อนไหวยอยู่ที่นี่ที่นี่คือเขตอิท ธ, ธ, ธิพลที่เวทกองฝังตัวอยู่มานานหรือชุดปฏิบัติการอะไรสักอย่างของเวทกงกําลังปฏิบัติภารกิจล้วนเป็นคําถามคําตอบที่เกิดขึ้นในใจของเรานักล่ารับจ้างทั้ง13คนนั้นเราหมายรวมเอาแบล็กเบิร์ตเข้าไปอีกคนหนึ่งก็คงไม่ผิดเพราะถึงอย่างไร แกก็ไม่ใช่นักรบปัญญาอ่อนหรอกน้าเมือนจะรู้ว่าทุกคนในทีมกําลังกังวลเรื่องนี้จากดาวเหนือจึงต้องเคลียร์ให้ไม่มีอะไรหรอกยุทธพวกรัศดเวนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละที่นี่เป็นเขตอิทธิพลของมันข้างหน้าเรามีหน่วยกําลังขนาดใหญ่หรืออาจะมีค่ายของมันอยู่ก็ได้พี่น่าใจได้ไงเป็นพวกราศดเวทธรรมดาธรรมดาจาก ย, ยุทธพง์ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งที่พบนั้นคือร่องรอยเวทกงร้อยเปอร์เซ็นเราขึ้นชื่อว่าเวียดกองแล้ว การที่มันจะไม่มีภารกิจเฉพาะย่อมเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่การประทะที่ฝ่ายเวีกดงกําลังละสัมลสายเช่นนี้มันจะปฏิบัติการธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรนั้นไม่ยากรอยุทธถ้าเป็นพวกที่ตามแก่รอยเราหรือค้นหาพวกเราโดยเฉพาะหรือจะค้นหากําลังสตรู น, น่วยอื่นก็เถอะมันจะไม่ก่อไฟแล้วทิ้งหลักฐานไว้อย่างนี้นะ่การที่มันทําอย่างเนี้ยเพราะมันยังไม่รู้ตัวว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในพื้นที่มันสอว่าแค่เนี้ยเคลียร์ไหมก็พอจะเคลียร์อยู่หรอกพี่แต่ผมไม่ไว้วางใจเลยจริงๆพี่ อ้แล้วใครไว้ใจมันบ้างหรอวะยังก็ว่าเราพูดกับเวทโกรงรู้เรื่องอย่างนั้นแหและฮ้อเราพี่เตรียมการเดี๋ยวจะไม่สั่งการอะไรบ้างเลยหรือไงเฮ้ยก็เตรียมกันอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรสั่งการกระพอะแกวมันยังไม่โผล่มานนี่ว่าแต่ถ้าโผลมาแล้วใครต้องรอสั่งการคนนั้นก็ตายได้เฮ้ยว่าไปเรื่อยๆยุดเร่งความเร็วขึ้นมาอีกไม่นานจะมีของดีให้ดูถ้ามาช้าอดดูช่วยไม่ได้นะเว้ยอีกครั้งที่จ่าดาวเหนือเผยสิ่งที่ใจกําลังคิดอยู่ไม่มีใครถามว่าของดีนั้นคืออะไร จากทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อหัวหน้าทีมพูดแบบนี้ทีไรมาเกิดสถานการณ์เสมอเหมือนกับว่าตัวแกเองเป็นนักรบเทวดาที่รู้การกระทําของศัตรูไปหมดใครๆอาจจะว่าแปลกแต่คนที่เป็นเจ้าของความคิดเองกลับไม่รู้สึกเลยว่าแปลกพอทุกครั้งที่คาดการนั้นเขาจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างเป็นหลักฐานในการวิเคราะห์พิจารณากรณีนี้ก็เช่นกันเมื่อการประทาบแบบที่เวียโกงแทบระอักเลือดยังไม่จบสิน้นเพราะศัตรูยังรอยนวลอยู่ได้ ควาหมายที่แท้จริงของศัตรูอยู่ที่ไหนเวียดกงก็รู้ในพื้นที่นี้ไม่ใช่มีเวทกงเพียงกลุ่มเดียวหรือ2กลุ่มแต่เวียดกงมีกําลังกระจัด ก, กระจาย จ, จนครอบคลุมพื้นที่ไปหมดดังนั้นเวียดกงจึงต้องประสานหน่วยอื่นหรือรวมกําลังกันออกล่าศัตรูชุดนี้ให้ได้สรุปก็คือเวียดกองรู้แล้วว่าขนาดนี้ศัตรูชุดนี้อยู่ที่ไหนตอนที่สอง ทั้งหมือสังหารไล่าตามทันชุดหัวหน้าทีเมื่อเวลาหนึ่งชั่วโมงให้หลังมองเห็นจ่าดาวเหนือเดินนําขบวนห่างไปกว่าห้าร้อยเมตรโดยมีพันตรีคอร์เนประกบอยู่ทางขวาพื้นที่ค่อยๆไต่ลาดสูงขึ้นไปนั้นบอกให้รู้ว่าณยอดเนินข้างหน้าคือจุดหมายเลือมดูเวลาที่ข้อมือเห็นว่าเพิ่งเลยเก้าโมงเช้าครึ่งมาได้ไม่มากนักหลายคนเริ่มมีอาการหิวเมื่อนึกขึ้นได้ว่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยตั้งแต่เย็นวานรู้สึกหิวแต่ไม่อยากรู้สึกง่วงทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ตลอดสองวนันสองคืนที่ผ่านมา ยังไม่ได้หลับตาเลยแม้แต่ ง, งีบเดียวนี่คือวิถีชีวิตจริงของนักล่ารับจ้างที่ดูจะชินเสรยจแล้วกับความลำบากเช่นนี้ทําไงได้เมื่อกลิ่นไอดอลลาร์มันเย้าหยวนกวนกิเลสอยู่ทุกขณะจิตก็ใช่ว่าจะเป็นเพราะดอลลาร์เพียงอย่างเดียวก็หาไม่ตัวการที่สําคัญและมีผลมากกว่านั้นก็คือความตายสถานการณ์อย่างนี้ขืนมัวห่วงแต่การนอนมีหวังได้นอนตลอดชีวิตแน่เลยไม่มีใครกล้า ง, ง่วงจากดาวเหนือกลางแผนที่ออกดูอีกครั้งมาถึงยอดเนิน บ่อยครั้งที่ต้องตีหน้านิ้วคิ้วขมวดเมื่อพบความสับสนระหว่างรายละเอียดในแผนที่กับภูมิประเทศจริงประเทศหานี่ทําไมภูเขามันเยอะนักวะไม่มากหรอกพี่แค่80ดกว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งประเทศเท่านั้นภูเขาแม่งเยอะอย่างนี้นี่เราประเทศมึงถึงไม่มีทะเลจ่าดาวเหนือบนสลับกับอาการก้มก้มเงยเงยระหว่างแผนที่ในมือกับภูเขาลูกใหญ่ข้างหน้าโดยมีไอเปียกเป็นลูกขุนพลอยพยักพอดีเสียงไอวิทย์ดังมา บอล น, นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวต่อไปนี้เป็นข่าวในประเทศอันดับแรกแม่นข่าวจากกระทรวงป้องกันประเทศบัดนี้กระทรวงป้องกันประเทศมีความภูมิใจเป็นหลวงหลายแม่นว่ากองทัพประเทศลาวสุดแสนจะยิ่งใหญ่ในโลกกองทัพ บ, บกเฮาพร้อมแล้วเฮามีรถถังเฮามีปืนใหญ่กองทัพอากาศเฮามียนต์เฮามีเดินยนต์กองทัพเฮาเฮามีเฮียโฮบแล้วเอาฝากไว้อยู่โซเวียตเขายังขาดแต่ทะเลสีจอดเฮาเท่านั้นแหละ ตอนนี้เป็นข่าวจากกองทัพ บ, บกขอแจ้งข่าวว่ามือนี่นักโตจ้องไปโตนห้าคนปรากฏว่าตายไปหกการสูญเสียครั้งนี้บ่เป็นอย่างข่าวแรกไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีทะเลใครๆก็รู้แต่ข่าวหลังบางคนสงสัยอะไรของมึงไวเปียกพลร่มโดดห้าคนแต่เสือกตายไปหกเงงวะโธ่พี่ห้าคนร่มไม่กางสักคนระดันลงมาทับคนเกี่ยวข้าวตายไปอีกคนน่ะพี่งั้นเหรอวะเอา้าเอากับมึง หลายคนหัวเราะกับโจ๊กลาวอันนั้นร้อยเอกนักบินแบล็กเบิร์ดที่พันตรีโลเจอร์แปลให้ฟังพอรู้เรื่องเท่านั้นแหละถึงกับหัวเราะงอหายจ่าดาวเหนือทายหัวไปมามองหน้าลูกน้องที่โจ๊กขึ้นมาด้วยความรักใครขึ้นชื่อว่านักล่ารับจ้างแล้วไม่เคยมีใครทุกข์ใครโศกแม้ยามที่ความตายอยู่เพียงปลายจมูกหรือชีวิตจวแขีนอยู่บนเส้นได้ก็ตามคิดอยู่ว่าแม้จะตายก็ขอให้ตายขณะที่กําลังหัวเราะเถอะรู้สึกคุณจะมีปัญหาเรื่องแผนที่ใช่ไหมนอสตา์ พันตรีโรเจอร์กับร้อยเอกแบ็กเบิร์ดเดินมาที่จ่าดาวเหนือเมื่อเห็นอาการก้มๆเงยๆนั้นที่ผมมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับจะมีก็แต่อีเปียกของผมคนเดียวเท่านั้นแหละเขาเป็นไงสงสัยจะกินยาปลุกเซ็กมากไปหรือไม่ก็เป็นโครคคลั่งอีโซตองที่บาร์แนนซี่ถนนโพชัยนั่นแหละไอ้นี่งี่มากที่ไหรเป็นงี้ทุกทีจ่าดาวเหนือหมายถึงยิงลาวพาร์ทเนอร์ในบาร์ที่เวียงจันท์คู่ขาอีเปียกเด็กสาวอายุเพิ่งจะย่างสิบสาเท่านั้นลาวถือว่าเป็นสาวใหญ่แล้วหากยังเอาผัวไม่ได้ถือว่าผิดธรรมชาติ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาวโสตองเมตสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับไอเปียกได้ยังไงในเมื่อหัวของเด็กสาวสูงไม่ถึงจักรแรมมันด้วยซ้าไม่เคยมีใครถามเรื่องนี้กับไอเปียกแต่มีคนเคยถามสาวโสตองคําตอบที่ทุกคนซึ่งต้องพิสูจน์ก็คือสูงต่ำไม่สําคัญมันจะเท่ากันเองตอนนอนก็เลยไม่มีใครเถียงเพราะไม่สงสัยเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านอสตาพันตรีโรเจอร์แม้จะหัวเราะเพราะขำขันไปด้วยที่เปลี่ยนเรื่องโจ๊กแต่ก็มาที่ข้อสงสัยทันทีนิดหน่อยครับเมเจอร์ Major. เมเจอร์ Major, ดูกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาเป็นสายยาวนั่นสิครับใครไม่รู้ก็ต้องนึกว่าที่นั่นคือหมู่บ้านแต่ในแผนที่มันไม่มีหมู่บ้านแล้วเมเจอร์คิดว่ามันเป็นอะไรล่ะครับพันตรีเมริการรับก้องส่องสองตาเอาไปส่องดูบ้างในขณะเดียวกันที่ร้อยเอกแบล็กเบิร์ตนักบินเดนตายก็พลอยสนใจไปด้วยแผนที่ผิดหรือเปล่าโนสตาผมไม่แน่ใจครับแคปตันว่าแผนที่ผิดหรือเปล่า น, นะคันมาถามร้อยเอกนักบินก่อนเพราะเชื่อว่าคงตอบข้อสงสัยนี้ได้แน่อย่างน้อยการบินทุกครั้งก็ต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยถูกต้้อองอยู่แลว ประการก็คือแผนที่นี้แปลงมาจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและนักบินนั่นแหละที่เป็นคนถ่ายภาพเอามาทําแผนที่ดังนั้นนักบินนั่นแหละน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นร้อยเอกแบ็คเบิร์ตลับแผนที่แผ่นนั้นมาพิจารณาอีกครั้งแผนที่นี้ไม่ผิดนะนอสตามันเพิ่งจัดพิมพ์มาไม่ถึง6เดือนนี่เองเรื่องนี้ผมรู้ดีเพราะผมรู้จักกับหลายๆนักบินที่ถ่ายภาพผมเองก็ใช้แผนที่ชุดนี้เหมือนกันนะพวกเราใช้กันทุกคนนั่นแหละผมรับรองไม่ผิดแน่นอนชัวร์ร้ออร์เ โอเคถ้าแ a p t a i n ชัวร์แล้วครัท่านพอจะรู้ไหมว่าไอ้สายควนันนั้นนะ่ะมันเป็นสายควันของคนในหมู่บ้านหรือว่าของใครกันแน่ผมไม่แน่ใจอ่ะเนาะตาแต่ผมยืนยันได้ว่าแผนที่ไม่ผิดที่นั่นไม่มีหมู่บ้านแน่ตาดาวเหนือมไม่ลืมฝีปากจเป็นเส้นตรงสายตาเพ่งไปทางทิศนั้นยังใช้ความคิดใจหนึ่งกำลังคิดอยู่ว่านั่นคือที่ตั้งเวีทโขงตามข่าวที่พันเอกหนอแมนให้มาเมื่อก่อนสวาน่างแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องคัดคานเพราะมันคนละทิศละทางกันแล้วมันคืออะไรงั้นเราไปดูให้เห็นกับตาเลยเป็น นั่นเป็นการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายก็เม่เจอรเพราะถ้าอยากจะรู้จริงๆเราไม่มีวิธีอื่นก็คงต้องไปดูแต่ผมกําลังมีความคิดอยู่ว่าเราจําเป็นต้องไปที่นั่นไหมจะทําให้เส้นทางเคลื่อนที่ของเราอ้อมเกินไปหรือเปล่าเป้าหมายของเราออกซ้ายนะครับถ้าเราไปที่นั่นต้องใช้เวลายอย่างน้อยก็1นึ่งวันเต็มๆหรืออาจจะมากกว่านั้นทถเวียดโกงเพื่อเราไม่ยอมให้กลับเอา้าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็นี่แหละครับที่ผมกําลังคิดเราคิดเอาเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาเดินทางไปที่นั่นหรือว่าจะมีทหารลาาายเรรออกกปฏิิบบัตัตในนนแถ้ อืมเมบี Maybe. เป็นไปได้นะนอสตางั้นเราถามไปที่บอกอดีไหมยอย่าเพิ่งเลยครับเมเจอร์ล้วงเข้าไปในเป้หลังหยิบได้เรชั่นสี่ที่ไม่รู้ไปอะไรก็จัด ก, การเปิดทันทีคิดแต่เพียงว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเท่านั้นเป็นพอยุดแน่ใจนะว่าแก้วผู้นั้นไม่ตามมาแน่ห้าสิห้าสิบครับพี่กมหน้าก้มตากลืนถั่วบทจากกระป๋องนั้นต่อไปคําตอบที่จ่ายยุทธพง์ล้อเรียนคํำนี้ออกจะฝืดขอยิ่งกว่าถั่วเรชั่นสนี้เสียอีกห้าสิบห้าสิบนี่บวกกันหรือลบกันวะ ไม่แน่พี่อาจจะเป็นหารแล้วเหลือหนึ่งก็ได้หูไม่รู้เรื่องเลยพี่เรื่องเนี้ยผมว่าจะมีพวกมันสักคนที่พอจะจับทิศทางได้แต่ไม่กล้าออกตามเพราะกลัวปืนไม่มีเสียงของเรานี่แหละเสร็จแล้วมันก็เลยรายงานให้บอกอมันรู้ทีนี้ก็เหลือแต่บอกอมันเท่านั้นแหละที่จะสั่งให้ใครมาเล่นเกมกับเราต่อแบบเนี้ยบวกลบหรือคูณหารแล้วพี่จ่าดาวเหนือเมมริมฝีใบอีกครั้งด้วยความเคยชินกับยามที่ต้องใช้ความคิดอืมมึงพูดแบบนี้มึงไปหัวหน้าทีมได้แล้วนี่ว่า รู้สึกประมาณการได้เก่งขึ้นเยอะแล้วนะ IQ สูงขึ้นผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยจ่าดาวเหนือยอมรับในเหตุผลของจ่ายยุทธพงศ์แต่ก็ยังไม่วายทำให้เป็นเรื่องโจ้เข้าไว้อีกเวทโกงไม่ได้โง่อย่างที่คิดคราวที่มันพลาดก็เพราะประสิทธิภาพของอาวุธกับโอกาสของการเริ่มเปิดเกมต่างหากกระสุนแก๊สพิษที่แผ่ออกมาจนปกคลุมเป็นพื้นที่กว้างสามารถสังหารคนได้หลายครั้งครั้งละหลายหลายคนแทนที่จะเป็นกระสุนแบบธรมธรมดาธรรดาที่ได้ผลเพียงหนึ่งนัดต่อหนึคนเท่านั้น ระยะ500เมตรที่ศัตรูมีกล้องเล่งช่วยย้นระยะให้เป้าหมายมาร้อยเด่นหลยอยู่ตรงปลายปากลํากล้องปืนได้ในขณนะเดียวกันระยะขนาดนี้ไม่มีทางที่อาฆาหรือ RPG จะยิงให้แม่นยําได้นอกจากนี้การที่ปืนของศัตรูไม่มีเสียงเวทโกงก็เลยไม่มีทางรู้เลยว่าผู้ที่คอยจ้องสังหารมันนั้นอยู่ที่ไหนบางนี่คือสาเหตุใหญ่ที่เวทโกงต้องพบความปลาชัยชนิดยับเยินอย่างที่สุดลูกทีมหลายคนรู้ว่าจ่าดาวเหนือยอมรับในเหตุผลของจ่า ย, ยุทธพงษ์ เพรคุ้นเคยกับวิธีการอําแบบนี้เสร็จแล้วจึงไม่คําไปด้วยในขณะเดียวกันกลับพยายามตั้งใจฟังว่าจะมีการสั่งการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปเท่านั้นเอา้าเดี๋ยวแม่งวันก็บินเข้าปากมึงหรอกคราวนี้หลายคนหัวเราะจนได้เมื่ออาการนั้นเกิดกับไอเชษที่ถึงกับอาปากหว่อรอฟังคําสั่งไอเชษรู้ตัวเพลอเอาหลังมือรูปน้ําลายที่เกือบจะไหล ย, ย, ย้อยเอายี้พวกเราเดี๋ยวเราเตรียมซ้อนแผนเวทโกงมันดีกว่าถ้ามันสงสัยว่าเรามาที่นี่ก็ให้มันหายสงสัยไปซะเลยเล็ก ก่อไฟสักกองสองกองวะเอากายควันมันพุ่งขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละเอาแค่กองไฟหุงข้าวก็พอนะ่ะมันเห็นควันเดี๋ยวมันก็มาที่นี่เองนิดเปียกชาติวางกับระเบิดที่ระยะ200เมตรจากตีนเนินนี่เอาแค่คนละลูกก็พอวางเป็นหน้ากระดานขวางทางขึ้นเลยเปียกลูกกลางที่มึงใส่แก๊สพิษไปด้วยนะจัดการเลยทั้ง4คนรับคำสั่งแล้วดำเนินการทันทีไอเชตแก้เขินด้วยการลุกไปช่วยไอเด็กหาไม้มาก่อไฟมีใหญ่ที่สายตาหัวหน้าทีมหรือใครจะมองอย่างไร มันก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ซะอย่างนั้นแหละก็ดีไปอย่างยุดถือแนว3ามาดีเกรเชียรซ้ายควันกองนั้นตัดขึ้นสันเนินลูกอยู่ซ้ายถัดยอดสูงลงมาหน่อยเห็นไหมจ่ายยุทธพงษ์พยักหน้ารับทราบแล้วชวนไอ้เล็กออกเดินทันทีในฐานะชุดรนนาชตัวเณรนาจ่าดาวเหนือที่เตรียมเป็นท้ายขาบวนเดินยังยืนเพ่งนิ่งอยู่กับแนวระเบิด3ามลูกนั้นอยู่ความคิดแว บ, บหนึ่งแวบบว่าเวียดกองอาจจะรู้เรื่องของระเบิดแก๊สผิษนี้แล้วก็ได้ นั่นหมายความว่าโอกาสที่มันย้อนสนองอาจจะมีทางเป็นไปได้เมอร์วีดก่งทําการกู้ถอนออกมาเราออกมาวางดักเจ้าของเดิมบ้างผลงานที่ได้รับมานั้นล้วนเกิดขึ้นในตอนกลางคืนทั้งสิน้นแต่ตอนนี้เป็นเวลากลางวันที่ใครๆก็สามารถตรวจการหรือระแวดระวังการเคลื่อนที่ได้แล้วจึงตัดสินใจย้อนตัวเองกลับไปที่ระเบิดมรณนาลูกนั้นเอานอสตาคุณจะไปไหนไปถอนระเบิดแก๊สรุ่นั้นออกมาครับเมเจอร์หมายความว่าไงผมไม่เข้าใจก็ในเมื่อมันได้ผลดีอย่างนั้นแล้วทําไมคุณไม่ใช้มันต่อ พันตรีโรเจอร์ที่เตรียมประกบเดินกับจ่าดาวเหนือที่ท้ายขบวนต้องย่างเท้าตามพร้อมกับคําถามเมื่อไม่รู้ว่าในใจของเขาคิดเรื่องนี้อย่างไรวิ่โกงมันคงไม่งโง่อย่างที่เราคิดหรอกครับมันโดนไปหลายทีแล้วมันก็ต้องเข็ดกันบ้างคราวเนี้เราเห็นจะหากินกับมันยากซะแล้วล่ะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับระเบิดพวกนี้เล่าจ่าดาวเหนือสามารถพูดอธิบายแนวความคิดของตนเองให้พันตรีเมริกันฟังพร้อมๆ ก, กับการกู้ระเบิดลูกนั้นในเวลาเดียวกันทางนี้ด้วยความชํานาญระดับหัวหน้าชุดนั่นเอง ถ้างั้นเราก็น่าจะกู้เสร็จทั้งหมดไม่ดีเหรอจะได้ไม่เหลือเวทโกงมันเอาไปใช้ได้อีกเพราะถึงอย่างไรคุณก็คาดการณ์ว่ามันต้องตรวจพบได้แน่เรื่องนั้นไม่เป็นไรครับเมเจอร์เราเหลือไว้หน่อยเผื่อฟลุกเพราะเราต้องใช้ประโยชน์บางอย่างจากกับระเบิดนี้อยู่ไปเรียบร้อยแล้วครับจต่ดาวเหนือยัดระเบิดแก๊สพิีลูกนั้นหลังจากใส่สลักนิลัยแล้วเข้าที่กระเป๋าข้างขากางเกงอย่างหน้าตาเฉยไม่สนใจแม้พันตรีอเมริกันจะยังมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังขาคําว่าประโยชน์บางอย่างมันหมายถึงอะไร นี่คือนิสัยถาวรของจ่าดาวเหนือที่มักไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในใจหรือที่เป็นเพียงคาดการเพราะยังไม่มั่นใจแม้บางคนจะเห็นว่าช่างตรงข้ามกับนิสัยพูดเล่นพูดอําอยู่ก็ตามแต่การพูดอํานั้นจ่าดาวเหนือมักเจอดจงให้รู้ชัดไปเลยว่าเป็นการพูดเล่นพูดอ่ําไม่ใช่ลักษณะของการคุยโม้คุยโวเรือระยะทางประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับการเดินช่วงแรกของเช้าวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงเส้นทางที่ขบวนเดินพยายามตัดขึ้นสูงเข้าไว้ ยังรักษาสภาพการมองเห็นสายควันนั้นได้อยู่เสียงพันตรีโรเจอร์เจ้เจ้าไม่ดังนักกับการพูดวิทยุติด ต, ต่อกับบอกกอที่เวียงจันทร์กระทั้งเรียบร้อยน็อกตาคนเจ็บของเราถูกนำไปรักษาที่กรุงเทพแล้วทุกอย่างปลอดภัยดีคนเจ็บกำลังอยู่ในมือหมอหมอชั้นหนึ่งด้วยที่ว่าทุกอย่างปลอดภัยดีหมายถึงรอดชีวิตแล้วก็ต้องรอดพิการด้วยหรือเปล่าอ๋อมันก็ต้องทั้งสองอย่างสิเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ยนอมันเป็นคนสั่งการกําชับด้วยตัวเองทุกอย่าง หมายถึงไอ้มนหนึ่งในทีมงานที่ต้องพลาดทาโดนลูกฟุกอากาเข้าที่โคนขากระสุนฝังในเสียเลือดมากบาดแผลได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักขณะหนีเวียดโกงหมอฟีนระงับปวดที่อาจต้องกลายเป็นทาตของมันในเวลาต่อมาได้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความห่วงใหญ่ที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมทั้งสิน้นจ่าดาวเหนือมีอาการเหม่อลอยเมื่อเห็นดวงหน้าลูกน้องลอยมาขอความช่วยเหลืออยู่ข้างหน้านเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นการเลือกสติที่เลื่อนลอยไปให้กลับคืนสู่ร่างโดยเร็ว หลายคนหันควับไปทางทิศที่เพิ่งจากมาเป็นตาเดียวกันหมดนี่เป็นการคาาการของคุณหรือ่าพันตรีโรเจอร์รู้อยู่แล้ววันนี้เป็นหนึ่งในกลับระเบิดจำนวนสามลูกนั้นคนถูกถามไม่พูดอะไรนอกจากตั้งใจฟังเสียงลูกต่อไปเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าข้อกังวลของตนจะถูกต้องสักเพียงไรตอนที่สเวียดโกงพลาดอีกครั้งแม้จะได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วก็ตาม หนในจํานวนกว่า60คนที่จัดกําลังเป็นสามระ ล, ะ ล, ะละอกเผยท่าไหนไม่ทราบเข้าไปเหยียบกับระเบิด M14 ลูกนั้นยังจังเบอร์ที่สุด M14 จะมีผลทางสังหารเพียงส่วนที่สัมผัสผิวอาํานาจระเบิดเท่านั้นดังนั้นเวทคงที่เดินเท้าเปล่าจึงมีอาการแค่หนังพื้นเท้าเปิดซึ่งผิดกับทหารที่ใส่รองเท้าคอมแบตจะได้รับผลจากแรงอัดระเบิดถึงขอบรองเท้านั่นคือขาขาดที่ครึ่งแข้งนั่นเองข่าวสารจากบอกควบคุม22ถึงนวดจรยุทธ์เรื่องกับระเบิดว่า การปฏิบัติขั้นแรกให้ปล่อยคนที่ถูกระเบิดไว้อย่างนั้นห้ามใครเขาช่วยเหลืออย่างเด็ดขาดเพราะคนช่วยจะถูกสารพิษเข้าสู่ล่างด้วยพร้อมกันนั้นต้องรีบถอยออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จากคำสั่งคำแนะนำนี้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการได้มีเวลาวิเคราะห์แล้วสั่งการเพิ่มเติมอีกว่าหน้าที่ใดที่มีการระเบิดของกับระเบิดศัตรูให้ทุกคนรีบถอยหนีไปทางด้านหลังถอยออกไปตรงๆนั่นแหละเพราะเชื่อว่าพื้นที่ที่ผ่านมาแล้วคงไม่มีกับระเบิดอีก เสียงร้องเรียกกันดังโวกเวกลั่นไปหมดเมื่อต่างคนต่างต้องเตือนกันบทเรียนกับระเบิดศัตรูครั้งก่อนๆ น, นั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเกี่ยวกับจุดวางดักทั้งแหล่งกำบงังพื้นที่โลง่งเส้นทางเคลื่อนที่ระยะใกล้ไกลเวทองหมดปัญญาจะเดาได้กับระเบิดที่เป็นสารเคมีนี้หากระเบิดขึ้นใช่ว่าจะมีผลเพียงคนที่ไปเหยียบมันแต่เพียงคนเดียวเสมอเลยคนที่อยู่ข้างเคียงไม่รู้อหนูอีเ่เหน่ก็พลอยไปด้วยทั้งคนอยู่ใกล้ชิดติดกันหรือคนอยู่ห่างไกลเป็นระยะร้อยเมตรก็ยังมีสิทธิ์โดน เมื่อสาเหตุหนีเวีทกงยังมืด8ดด้าน12ด้านจึงทุกคอยเตือนกันด้วยเสียงสั่งบอกเสียงร้องเตือนและเสียงสั่งการของหัวหน้าหน่วยดังสับสนปนเปไปหมดเวียดกงคนเคาะร้ายสุดของเชาวหนี้ร้องโอดโอยวิงขาเดียวขย objc เห ย, ก, ยกตัวถอยตามเพื่อนออกมาอากาที่ใช้ต่างไม้เท้าแทนขาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ช่วยมันไดในยามนี้เลือดไหลโกรกออกมาจากบาดแผลเท้าขวายดเป็นทางตามแนวที่มันตะเกียกตะกายไปมาอย่างน่าหวาดเสียว ไม่มีมนุษย์สักคนเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่เพื่อนที่แสนจะรักใคร่กันมาก่อนเข้าใกล้ไครก็มีแต่จะหนีห่างเหมือนรังเกียจว่าเป็นโรคหลายโดยความเจ็บปวดบาดแผลสุดแสนจะทรมานเวียดกงเคราะห์หลายถึงกับลม้มลงแถมถูกพันท้ายอาก้าตัวเองอัดเขาที่ช่องท้องเพิ่มความเจ็บซ้ำเข้าไปอีกเมื่อยังมีลมหายใจมันก็ต้องดิ้นหล่นต่อไปอีกหยุดกงเปลี่ยนจากการเดินขยโยขยเย็บเป็นครานลากขาขวาเหมือนสัตว์สี่เท้าลากขาหลังที่หักพิกลพิการอย่างนั้นแหละ สายหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนเสียงหัวหน้าหน่วยจราจุตโกรรันสั่งการลูกน้องเมื่อเห็นว่าถอนตัวออกมาได้กว่า150เมตรแล้วก่อนสั่งการได้สํารวจแล้วว่าไม่มีใครได้รับอาการอย่างที่เคยได้รับมาเมื่อครั้งก่อนแม้แต่คนเคราะหร้ายคนเดียวนั้นก็ยังคงอาการเดิมเพียงแค่บาดแผลที่เจ็บไม่มีอาการแทรกซ้อนประเภทหายใจไม่ออกแต่อย่างใดเสียงสั่งการอาจได้ยินไม่ทั่วถึงกอกับแนวถอยแบบต่างคนต่างถอยไม่เป็นรูปขบวนหลายคนจึงไม่ได้ยิน คนข้างเคียงจึงต้องสื่อคําสั่งไปให้รู้เพราะหน้าหน่วยจรยุทธ์หยุดยืนพิจารณาจุดที่ M14 ทํางานอย่างคลุ่นคิดสลับกับการมองกลาดสารวจลูกน้องบาดเจ็บคนเดียวบาดแผลธรรมดาไม่มีสารเคมีพิษสหายหยุดอยู่กับที่ก่อนทุกคนอยู่อยู่กับที่สร้างการกครั้งเมื่อเห็นลูกน้องคนบาดเจ็บยังสามารถรอดชีวิตอยู่จนถึงเวลานี้สายตาที่เพ่งมองอาการของคนเจ็บยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยจากสารเคมีพิษจริงๆหน่วย8 8ดเรียกบอกยี่สเรียกบอกยี่สเปลี่ยน บอกอยสองทราบแล้วรายงานเหตุการณ์ได้เปลี่ยนหน่วยของเราถูกกับระเบิดศัตรูบาดเจ็บหนคนบาดเจ็บหนคนเปลี่ยนระเบิดแบบไหนคอยสายแจ้งรายละเอียดพร้อมอาการคนเจ็บด้วยเปลี่ยนกับระเบิดแบบ M14 ที่ศัตรูชอบใช้ยังไม่รู้เป็นระเบิดสารเคมีพิษหรือไม่คนเจ็บมีบาดแผลที่พื้นเท้าอย่างที่เคยโดนมาแล้วนั่นแหละคอยสายแนะนําวิธีป้องกัน ร, ระเบิดสารเคมีพิษให้กับเราด้วยเปลี่ยนหน่วยจรยุตแ88กับหน่วย99เป็นหน่วยที่ได้รับคําสั่งให้เข้าปฏิบัติการไล่ล่าศัตรัารบจาง้ง แทนหน่วยปฏิบัติการเดิม3าสหน่วยเนื่องจากถูกศัตรูทําการตอบโต้และต่อต้านแต่ทั้งทุกหน่วยได้รับความบอบช้ําชนิดถึงขั้นละลายหมดทั้งหน่วยส่วนที่เหลือรอดชีวิตต่างก็หมดสภาพทางการรบไป ต, ตามๆกันแม้บางคนจะยังคงร่างกายที่สมบูรณ์อยู่แต่ทว่าไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับร่างนั้นมันก็คงไม่ต่างอะไรกับคนบาคนวิกลจริตทุกคนมีอาการจิตหลอนวาดผวาหวาดกลัวไปเสียทุกสิ่งทั้งนี้เนื่องมาจากได้รับความกดดันทางจิตใจยังรุนแรงนั่นเอง ความตายความสยดสยองความทารุณที่ทับถมกันเข้ามามันเฮี้ยมเกรียมเกินกว่าความแข็งแกร่งยังเวียดกงจะรับได้บทเรียนทุกอย่างทุกขั้นตอนที่หน่วยจราญุษ์ชุดก่นกอนๆทุกชุดโดนมาแล้วนั้นบอกกควบคุม22ต้องแจ้งให้หน่วยที่เข้าปฏิบัติการสืบทอดภารกิจรับทราบและต้องทราบอย่างละเอียดด้วยในกรณีนี้ก็เช่นกันที่หน่วยจรยุทธ์88และ99เข้าสืบทอดภารกิจซึ่งในตอนแรกก็ทราบขีดความสามารถของศัตรูมาบ้างพร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆเท่าที่จําเป็น ตอนนี้สาหายทุกคนถอยห่างมาจากที่เราเคยแนะนำไปแล้วหรือยังเปลี่ยนถอยห่างออกมาแล้วประมาณ150เมตรทุกคนอยู่ในที่กำบังเปลี่ยนระยะ150เมตรไม่พอไม่พอให้ส า, หายถอยห่างอีกอย่างน้อย 1,000 เมตรถอยห่างออกไปอีกเปลี่ยนหน่วย88ทราบแล้วถอยห่างอีกเปลี่ยนหัหน้าหน่วยจุลยุทธต้องสั่งการอีกครั้งคราวนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะักเพราะเริ่มมั่นใจแล้วว่าไม่มีสารเคมีพิษอีกแนวกำลังที่จัดเป็น3ะระลอกนั้นได้รับการปรับเข้าที่อีกครั้งหัวหน้าหน่วยยังติดต่อวิทยุต่อไปอีก สายหน่วย88คาดว่าที่นั้นไม่มีระเบิดสารเคมีพิษหรอกนะเพราะถ้ามีก็ต้องมีคนที่มีอาการถูกสารเคมีพิษแน่โดยเฉพาะสาหัสที่โดนกับระเบิดต้องมีอาการเป็นคนแรกขอสาหัสชี้แจงแก่นักรบทุกคนให้เข้าใจด้วยก่อนที่สายเหล่านั้นจะขวัญเสียอาการของคนถูกสารเคมีพิษจะหายใจไม่ออกเอามือกุมกระเดือกอาเจียนอย่างรุนแรงจนเป็นเลือดเลือดออกทางปากทางจมูกตามผิวหนังคนเจ็บจะดิ้นทุรนทุรายกระทั่งขาดใจตายไปเองใครที่เข้าไปใกล้ในรัศมีจะถูกสารเคมีพิษนั้นแพร่ใส่ เราก็มีอาการเหมือนคนที่โดนก่อนด้วยตอนนี้สายไม่มีนักรบคนไหนมีอาการอย่างนี้แสดงว่าที่นั่นไม่มีสารเคมีพิษเปลี่ยนหน่วย88ทราบแล้วขอสายแนะนําการปฏิบัติขั้นตอนต่อไปด้วยเปลี่ยนตกลงขั้นแรกให้สายรวบรวมกำลังนักรบแล้วทำการชี้แจงผลงานอีกครั้งว่าพื้นที่นั้นไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวศัตรูก็ยังเป็นศัตรูที่เราต้องสืบทอดภารกิจดับศูนให้ได้ตามบัญชาของเบื้องบน ขั้นต่อไปให้สายเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนที่ด้วยการบกอ้อมพื้นที่ที่มีกับระเบิดนี้เราเข้าสู่แนวทิศเดิมที่ด้านหลังโน้นทุกย่างก้าวของการเคลื่อนที่ต้องระมัดระวังเรื่องกับระเบิดให้มากหากพบกับระเบิดอีกให้ถือหลักปฏิบัติเดิมสําหรับขั้นตอนการโจมตีเมื่อพบศัตรูให้ใช้หลักการโจมตีตามที่บอกเปลี่ยนหน่วย8 8ดทราบแล้วตอนนี้สายพอจะบอกได้หรือไม่ว่าศัตรูกําลังเคลื่อนที่หรือว่ากําลังปฏิบัติการอยู่ที่ไหนเปลี่ยนแน่นอนสายหน่วย88ขณะนี้ศัตรูกลุ่มนั้นเคลืื่่ออออนนนททีีไปงงตอัออกเเฉยห จากที่สายกำลังอยู่เดี๋ยวนี้คาดว่าห่างออกไปได้ห้ากิโลเมตรแล้วเปลี่ยนขอบใจสหา ย, ายต่อไปให้หน่วย8ปสบืบทอดภารกิจนี้ต่อไปได้เลยใช่ไหมเปลี่ยนถูกต้องถูกต้องแต่ก่อนที่สายจะสืบทอดภารกิจเรามีข่าวจากสายหน่วย99ให้ทราบคือขณะ น, นี้สายหน่วย99กําำลังร้องโจมตีเข้าดับศูนย์ศัตรูลาวไอ้หนองที่ภูหมาหอนสายฝ่ายเรากาลังจะได้รับชัยชนะ เรื่องนี้สายหน่วย88ไม่ต้องห่วงขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้เลยสําหรับหน่วยของสหายให้มุ่งหน้าข่าวศัตรูได้เลยเปลี่ยนหน่วย88ทราบแล้วเปลี่ยนการติดต่อวิทยุยจบลงพร้อมๆกับเวียดกงคนบาดเจ็บถูกนําตัวกลับไปยังส่วนหลังที่ภูใหญ่ลูกหึในเขตป่าทึบทางทิศใต้ของสนามบินทุ่งไหอยหินเพื่อรับการรักษาพยาบาลกันต่อไปกําลังคนที่เหลือได้รับการชี้แจงตามที่บกควบคุม22บอกแล้วหลังจากนั้นการเคลื่อนที่จึงเริ่มต้นขึ้นต่อ หลังจากช ง, งักงินเป็นเวลาไปกว่าชั่วโมงขบวนเดินที่จัดเป็นระลอกระลอกทั้ง3ระลอกได้รับการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้สิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดเห็นจะมีอยู่2 อ, อย่างคือกับระเบิดและการซุ่มโจมตีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศัตรูเช่นยุทธวิธีหรือหลักนิยมในการลบขีดความสามารถการสนับสนุนจากหน่วยเหนือหรือหน่วยอื่นๆเหล่านี้หน่วยจลยุทธ์88และ99ได้รับการแนะนำมาจากบอกควบคุม22อย่างละเอียดยิบ ท้งนี้คงเนื่องมาจากการปฏิบัติการที่บ่อยครั้งกระทังเวียดกงเริ่มจับจุดอ่อนได้อีกทั้งการสูญเสียที่ออกจะหนักหน่วงในแต่ละครั้งย่อมเป็นธรรมดาสำหรับการลาบจำดังนั้นหากคิดจะเอาชนะศัตรูกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาแผนระวางแผนกันให้ดีก่อนที่จะลงมือเล่นเกมพื้นที่ภูมิประเทศเมื่อต้องอ้อมสันเนินแทนการตัดตรงขึ้นไปนั้นเวียดกงต้องอยู่ในส่วนที่ต่ากว่าของภูมิประเทศตลอดเวลา หมายความว่าหากมีการโจมตีจากด้านที่สูงกว่าแล้วจะไม่มีทางดําเนินกลยุทธ์ตอบโต้ได้เลยในขณะเดียวกันก็ยังถูกตรวจการเห็นยุตลอดการเคลื่อนที่อีกด้วยยามที่ต้องเสียเปรียบเชิงภูมิประเทศเช่นนี้เวียดก่งแก้เกมด้วยการส่งกําลังส่วนหนึ่งขึ้นไปสำรวจความเคลื่อนไหวเบงสันเนิงหมายกําลังส่วนนั้นจะต้องเสี่ยงกับระเบิดแก๊สพิษก็ตามซึ่งก็ยังดีกว่าที่กําลังทั้งหมดจะต้องตกเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มโจมตีนับว่าการยอมเสียสละกําลังเพียงส่วนน้อยเพื่อรักษากําลังส่วนใหญ่แบบนี้ค่อนข้้างจะไดผล นับเป็นความเสี่ยงที่น่าหนักใจไม่น้อยสำหรับเวทโกงสี่คนที่อาสาขึ้นไปเดินบนสันเนินนั้นหนึ่งในสี่รายงานเหตุการณ์ลงมาให้หัวหน้าหน่วยที่ตีเนินทราบโดยการตีมือเป็นสัญญาณพบกระป๋องอาหารก้นบุหรี่กองไฟสองกองยังมีควันยังร้อนที่นี่ลูกน้องคนหนึ่งอ่านสัญญาณมือนั้นดังๆให้หัวหน้าหน่วยได้ยินรวมทั้งคนข้างเคียงด้วยข้างบนตีสัญญาณมือลงมาอีกข้างล่างก็อ่านอีกไม่มีกับระเบิด ไม่มีศัตรูตรวจพบเส้นทางเคลื่อนที่ของศัตรูไปทางตะวันออกเฉียงเหนือข้างล่างตีสัญญาณมือตอบไปบ้างเป็นคำสั่งสําหรับการปฏิบัติแก่ชุดรัตะเวนทั้งสี่คนนั้นตามรอยศัตรูไปทางตะวันออกเฉียงเหนือระวังกับระเบิดพื้นที่ซุ่มโจมตีรายงานมาให้ทราบทุกๆุกระยะไปได้ เป็นอันเข้าใจกันระหว่างหน่วยรัตะเวนบนสันเนินกับกำลังส่วนใหญ่ที่ตีนเนินเวียดโกงสี่คนเริ่มเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศที่เห็นร่องรอยนั้นทันทีความคุ้นเคยต่อภูมิประเทศช่วยให้เพียงการกำหนดแนวทิศที่แม่นยำขึ้นเท่านั้นส่วนการรักษาความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเวียดกงยังทำไม่ได้ดังนั้นหน่วยจรยุทธ์จึงต้องเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆในยามที่เครื่องบินประเภทตรวจการแบบโอวีสิบจำนวนสองเครื่องมาบินอยู่ตรงเหนือหัวอีกด้วยแบบนี้ เียดกงก็ต้องเข้าไปอาศัยรบกำบางตามใต้ต้นไม้ทั้งๆที่ไม่อยากเข้าไปเพราะเสี่ยงต่อกับระเบิดความเร็วที่ไม่มีเมื่อมาเจอเขากับเครื่องบินตรวจการ์อีกก็เลยต้องช้าหนักขึ้นทำอะไรไม่ถนัดคิดอะไรก็ไม่เคลียร์หัวหน้าหน่วยจรยุทธ์จึงตัดสินใจวิทยุเรียกบอกกอควบคุม22อีกครั้งโดย88เรียกบอกกอร 22, เรียกบอกอยีดีแล้วตอบด้วยเปลี่ยนบอกอร 22, ทราบแล้วรายงานเหตุการ์ได้ ตอนนี้มีเครื่องบินตรวจการของศัตรูแบบโอวีสิบจำนวนสเครื่องมาบินวนเวียนอยู่บนเหนือหัวเราเดี๋ยวนี้สายบอกอย2่มีแผนการดับศูนย์มั้หรือไม่เปลี่ยนตกลงสายหน่วยแปดสิบแเรื่องแผนการดับศูนย์ศัตรูหรือไม่เป็นเรื่องของเบื้องบนที่สายไม่ควรรู้สายรายงานมาซิว่าเครื่องบินของศัตรู2เครื่องนั้นบินอย่างไรบ้างเปลี่ยนวิ่งกงมักใช้มาตรการปิดลับด้วยการให้แต่ละหน่วยแต่ละคนรู้เพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนจริงๆเท่านั้นเรื่องของหน่วยอื่นจะไม่มีทางรู้เปน็นอันขาด ทั้งนี้และทั้งนั้นบอกอควบคุมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานให้เองส่วนเหตุการณ์รายละเอียดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นหน่วยรองจะต้องรายงานให้บอกอหรือเบื้องบนทราบทุกระยะนี่คือหน่วยจรยุทธ์88ที่เป็นหน่วยในบังคับบัญชาจึงไม่มีสิทธิถามนอกจากรับคําสั่งและปฏิบัติตามเท่านั้นหน่วยแปดสิทราบแล้วเครื่องบินของศัตรูบินเป็นวงกลมอยู่ตรงกับเราพอดีเหมือนกับจะค้นหาที่ตั้งของเราอย่างนั้นแหละ อยากทราบภาษาจะให้เราหลบเข้ากำบังก่อนร้อยศัตรูจากายแล้วจึงค่อยเคลื่อนที่ต่อหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนตกลงสายหน่ว ย, ยิ22ให้ทุกคนหลบการตรวจการของเครื่องบินศัตรูนี้ก่อนให้สายนักบทุกคนหลบเข้าที่กำบังก่อนเปลี่ยนคาสั่งนั้นได้รับการสื่อต่อทันทีเบียดโกงใช้ความชมํชมนานิชํานาญเข้าอใาสา่หลบตามภูมิประเทศเพื่อรอดผลจากสายตาหรืออุปกรณ์การตรวจการประเภทกองส่องจากศัตรูบนเครื่องบินนั้นกรณีที่ศัตรูอยู่บนฟ้าเช่นนี้คนที่จะหลบ จะต้องกำบังมิดชิดด้านบนเป็นหลักวัสดุสะท้อนแสงทุกชนิดต้องปิดมิดหาไม่แล้วอาจเกิดการสะท้อนจากดวงอาทิตย์ได้ OV10 ทั้งสองเครื่องยังไม่มีท่าทีว่าจะลดความสูงลงไม้เห็นไกลๆของเนื่องมาจากเข็ดจรวดแซม7นั่นเองนักบินที่ได้รับรายงานจากนักล่ารับจ้างให้ขึ้นทำการตรวจการและค้นหาให้นั้นงานนี้จึงเป็นเรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายต่างรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกันแลกัน นักข่าวรับจ้างยังไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าอันพิกัดที่ตั้งของพวกตนนั้นเมื่อรายงานถึงบอกอที่สถานทูตในเวียงจันทร์แล้วหน่วยบอกอควบคุม22ของเวียดกงก็มีโอกาสรู้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากการติดต่อสื่อสารนี้ต้องผ่านเครื่องถ่ายทอดที่สนามบินทุ่งไหหินและเครื่องถ่ายทอดนี้เองทหารลาวอ้ายน้องตัวเป็นลาวใจเป็นแก้วมันรายงานให้นายเหนือหัวบอกอควบคุม22ทราบถึงไม่เป็นการแปลกอันใดเลยที่บอกอควบคุม22 จะรู้ความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ทุกระยะฝีกาวแผนการที่ปฏิบัติไปแล้วและแผนการที่จะต้องปฏิบัติในอนาคตทุกแผนการล้วนถูกบันทึกลงในแผนซ้อนแผนของบอกอควบคุม22แล้วหมดสิน้นคําสั่งจากบก22คําสั่งจากบก22ให้สายหน่วย88หยุดอยู่กับที่ย้ายเครื่องบินตรวจการของศัตรูทั้งสองเครื่องหนีตรวจพบเราเป็นการคาดคาดว่าเมื่อตรวจไม่พบแล้วศัตรูบนฟ้าจะรายงานศัตรูบนพื้นดินได้รู้ว่าไม่มีสายนักรบของเราอยู่ที่นี่ นั่นก็หมายความว่าศัาตรูของเราจะไม่ระวังตัวมากนักโอกาสของเราคงมีนสหายท้ายประโยคของบอกควบคุม22ที่ออกจะแปลงไม่รู้ว่าพอใจหรือเสียใจความสูญเสียที่ผ่านไปกับการได้แก้แค้นยังไม่รู้ว่าอย่างไหนจะฝังความรู้สึกกว่ากันแผนที่ของบอกควบคุม22วางซ้อนคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยจรยุทธ์88เท่านั้นที่ต้องปฏิบัตินี่ยังมีอีกไม่ต่ำกว่าสาหน่วยจรยุทธ์ที่กําลังมุ่งหน้าสู่พิกัสศัตรู การครั้งนี้บอกอควบคุม22รู้ดีว่าจะผีผ่ามไม่ได้โดยเด็ดขาดการลุกเข้าอย่างทันทีทันใดแบบที่เคยทำมาแล้วนั้นต้องระงับศัตรูที่ไม่ยอมให้เข้าใกล้กับอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพเรื่องนี้ต้องหามาตรการแก้ไขก่อนให้ได้ตอนที่4บอกอ22เรียกหน่วย99เรียกหน่วย99ทราบแล้วตอบด้วยเปลี่ยนหน่วยจรยุทธ์99 เป็นอีกหนึ่งหน่วยในจํานวน2หน่วยทําหน้าที่เป็นหัวหอกในการเข้าโจมตีศัตรูครั้งนี้ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้หากเปรียบกับของฝ่ายสาหรัฐแล้วก็คือส่วนปฏิบัติการหลักนั่นเองเมื่อมีส่วนเข้าปฏิบัติการหลักเช่นนี้ของต้องมีหน่วยจรยุทธ์ที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือเป็นส่วนเสริมอีกอย่างแน่นอนบกควบคุม22ที่ทําหน้าที่ประสาน2หน่วยจรยุทธ์นี้เข้าด้วยกันและเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันจึงเป็นหน้าที่ของบกควบคุมจะต้องสั่งการเอง การที่บอ ก, กอควบคุม22จะต้องเรียกหาก็เพราะมีความจําเป็นบางประการเกี่ยวกับผลคืบหน้าในการปฏิบัติภารกิจหลังจากที่สั่งการไปแล้วตั้งแต่หน่วยนี้เริ่มเคลื่อนที่ถึงพื้นที่สืบทอดภารกิจหน่วย99ทราบรับเปลี่ยนให้สหายหน่วย99รายงานผลคืบหน้าด้วยเปลี่ยนตกลงสหายตอนเนี้เราดับศูนย์ศัตรูทาราหารลาวไอ้น้องได้แล้ว4ศพฝ่ายเราใช้กําลังเพียง8คนเท่านั้นทําการโจมตีส่วนกําลังที่เหลือทั้งหมดวางไว้ที่วงนอกระยะ 400-500 เมตร สำหรับสกัดการศัตรูที่จะแหวกวงร้อมหนีคาดว่าจะสามารถรเผด็จศึกได้ในอีกไม่นานนี้เปลี่ยนการวางกําลังของศัตรูเป็นไงบ้างเปลี่ยนศัตรูที่เหลืออีก36คนใช้การฝังตัวอย่างเหนียวแน่นหลังที่กาําบังพวกมันป้องกันแบบเป็นวงกลมทําการยิงรอบตัวฝ่ายเรากําลังหาทางลุกเข้าใกล้แล้วจะบีบให้ศัตรูจากที่กําบังเดิมให้ได้เปลี่ยนภูมิประเทศเป็นไงเปลี่ยนเป็นป่าโปรง่งมีไม้จำนวน ก, ก่อรวปสลับไม้ยืนต้นมีไม้พุ่มบ้างเล็กน้อยความสูงของพื้นดินเท่ากัน ฝ่ายศัตรูได้เปรียบพอใช้วิธีการตั้งรับแต่ไม่เป็นไรเพราะฝ่ายเรามีกําลังการโจมตีมากมายกว่าพวกมันหลายเท่าเราสามารถลุกเข้าไปได้หลายระลอกสามารถเข้าประชิดตัวศัตรูได้อีกเร็วๆนี้เราจะจัดการให้เปลี่ยนช่องทางบังคับให้ศัตรูถอนตัวเตรียมไว้แล้วหรือยังเปลี่ยนเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเรากัดจะลุกไล่ศัตรูให้ลงไปทางหุบทางใต้ของภูหมาหอนแห่งนี้เปลี่ยนที่หุบนั้นเตรียมสายนักรบของเรารอไว้หรือยังเปลี่ยนแน่นอนสหายกําลังทั้งหมดที่เหลือเข้าที่พร้อมแล้วเปลี่ยน ดีมากดีมากสายขอสืบทอดภารกิจต่อไปเปลี่ยนสาย22เรื่องศัตรูในภารกิจนั้นตอนนี้มีข่าวพวกมันบางไมเปลี่ยนพอมีพอมีตอนนี้คาดว่าอยู่ห่างจากสายหน่วย99้าสาไปทางตะ ว, วันตกประมาณ4ีถึงห้ากิโลเมตรสายหน่วย99ยังไม่ต้องห่วงขอสืบทอดภารกิจดับศูนย์ฐานลาวไอ้น้องพวกนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนแล้วเราจะสั่งการต่อไปเปลี่ยนหน่วย99ทราบแล้วเปลี่ยนดีมากสายหน่วย99ขณะนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างเปลี่ยนยังตึงกําลังกันอยู่ การยิงเนี่ยไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วฝ่ายทหารไอ้น้องเรายังปากหลักนิ่งอยู่ที่กำบังเดิมส่ายนักลบฝ่ายเรากำลังปรับแนววางตัวหาแร่งกำบังเพื่อให้ระลอก1ทําทำการยิงส่วนระลอก2กับระลอก3พร้อมแล้วคาดว่าสิวถึง1 5นาทีข้างหน้าเนี่ยทั้ง3ร ะ, ะลอกคงพร้อมเปลี่ยนดีมากสาย99ตอนนี้บริเวณที่สายอยู่มีเครื่องบินตรวจการของศัตรูไปบินวนเวียนอยู่หรือไม่เปลี่ยน ไม่มีไม่มีแต่เท่าที่ได้ยินเสียงรู้สึกว่าจะมีบินอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่รู้เหมือนกันว่าศัตรูพวกนั้นบินทําอะไรเปลี่ยนถูกต้องแล้วสหายหน่วย99ที่ที่เครื่องบินศัตรูกําลังบินอยู่นั้นที่นั่นมีหน่วยสหายนักรบของพวกเรากําลังสืบทอดภารกิจอยู่ศัตรูในภารกิจของเราเป็นคนเรียกเครื่องบินพวกนั้นมาเพราะสหายฝ่ายนักรบของเราไปเหยียบกับระเบิดของมันเข้ามันอยากรู้เรื่องกําลังของสหายนักรบฝ่ายเราจึงสั่งเครื่องบินให้ขึ้นตรวจการให้ เรื่องนี้ไม่เป็นไรเพราะเราสั่งการให้สายนักรบหน่วยนั้นเข้าที่กำบังหมดแล้วคาดว่าศัตรูของตรวจการไม่พบสำหรับของสหายหน่วย99ศัตรูในภารกิจรู้การเคลื่อนไหวแล้วว่ากำลังประท้อยู่กับศัตรูทหารลาวไอ้น้องแต่ศัตรูในภารกิจไม่สนใจทหารลาวไอ้ายน้องพวกนี้จึงพากันเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เนินลังกาหนึ่งและทราบว่าบอกศัตรูที่เวียงกันรมีแผนจะส่งกําลังทหารลาวอ้าน้องจํานวนหนึ่งเข้าเสริมที่ที่สหายกําลังโจมตีอยู่นี้สายหน่วย99 มีแผนรับมือทหรอร า, ารลาวไอ้น้องที่จะมาเสริมนี้อย่างไรเราหรือ ย, อยังเปลี่ยนยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมเลยสหายเปลี่ยนน่าจะเตรียมได้แล้วนะสหายเปลี่ยนไม่เป็นไรขอประเด็ตศึกทหารลาวอ้าน้องนี้ก่อนเราค่อยเตรียมเรื่องนั้นก็ได้ว่าแต่สหายจะไม่ใช้อาวุธของเราดับศูนย์เครื่องบินที่บินมาเสริมกํบบาลังพวกนี้เหรอเปลี่ยนแ <perde Email> น่นอนสหายถ้ามีโอกาสนะเปลี่ยนหมายความว่าเวีแกงยังไม่เลิกที่จะใช้จรวด37พิชิตเครื่องบินของฝ่าย อ, อเมริกาถ้ามีโอกาสโอกา ส, กาสที่ว่าก็คือ เครื่องบินลดความสูงของตัวเองลงมหาแซมเจ็ดนั่นเองบอกอควบคุมยี่บสองเสร็จจากวิทยุกับหน่วยจรยุทธ์9 9แล้วจัดการเรียกสั่งการไปยังหน่วยควบคุมเจสิบเจ็ดที่มีภารกิจหลักคือล่าสังหารเครื่องบินทุกชนิดที่กลามกลายเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการจากข่าวสารที่ได้รับจึงรู้ว่าบัดนี้ศัตรูที่บอกอหน่วยเหนือสั่งการให้ดับสูนนั้นกาลังเคลื่อนที่ไปไหน นับเป็นการดีที่ศัตรูกลุ่มนี้ไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับทหารลาวอ้าหน้องหรือจะเป็นมารยาทที่รู้ว่าหมูจะหามจึงไม่ควรเอาขานเข้ามาสอดหากไม่แล้วหน่วยจรยุทธ์99คงต้องพบข้อยุ่งยากอย่างมากมายเพราะกริดติสับการปฏิบัติการที่รุนแรงและแน่นอนของศัตรูในภารกิจกลุ่มนี้เวียดกงตั้งพากันคลั้่งขามทุกครั้งที่มีการประทะเมื่อไม่รู้ว่าเป็นใครก็อาจจะไม่รู้สึกใดๆแต่พอรู้แน่ ว, ว่าเป็นใครเท่านั้น บางคนถึงกับจับไข้หัวโขนเอาเสียงง่ายๆด้วยความกลัวตายเวียดกงเองนั้นไม่เคยหวาดเกรงทหารลาวไอ้หนองแม้แต่น้อยเกมที่กําลังดําเนินอยู่นี้แม้จะรู้ว่ามีกําลังของฝ่ายตรงข้ามอีกจำนวนหนึ่งจะเคลื่อนที่มาเสริมหน่วยจรยุทธ์99ก็ยังไม่หวัน่นแถมบอกอีกว่าพร้อมแล้วสําหรับการเปิดสึกอีกด้านหนึ่งทหารลาวไอ้หนองจํานวน30คนยอดเดิมกับเวียดโกงยอดเดิม60คนสึกนี้เวียดกงใช้กําลังเพียง12คนเข้าหมายบทขยี ฉากการรบที่ว่านั้นเริ่มมาตั้งแต่ตอนตีหกว่ากว่ากระทั่งเดี๋ยวนี้เลย9ก้าโมงเช้าไปแล้วแนวโน้มว่าเวียดกงจะเป็นฝ่ายกรรมชัยชนะเมื่อทหารลาวไอ้หนองต้องหมดสภาพไปแล้ว6คนที่เหลือขณะ น, นี้มีแต่การกบดันนิ่งรอรับมือศัตรูที่จะบุกเข้าหาแบบตั้งรับกับการรอโอกาสและช่องทางการถอนตัวออกจากพื้นที่การสู้รบเท่านั้นเองไม่ได้มีความคิดที่จะเป็นฝ่ายดําเนินกลยุทธ์หรือสร้างปัญหาให้แก่ศัตรูแต่อย่างใดนี่คือการรบระหว่างแก้วกับลาว แมวกลัวหมามาตั้งแต่เกิดอย่างไรเราก็กลัวแกวอย่างนั้นจนกระทั่งเกิดภาสิทธ์ขึ้นมาว่าหมากับแมวแก้วกับเราข่าวสารที่บกควบคุม22ให้มาหนั้นจําเป็นอยู่ดีที่หน่วยจรยุทธก9าจะต้องรีบเล็งกระทำการอะไรสักอย่างแม้จะรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าทาหารลาวไอ้น้องกลุ่มนี้ไม่เกินขีดความสามารถแน่แต่ความไม่แน่ใจในศัตรูกลุ่มในภารกิจยังมีอยู่ยอมเป็นไปได้ถ้าหากหน่วยเหนือของทหารลาวอ้าน้องชุดนี้จะสั่งการให้พวกเขา กลับมากอบกู้สถานการณ์ให้ดังนั้นหัวหน้าหน่วยจรยุทธ์จึงสั่งเร่งแผนทันทีส่วนนําในการเข้าตีหลักที่ยุทธวิธีคอมมอนิสต์เรียกว่าระลอกแรกทําการโหมยิงทันทีต่อเป้าหมายที่จับตาดูมาตั้งแต่เริ่มสว่างอาวุธที่มีอากากับ R ารพีจีเป็นหลักต่างแผดเสียงคํารามลั่นสะนั่นป้าเขาอีกครั้งกินดินระเบิดตลบอบกวนไปทั่วแรงสั่นสะเทือนทําให้กิ่งไม้ไหวโยวบยาบสลัดใบล่นลงพื้นกล่าว เศษดินเศษหินเศษไม้กระเด็นกระดอนปลิวว่อนกระทบต้นไม้เสียงดังซาดซาแต่กระทบคนกลับดังโอยโอยฐานเหล่ า, าอ้าน้องมีหลายคนเพราะดีหน่อยก็แค่บาดเจ็บส่วนที่หนักคงต้องถึงแก่ชีวิตเสียงร้องครวญครางดังระงมเวียด ก, กงะระลอกแรกซาดกระสุนหนักขึ้นเมื่อผลการยิงชุดแรกทําให้ฐานเหล่ า, าอ้ายน้องหลายคนขยับขยายหานแหล่งกําบังใหม่เวียด ก, กงแม้จะใช้กําลังเพียงสิบสองคนแต่ระยะเคียงห่างกันค่อนข้างมาก สามารถทําเป็นแนวปีกโอบด้านหน้าของแนวปะทะได้ทาหาเ ร, ราวไอ้น้องที่คิดว่ารอดจากวิธีการยิงกองหน้าแล้วกลับต้องไปเจอเเจอเอากับวิธีการยิงทางด้านข้างเข้าอีกผลที่ตามมาก็คือบาเอดเจ็บหรือไม่กระหล่ำตายนั่นเองเวียด ก, กงเริ่มยิงหนักขึ้นอีกซึ่งก็เท่าๆกับความสูญเสียที่ฝ่ายเราต้องได้รับเพิ่มพอบอลหมดทหาเ ร, ราอไอ้น้องไม่รู้คิดอย่างไรกับการรบครั้งนี้ ที่แกเล่นสั่งลูกน้องให้กบดันนิ่งไม่ให้ยิงตอบโต้เพราะเกรงว่าจะทําให้การเปิดเผยที่ตั้งความจริงความคิดนี้เกือบจะถูกต้องอยู่เหมือนกันแต่มันผิดพลาดตรงที่แม้ไม่ยิงแต่ยังขยับตัวให้เห็นเสีย อ, อีก แ, แล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนถ้าหเราไอ้น้องถึงคราวที่ต้องขวัญหนีดีฟอเมื่อเห็นเพื่อนคนแล้วคนเราต้องมีอันเป็นไปความกลัวที่ฝังใจมาตั้งแต่กําเนิดเริ่มมีอาการมากขึ้นหลายคนถึงกับร้องเสียงหลงด้วยความประสยดสยอง กล่าวที่เพื่อนคนข้างเคียงต้องดิ้นอดโอยทุลมทุลายก่อนสิ้นใจไปต่อหน้าเวียโกงระลอกแรกหยุดยิงอย่างฉับพันเมื่อเสียงนกวีดสัญญาณดังขึ้นทหารราวไอ้น้องทุกคนรู้จักมักคุ้นกับสัญญาณ น, นี้ดีดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่บางคนถึงกับเย่อราดเกิดอาการหน้ามืดตามหมวัวกระแสลมปราน ป, นปลุนแปลยังกระทันหันระลอกแรกหยุดเพียงไม่ถึงเสี้ยววินาทีกับความพร้อมที่เตรียมการไว้แล้วเวียโกงระลอกสองที่ห่างไปทางด้านหลังของร ะ, ะลอกแรกเพียงไม่ถึงสาสิบเมตร กระส่คมกระสุนเข้าต่อทันทีนับเป็นการสืบทอดอํานาจการยิงได้อย่างต่อเนื่องที่สุดระลอกสองที่วางตัวเหมือนสลับฟันปลากับระลอกแรกถือโอกาสใช้ช่องว่างของเหยื่อโจมตีหลบจากระลอกแรกได้เป็นอย่างดีผลที่ตามมาก็คือทาหารลาวอ้ายน้องอีกจํานวนหนึ่งต้องพบการราอว่าปากมีการขยับขยายที่กําบังอีกครั้งตามสัญชาตญาณระลอกสองยิงหนักขึ้นอีกเป็นเท่าตัวอากาศทุกระบอกใช้ชุดยาวทาั้งซ้นยิงเสร็จถอดแม็กทิ้งแล้วบรรจุใ ห, ใหม่อ ย, ย่างย่ำใจ ในเมื่อไม่มีการตอบโตออกมาจากศัตรูที่เอาตลบ ก, กำบังแบบนี้ใครๆก็ชอบสัญญาณนกหวีดดังขึ้นอีกครั้งทหารลาวอ้าน้องถึงกับขนหัวลุกการปฏิบัติการของเวียดกงคือระลอกสองยุดยิงอย่างทันทีทันใดความเงียบรากฏอีกครั้งคงเหลือแต่เสียงโอดครวนของเยื่อโจมตีที่ดังระงมยุ ก, กับเสียงกระซิบกระซาบสอบถามกันว่าจะเล่นเกมชีวิตนี้ต่อไปยังไงดีก็อพอมีเหมือนกันกันกบเสียงตอบใจจากเพื่อนคนเจ็บเพื่อนก็เป็นเพียงให้รอไปก่อน จนกว่าหน่วยเหนือจะส่งกำลังมาสนับสนุนให้แต่ลําพังพวกเดียวกันเองแล้วไม่มีทางทําอะไรได้เลยอันนี้ต้องขอเสียใจด้วยเสียงวิกฤตยาวสองครั้งดังขึ้นอีกครั้งทหารเหลาไอ้ายน้องถึงกำลับตาปี๋กดหัวกดล่างให้ต่ําลงไปอีกเหมือนจะแทรกลงไปให้ถึงพื้นพิภพนั่นแหละซึ่งเสียงสัญญาณครั้งนี้ทหารเหลาไอ้าน้องร้องเสียงหลงแม้ไม่ได้ถูกคมอาวุธก็ตามกระสุนเล็ทั้งอากา r p g แลนเชียบผิวแผ่นหลังจนรู้สึกถึงความร้อนนั้น นนเป็นการยิงจากแนวของเวียดโกงที่ระยะ30สิบเมตรข้างหน้านี่เองพระเจ้าช่วยเวียดโกงระลอกแรกที่เงียบการยิงไปนั้นกระทําการลุกข้อหาศัตรูตอนที่ระลอกสอระดมยิงนั่นเองทหาเราอ้ายน้องถึงกับชาไปทั่วไข่ายสันหลังมอเห็นความตายรอยลิบหลีอยู่แค่ปลายมือเอื้อมการยิงคราวนี้แม้ไม่เพิ่มปริมาณจากครั้งก่อนแต่ดูเหมือนอํานาจการทําลายหลางจะมากกว่าใลายเท่าตัวด้วยเพราะมันเป็นการยิงที่ระยะใกล้เข้ามาเกือบเท่าตัวเมื่อเทีเเทยบกับครั้งก่อน เสียงที่แผดแหลมกับเสียงระเบิดทีกึกองทําอาหลายคนถึงกับผวาเมื่อถึงคราวใกล้อับจนจริงๆความกลัวที่มากจนประสาทแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่นั้นก็กลายเป็นความกล้าได้นี่คือส่วนหนึ่งของสังตานที่แท้จริงของสัตว์โลกหรือที่เราเรียกกันว่าหมาจนตรอกนั่นเองหมูเฮาสยานอยางมากแดกดึกมันโลด ถ้าหาดเราไอ้น้องคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าร้องตะโกนออกมาด้วยความกล้าหาญจริงๆในขณะที่สติยังปกติอยู่หรือว่าด้วยความกลัวที่อัดอันเก็บกดมานานก็สุดจะดา่าร้องสั่งทุกคนไม่ต้องกลัวระเบิดสังหารจงคว้างใส่จงคว่างใส่ MK2 ที่เกิกเหมือนน้อยหนากว่าสิบลูกระเบิดตัวเองขึ้นหาดเราไอ้น้องที่ขวัญจะเติรกระเจิงนั้นคว่างออกไปด้วยความเคยชินหรือสติช่วงสุดท้ายที่เหลือเราก็ได้ทุกคนกระทำเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น ระยะกว้าง30เมตรความจริงนั้นสามารถที่จะจัดความแม่นยำได้หากมีความตั้งใจจริงแต่การคว้างคราวนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าดังนั้นหลุมระเบิดจึงสเปะ ส, ส ป, ป่าอย่างไร้ขอบเขตเวทโกงกระยิมยิ้มอยู่ในใจที่เห็นอาการเล่นเหมือนเด็กซนของทหารลาวอ้าหนอมบระจงใา่กระสุนอาก้าเข้าใส่จุดกำบังที่น้อยหนา่าเหล็กลอยออกมา ท, าทันทีได้ผลบ้างเป็นบางจุดที่ไม่ได้ผลก็มีเพราะกำบังแข็งแรงเกินอำนาจกระสุนดึกอีกดึกไปอีกอยาสยานมัน ไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่อีกเมื่อถึงคราวต้องสู้หานเราไอ้น้องคนเดิมที่ไม่ใช่หัวหน้าหรือพอบอหน่วยตะโกนร้องบอกเพื่อนให้คว้างระเบิดต่อไปซึ่งก็ได้ผลเมื่อ MK สองชุดที่สองตามไปติดตดหลังเสียงร้องสั่งของเพื่อนนั้นแต่ถึงคราวที่กองทัพจะเกิดวีรบุรุษขึ้นมาอาตีเวทโกงจับเสียงสั่งนั้นได้ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดคราวนี้นับว่าโชคช่วยเมื่อมันเองย้ายจุดยิงออกสายไปไม่มากก็สามารถแหวกไม้พุ่มให้เส้นเหล่งรอดผ่านได้ใช้เวลาไม่นาน เดยจัดการต่อการเลงอย่างประณีตผนที่ตามมาเมื่อสิ้นเสียงระเบิดจรวดขนาด40มิเมตรก็คือเสียงร้องของคนกับร่างที่เห็นเต็มตากระเด็นร้อยออกมาเหมือนถูกยักษ์เตะสุดปัญญาที่เพื่อนคนใดหรือแม้แต่เทวดาจะช่วยสิ่งที่เห็นอย่างเต็มตาก็คือร่างของวิรับุรุษชาตินครบหล่นกระแทกพื้นดินดังตบุบเราแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่คิดตะเกียกตะกายหนีหน้าไปไหนทหาราวไอ้น้องอยากจะร้องไห้แต่เวียดกงกลับตรงกันข้าม เมื่อบางเวียดกงส่งเสียงแหกปากโค้รล้อย่างขำขันยังสำรวจไม่ได้ว่าบัตรนี้ทหารเราอ้าน้องยังเหลืออีกเท่าไหร่ที่พอจะทําการลบได้แม้แต่ทิศพาดไปนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตายกับบาดเจ็บเป็นอย่างแล้วเท่าไหร่กันแน่การยิงของเวียดกงยังไม่ทุเลาเช่นเดียวกันกับฝ่ายเราก็ยังคงรักษาระดับ MK2 อยู่ในเมื่อระเบิดไม่มีความแม่นยําแต่อา AR า RPG แม่นอย่างกับจับวางเช่นนี้อะไรจะไปเหลือ อ, อ้โดนเถอะโดนอยู่ไปรได้โดน ดูจะเป็นทางออกสุดท้ายที่ฝ่ายทหารลาวไอ้ายน้องมักยึดถือเป็นหลักปฏิบัติลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่หัวหน้าหรือผ อ, อชุดร้องบอกพวกให้หนีเป็นดังนี้หลายคนจึงเริ่มขยับขยายที่ทางมองซ้ายมองขวากันให้เลิกลากไปหมดโดยไม่คิดจะต่อต้านอำนาจการยิงจากเวียดกองนั้นอีกเวียดกองรู้แล้วว่าลาวไอ้ายน้องชอบลบอย่างไรแม้ไม่รู้เรื่องภาษาแต่ก็พอมองสถานการณ์ออกดังนั้นไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งการอะไร อากา RPG, ร์พีจรวมทั้งระเบิดสกระเบิดจำนวนหนึ่งจึงศาสเข้าใส่แนวไอเลือกรักนั้นชนิดที่เรียกโดวยว่าไม่มีการปลาณีปลาัยกันอีกแม้แต่ น, อน้อยตอนที่ 5, ห้าทหารลาวไอ้นองเตรียมตัวหนีเต็มที่ในขณะเดียวกันเวยกงก็เตรียมเสกสายได้ส่งเต็มที่พอๆกันปริมาณการยิงชนิดเลือกยิงข้างเดียวต่อเป้าหมายตอนโผล่ไปทางด้านหลังนั้น เวียดโงบอกว่ามันจริงๆเราไอ้น้องล้มลงแน่นิ่งไม่ไหวติงก็พอสิ้นแล้วซึ่งลมหายใจแต่ที่ยังดิน้นรนกระเสือกระสนได้ก็คือยังไม่ตายนั่นเองเวียดโงฉลาดพอที่จะละเว้นร่างที่หลายสภาพความเป็นคนนั้นก่อนแล้วจัดการเบรนลำกล้องอาการ์อาร์พีจีเข้าหาร่างของคนที่กําลังวิ่งหนีความตายที่ระยะห่างไปก่อนเหมือนมัตจุราตที่จองพยาบาทเวียดโ ง, งส่ายกระสุนตามหลังไปอย่างบ้าคลัง่งจากการยิงของกําลังทั้งสองระลอกทหารเราไอ้น้องเกือบ20สิบคน ชาร์จตัววิ่งซิกแซกหลบตามกำบังพุ่มไม้บางไม้สนสามใบไม้เกี่ยงหรือแม้แต่ซุ่นสาบเสือบางไม่ได้คิดหรอกว่าจะใช้กำบังกระสุนหรือกำบังสายตาคนผลจึงออกมาเหมือนเดิมเหล่าไอ้าหนองพลาดทาถูกกระสุนจับเข้าตามแผ่นหลังดินพวดพลาดเป็นปลาถูกๆุหัวไปอีกสองถึงสามคนงานนี้ไม่มีการปล่อยแน่เมื่อเวดโก่งใช้แผนลูกไล่ตามไปอย่างกระชั้นฉิดเหล่าไอ้หนองตั้งหน้าตั้งตาวิ่งลูกเดียวตามเส้นทางราดลงฝุง อาก้าอาร์พีจีตกหลังแล้วเลยไปดักนาเสียงระเบิดตุมตามก็กุ้มควันข้ามมงฉงเฉกหรือแม้ตะกิ่งไม้จะล้มและเนรนาายามทานแรงอัดระเบิดไม่ไหวลาวไอา้น้องไม่สนใจตัดสินใจวิ่งคามหรือไม่ก็ล้มตัวหมดรอดออกไปจนได้เสียงภาษาลาวที่สั่งเร่งเพื่อนให้เร็วขึ้นมาเห็นบางคนยังล้าหลังมากนักมีใหญ่ว่าอาก้าอาร์พีจีจำนวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่ระดมตามหลังมาเหย็ดขงเก่งกว่าเราอ้ายน้องหลายเท่านัก ะระลอกแรกทําการยิงไรในขณะที่ะระลอกสองแบ่งกําลังเป็นสส่วนชาร์จออกปีกทั้งสองข้างซ้ายขวาหมายเตรียมโอบที่ปากทางลงหุบคนเหมือนกันจึงวิ่งได้เร็วไม่ต่างกันนักเหล่าไอ้น้องไปได้กไกลแค่ไหนเวียดโกงที่ไล่ตามก็ยังคิดติดไรอยู่แค่นั้นเสียงอาวุธเวียดโกงหยุดลงอีกครั้งเมื่อเหยื่อโจมตีที่เหลือไม่เกิน15้าคนนั้นหายวับเข้าไปในราวป่าปากทางเข้าหุบกําลังรบสองะระลอกเข้ารวมตัวกันอีกครั้ง วางตัวเป็นแนวหน้ากระดานควางไว้เวียดโกงไม่ตามทั้งๆ ท, ท, ที่มีโอกาสนั่นก็เพราะในหุบมีความตายรอรับมือทหารราอ้ายน้องอยู่แล้วนั่นเองเสียงระเบิดดังขึ้นสองลูกศนกลุ่มขวัญที่ลอยพ้นยอดหมายขึ้นมาทําให้รู้ว่าระยะห่างจากปากทางเข้าไปไม่ถึง50เมตรด้วยซ้ําทหารราอ้ายน้องถึงกับร้องรั่นซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนเจ็บที่โดนกับระเบิดเท่านั้นคนข้างเคียงก็ร้องเพราะขวัญเสียจําได้ว่านั่นเป็นเสียง M 1 6 คราวอับจนทหารลาวอา้หนองจำต้องยิงตอบโต้พื้นที่ภู ม, มิประเทศในหุบนี้ป่าทึบนี้เริ่มรู้แล้วว่ามีเวียดกงเลนกายอยู่ยึงยิงออกไปแบบเดาสุม่มเพราะไม่รู้ว่าเวียดกงอยู่ตรงไหนจะรู้ได้อย่างไรเพราะอากาอาพีจียังไม่ได้ยิงสักกระนัดเอ็มสิแผ่เสียงออกมาอีกเมื่อเราวไอา้หนองใช้เป็นเครื่องนําทางในการลุกเข้าไปในป่าทึบถูกระบอกยิงเข้าใส่ทุกๆุ ท, ทีที่คาดว่าจะมีเวียดกงแฝงอยู่ M16 เจ้าเดิมยิงอีก คราวนี้เหล่าไอ้น้องใช้วิธีโผล่สลับกันล้หน้าในขณะที่คนเจ็บจากอำนาจกับระเบิดสองคนต้องได้รับการหิ้วปีกประคองตามไปด้วยเกือบสามสิบเมตรที่แนวเคลื่อนตัวสามารถผ่านไปได้โดยไม่มีอากาหรืออาพิตีตามรังขวานคราวนี้เสียงอากาที่รอมานานเริ่มดังลัวเป็นข้าวตอแตกจากดึมขวาของราดเนินในหุบหมบแม็หมูบลงเป้าหมายของอากา ครั้งนี้เป็นล่างของสองลาวอ้ายน้องคนเจ็บกับคนดีที่กําลังเอื้อมไมตรีต่อกันระยะไม่เกิน60เมตรไม่มีคําว่าพลาดเมื่ออากาศสองกระบอกจับเขาเป้าหมายอันเดียวกันเสียงเพื่อนร้องสั่งให้หมอบลงหมอบลงดังบอกทั่วบริเวณพอเราวไอ้น้องหลายคนทําท่าจะช้าต่อคงคิดว่าการหนีออกจากพื้นที่หนีให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาชีวิตรอดอาพีจีตามมาทันทีเมื่อระยะเคลื่อนที่ของเราวไอ้น้องถึงจุดกึ่งกลางของพื้นที่สังหารแล้ว คราวนี้เราวไอา้น้องอยู่ไม่ได้ระเบิดก็ให้ระเบิดซินะ่ะถึงยังไงก็ต้องวิ่งกันไว้ก่อนอภาพกีกด้านหนึ่งจากแนวซุ่มยิงสาดหัวฟีมรณะลงใส่ทันทีเมื่อพบว่าเส้นทางหนีของเราอ้ายน้องจะไปทางไหนการยิงดักดูจะไม่ได้ผลเพราะไม่สามารถหยุดการหนีของทหารลาวไอา้น้องได้คราวนี้จึงฟาดลงตรงตัวเลยนับว่าได้ผลเกินคาดเมื่อเราอ้า้น้องต้องตัวเตรียมตมเตรียมไปตามป่าถึกเพราะไม่มีทางหลบไหนจะต้องก้าวขาข้ามกิ่งไม้ ในจะต้องมุดลงต่ำแม้แต่แหวกช่องแท็กตัวการเคลื่อนที่แบบแสนจะเชื่องช้าไม่ต่างกับการอยู่นิ่งสักเท่าไหร่นักนั่นก็คือทาหารเลาอีกหนึ่งคนต้องสังเวยชีวิตให้กับเกณฑ์ฝังหานี้ที่เหลือบางคนหยุดหมอบนิ่งเข้าที่กำบังส่วนที่ไม่ยอมหยุดก็มีกําลังก้าวขาโยงข้ามกิ่งไม้ขอนไม้ต่อไปเสียงเอ็มที่อาศัยหลบกำบังหลังไม้ล้มขนาดใหญ่ใส่กระสุนส่วนเข้าหาอากาตรงจุดที่เห็นสกายฝ่ายปากลำกอง เสียงอ p g พจยิงสวนมากดฉับเข้าให้จุดระเบิดห่างไม่ถึงสองวาแขนเสียงดังสนั่นวันไหวไม้เนื้อแข็งถูกอำนาจระเบิดกินลึกแล้วแตกกระจายปิววนออกมาเหล่าไอ้น้องมือเอ็มคนนั้นถึงกระเพนสองเท้าก้าวเห็วพาตัวเองออกไปจากพื้นที่นั้นให้ได้มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเพื่อนคนข้างเคียงเพราะหูอื้อเหมือนแก้วหูแตกแล้วนั่นเองมือสุไปใส่บักสีแดกมุกมุกอยู่มองนั่นแหละมันยิงบาถึงหรอก เพื่อนที่มอบอยู่อีกปลายหนึ่งของไม้หล้มต้นนั้นรู้แล้วว่าตรงนี้ใช้กำบังได้ดีที่สุดเพรเชื่อในความแข็งแรงมั่นคงได้ยังสามารถรอดพ้นจากสายตาเวทกองได้อีกด้วยคิดว่าอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าเวทกงจะเลิกยิงนั่นแหละเห็นเพื่อนช้าตัวหนี่ก็เลยร้องทักท้วงเอาไว้แต่ก็ช้าไปเสร็จแล้วเมื่อชีวิตนั้นถึงคราวตายโอ๋อภิ p g ลูกหนึ่งจากจุดหญิงที่ไม่ห่างจากลูกแรกนักตกดักหน้าไม่ถึงสามก้าวระเบิดศาสตร์เข้าใส่ร่างของคนเต็มที ร่างนั้นถึงกับแอนผวารอยกลับหลังล้มฟาดพื้นแน่นิ่งไปในบัดดลทั้งๆที่ร้องออกมาได้เพียงคําเดียวเวียดกงที่เตรียมการไว้ก่อนตั้งแต่เพื่อนยิงครั้งแรกนั้นต้องยอมรับว่ามันคาดการได้ถูกต้องว่าเดี๋ยวทาหารราวอ้าน้องคนนี้ต้องเพ่นออกมาให้มันยิงแน่หมดปัญญาที่เพื่อนจะช่วยได้สายตาแสนจะหดหู่กับร่างของเพื่อนที่ถูกแยกชิ้นส่วนด้วยอํานาจระเบิด R P G แล้วหลับตาลงตรงอันิด จ, จังก่อนจะก้มหน้าเงียบ ปากหลักนิ่งรอความตายสําหรับตนเป็นลําดับต่อไปอาก้าอาพีจียังไม่เลิกความพยาบาทเมื่ออาวุธเหล่านั้นยังระดมเข้าใส่แนวของทหารลาวไอ้หนองอย่างเป็นบ้าเป็นหลักเหยื่อโจมตีผ่านไปแล้วจนกระทั่งถึงเขตการยิงของคนถัดไปก็ยังไม่เลิกหลาเมื่อเป้าหมายยังปรากฏตัวให้เห็นทหารลาวอ้าหนองจึงต้องโดนลุมกินโต๊ตทั้งจากทางด้านข้างที่ตรงกับด้านหลังพร้อมกันเหลือแต่ด้านหน้าที่จะต้องหนีฝ่าต่อไปเท่านั้นที่ยังไม่มีการยิงออกมาเมื่อมาโดนศึกสองหน้าเช่นนี้ เลยไม่รู้ว่าจะกำบังทิศทางไหนเพราะดูเหมือนว่ายิ่งหลบก็ยิ่งโดนดังนั้นจึงจําเป็นอยู่ดีที่ต้องเปลี่ยนการยืนเต็มตัวขณะเคลื่อนที่มาเป็นการคลานสูงคลานต่ำเช่นนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของแหล่งกำบังที่มีคราวนี้ดูจะได้ผลเพราะหลายคนสามารถรอดผลจากอํานาจระเบิดและกระสุนได้บางถ้าหากเราไม่เกินสิบจากยอดเดิมสามสิบนั้นต้องลุกคืบหน้าต่อไปอีกเพราะมันเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะรอดได้การถอยกลับนั้นไม่ต้องพูดถึงพอเพิ่งผ่านมายกหยก ถึงยังไงยังไงเวียดกงกลุ่มนี้ก็คงยังไม่กลับไปแน่ทากลางหากระสุนที่ที่ยิบยังกับเบิดฝนทหารราวอ้าหนองอาศัยการเคลื่อนที่ต่าๆสามารถผ่านไปได้ดีกว่าห้าสิบเมตรแม้จะรู้และเห็นแล้วว่าที่ตั้งเวียดกงไม่ได้มีการขยับขยายหรือเขยอนเลื่อนไปไหนอีกทุกอาวุธยังยิงจับจุดเดิมทั้งสิน้นแต่ด้วยความที่หมดกําลังใจต่อสู้ก็เลยต้องยอมให้เวทโกงเลือกยิงอาแร่ฝ่ายเดียวโอ้คาเดียวจริงๆกับเสียงร้องของไอ้คนที่ถูกกับระเบิด ร่างนั้นกระทบเข้ากับ TNT ขนาดหนึ่งปอนด์เมดอิน USA เขาอย่างจังหลายคนมองเห็นเลยว่าร่างกายส่วนยอดอกกับท้องตอนบนเปิดเป็นช่องให้อวัยวะภายในกระเด็นออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยสายเลือดที่กระฉูดออกเป็นละอองฝอยสีแดงเลือ่อๆยามต้องแสงแดดที่รอดกิ่งไม้ลงมากระทบพื้นบริเวณนั้นหมดสิ้นกันทีสำหรับชีวิ ต, ตบัดซบเมื่อถึงคราวสวยเอามือไปตบปลงบนระเบิดเขาจากระเบิดคราวนี้ ทหารลาวอ้าน้องหลายคนเกิดความกลัวถึงขีดสุดลุกขึ้นแล้วตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าต่อทันทีผลก็คือต้องตกเป็นเหยื่อสังหารแกอากาอาร์พีจีเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างดีแล้วจนได้แม้ไม่มีเวลานับก็พอจะเดาตามเสียงร้องได้ว่าทหารลาวไอ้น้องต้องพลาดไปอีกสองคนที่เหลือก็วิ่งต่อไปเพราะไม่รู้จะช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างไรอาก้าไม่ต่ำกว่าห้ากระบอกจากทางด้านหน้าที่กําลังลุกขึ้นล่าสูงนั้นาสาดลงมาทันทีเมื่อเหลือระยะไม่ถึงแปดสิบเมตร ที่ลาไอ้น้องคาดว่าจะสามารถฝ่าความตายไปได้จากการยิงที่มีการเล็งอย่างใจเย็ยนส่งผลให้เหลาวไอ้น้องอีกสองคนต้องล้มพับร้องโอดโอย ด, ด้วยความเจ็บปวดยังไม่ตายเพื่อนก็ช่วยได้เมื่อสองซ้ายขวาเข้ามาประคองเหสื่ออากา้าโดนกระสุนร้อยเข้าช่องท้องกับอีกคนที่โดนขาถูกลากเข้าที่กำบังอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดปล่อยไว้ก่อนเพรต้องรีบเข้าแหล่งกำบังเพื่อรักษาลมหายใจทหารเลาไอ้น้องเริ่มเห็นตาจนของพวกตนแล้วว่า บัตรนี้มัจจุราชได้ขีดเส้นชะตาชีวิตไว้ให้เป็นวงกลมอยู่ในก้นหุบแห่งนี้เสร็จแล้วป่วยการที่จะเคลื่อนที่ต่อไปป่วยการที่จะหลบหนีป่วยการที่จะปล่อยให้เวียดกงเลือกยิงเอาแต่ฝ่ายเดียวดังนั้น M16 จำนวน4กระบอกสุดท้ายจึงพร้อมใจกันสวงวิ ญ, ญญาณเลือดนักสู้ทันทีพอบอมหมดที่ยังเหลือชีวิตอยู่สั่งการกําหนดแนวลูกน้อง3ามคนที่เหลือให้เป็นหน้ากระดานตั้งรับและเตรียมโจมตี ลูกน้องสคนรู้ใจตั้งสวนวิญญาณได้เช่นกันชาติตัวเองเร็วเข้าแหล่งกำบังวางตัวได้ตามบอกอย่างคล่องแคล่วแหน่ท่ากลางห้ากระสุนอาก้ากับ r p g ์อีกบางส่วนที่แล่นตามไปยังบุดปิดติดตาเดียวเท่านั้นเองที่ทั้ง4ี่หายเงียบหลบเขาที่กำบังได้เสียงอาก้าด้านหน้าระดมยิงลงมาอีก ท, ทั้งทั้งที่มองไม่ปรากฏเป้าหมายทังนี้เป็นการยิงแบบเผื่อเอาไว้เพราะต้องการกดการเคลื่อนที่ไม่ให้ศัตรูลุกใกล้เข้าไปอีก ลูกน้องคนหนึ่งเรียกผอบอหมวดเป็นอาจารย์ที่นับถือสอบถามมาทันทีเมื่อปรากฏประกาศไฟป า, า, าลกลาก้องอาการชัดเจนยิ่งนักครูบายิงรวดเลยบอลูกน้องได้รับคําตอบอยาสูฟเฝ้าบัคขมอนว่าจะเพิ่งรีบร้อนเมื่อให้ใจเย็นเช่นนั้นบัคขมอนก็เลยถือโอกาสคลานลุกเข้าหาที่ตั้งอาการ์กระบอกนั้นให้ใกล้เข้าไปอีกในขณะเดีวยวกันผอบอหมวดก็ยังคงคืบหน้าต่อไปยังไม่หยุดอย่างแม้บางครั้งต้องหยุดหมอบต่าเพราะกระสุนอาการ จำนวนหนึ่งที่แล่นผ่านหัวกระบาลไปอย่างบุบวิดไม่มีการยอ่อทอยต่อไปเมื่อผ่านพ้นนาทีวิกฤตไปได้จึงจัดการคลานต่อทันทีถึงคราวที่สี่ทหา ร, ราอ้ายน้องโซมวิญญาณฮึสู้ขึ้นมาบ้างจากความตั้งใจจูิงครั้งนี้ทําให้แนวลุกนั้นขึ้นมาจนเหลือห่างจากปากลําก้องอาก้าไม่ถึงสามสิบเก้าเวียดกงก็ยังคงเป็นเวียดกงที่ลาวไอ้หน้องไม่มีทางเกินกินได้ไง่ายๆเมื่อคนแรกทึ่ปรากฏแกสายตาคือตัวผอบอมหมดนั่นเองโอ้ยโอ้ยครูบา คูบ้าคูบ้า r ต g ลูกเดียวจริงๆจับเขาที่แผ่นหลังคนที่กำลังหมอบอยู่หลังไม้พุ่มรอผลจากสัตรูด้านหน้าแต่กลับไปปรากฏในกล้องเลงของ RPG กระบอกด้านข้างร่างของคนคือตําบลระเบิดแบบนี้ต่อให้พระเจ้าร้องขอชีวิตก็คงเกินความสามารถพอบอมหมวดร้องลั่นออกมาได้คำเดียวเราไม่เหลืออะไรให้ปรากฏอีกเสียงลูกน้องร้องเรียกด้วยความตกใจสุด ข, ขีดโชว์เวบเดียวจริงๆก็บการเห็นร่างกายของมนุษย์แหลกเหลวแล้วก็เดินไปตามแรงอัดระเบิด อออเสียงร้องด้วยความเสียใจกับการสูญเสียนั้นเวียดกงจับแนวจับจุดได้ถึงจัดการยิงซัดมาทันทีแม้จะเป็นจุดที่ตรวจการไม่พบก็ตามเป็นการยิงตามตำแหน่งของเสียงทหารลาวไอ้น้องที่หลบหลังไม้พุ่มถูก RPG ์พีจีซัดเข้าไปอีกผลก็คือทั้งไม้พุ่มกำบังทั้งคนที่หลบอยู่หลังต้องมีอันแหลกเหลวทั้งคู่แม้แต่อาการ์ที่ปริมาณมากมายก็ยังมีสิทธิ์แบกช่องว่างระหว่างกิ่งรวกเข้าไปปิดชีวิตคนได้ สคนในทันทีทันใดที่ต้องพบจุดจบของชะตากรรมส่วนอีกหนึ่งคนที่เหลือเกิดความบ้าอย่างสุดขีดตัดสินใจลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งเข้าหาเวทกองกลุ่มนั้นเอ็มจุดหกกระทับสะโพกยิงด้วยความคลั่งแขน้นเหล่าไอ้น้องที่เลือดบ้ากําลังฉีดยังมีสติเหลือนิดถึงสามารถดลบเข้าพิงต้นไม้ใหญ่แล้วจัด ก, การเปลี่ยนซองกระสุนเตรียมปฏิบัติการต่อโอ๊ยแต่ช้าไปเสียแล้วเมื่ออาร์พีกระบอกจากทางด้านหลังจับเข้าที่โคนไม้ต้นนั้น ส่งแรงระเบิดตัดสินความกล้าหาญอย่างได้ผลตอนที่หกกลุ่มควันจากการประทาที่พื้นดินพุ่งรอดดงไม้ทึบขึ้นมาทำให้เครื่องบินตรวจการ OV สิบครื่องหนึ่งต้องฉีกตัวเองออกจากภารกิจตรวจสอบเป้าหมายให้นักล่าหลับจางเข้ามาสังเกตการ ยังน้อยทหารลาวไอ้น้องกลุ่มนี้ก็เป็นกําลังของฝ่ายรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาเช่นกันสนไลด์จัดสาโลมเปตือนโอวีสิที่รหัสสาโลมเรียกบอกก่อนเมื่อมีข่าวสําคัญจะต้องรายงานโอเคสาโลมรายงานได้เตือนสนไลด์ตอนนี้ผมเรียกไวแคทไปแล้วนะแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยเตือนรหัสไวแคทคือทหารลาวไอ้น้องที่พบกับสภาพการต้องถูกละลายทางชุดสู่สารใช้รหัสแมวป่า หวังว่าจะลบแบบแปากเปลี่ยวว่องไวโดยเคียวเล็บ แ, แหวมคมแต่แล้วแมวป่าก็ต้องถูกลบลายให้กลายเป็นแมวบ้านที่แสนจะเชื่องซาโรมใช้ความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกวิทยุไม่มีเสียงตอบมาก็เพราะเราอ้หน่องพ่นวิทยุโดนอาร์พีจีถล่มจนแหลกลานเป็นผุยผงทั้งคนทั้งเครื่องตั้งแต่ฉากแรกของการประทะก่อนจะเริ่มแสงสว่างโน น, นแล้วผีที่ไหนจะมาพูดวิทยุตอบซาโรมได้เราเรียกไปนานเท่าไหร่แล้วกว่าสิบห้านาทีเห็นจะได้เปลี่ยน งั้นคงเกิดปัญหากับพวกเขาแน่แล้วโอเคซาลมเท่าที่คุณตรวจการดูเถียวเนี้ยคุณพอจะรู้หรือเห็นอะไรบ้างไหมเปลี่ยนเห็นตะกลุ่มควันลอยขึ้นมาส่วนคนมองไม่เห็นเพราะป่าทึบมากเปลี่ยนคุณอยู่บนความสูงเท่าไหร่สูงประมาณ1 5ึ0 0หมฟุตผมใช้กล้องค่องตรวจดูสภาพทัศนวิสัยดีมองเห็นชัดเจนลมสงบเปลี่ยนโอเคคุณต้องใช้ความสูงขนาดนี้นี่แหละถ้าคืนลงไปต่ำกว่านี้มีหวังโดนแซมเล่นงานแน่ลักษณะกลุ่มควันเป็นยังไงเป็นพื้นที่กว้างหรือเป็นจุดจุดเปลี่ยน โอเคเป็นพื้นที่กว้างประมาณ50ตารางเมตรได้จากตรงจุดประทะครั้งแรกแต่ตอนนี้กลุ่มควันหายไปแล้วแต่ก็ไปโผล่ตรงมุ้นตรงนี้เป็นกลุ่มใหม่มีทางตะวันออกเฉียงเหนือแทนรู้สึกจะเป็นแนวยาวประมาณ100เมตรพื้นที่ภูมิประเทศเป็นก้นหุบป่าทึบมากเปลี่ยนซาโรมรายงานสภาพความเป็นจริงตามที่เห็นทุก ป, ประการฝ่ายยุทธการในห้องควบคุมสถานการณ์ระหว่างแผนการลบใช้ดินสอไขพล็อตลงบนแผนที่ตามที่ได้รับคําบอก พันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่สรุปผลการรบทันทีเอาล่ะซาโลมผมพอรู้แล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงจากการประทะครั้งแรกที่เขาราย ง, งานมาว่าเป็นแบบการตรึงกำลังนั้นตอนนี้ V ีซีสามารถใช้กำลังผลักดันให้ไวท์แคทถอยเข้าไปในหุบซึ่ง V ีซีทำเป็นพื้นที่สังหารรอรับพวกเขาอยู่รองแบบนี้เชื่อได้เลยว่าไม่มีไวท์แคทเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวโอเคคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วผมต้องการทราบข่าวของนอสตาเปียนซาโลมไม่ต้องบินหนีหน้าไปไหนอีก ระบนความสูงขนาดนั้นสามารถครอบคุมพื้นที่ได้ตั้งมากมายเพียงแค่เปลี่ยนความที่วิทยุจากแบนด์ที่ใช้อยู่มาที่แบรนด์ของชุดนักล่ารหบุมจางซึ่งสแตนบายไว้ตลอดเวลาจากนั้นก็สามารถเรียกได้ทันทีนอสตาจากซาโรมสองเปลี่ยนโอเคซาโรมว่ามาเลยผมมีเวลาไม่มากนักสตา์ไลต้องการทราบข่าวพวกคุณ่ะคุณเรียกไปได้เลยโอเคไมเปลี่ยนก็ไม่ยากอะไร เมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นถ้าพูดกับคนคนนี้แล้วมักจะฉายความโง่ออกมาอยู่เรื่อยๆก็เลยรีบโอนสายไปให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่าทันทีนับวาสาซาโรมรู้วิธีเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีโอเคนอสตางานของคุณคืบหน้าถึงไหนแล้วอ๋อสร้ายเองะครับผลงานคืบหน้าตอนนี้ก็คืบมาได้ประมาณ5กิโลเมตรจากจุดเหนือที่ตั้งพวกเราวพวกนั้นแหละครับโอเคไหมเปลี่ยนคําตอบแบบกำปั้นทุบดินคราวนี้เล่นเอาพันเอกหน่อแมนที่กําลังเครียดอยู่กับการสูญเสียทหารลาวไอ้หน้อง กับชาวาบเลือดแดงฉีดขึ้นหน้าด้วยความชุนเฉียวจนอยากจะด่าออกไปให้สะสมแต่ก็ต้องระงับใจแล้วฝืนทนหัวเราะอืมก็นับว่าไม่เลวนะสําหรับระยะทางที่ไกลขนาดนี้ยพวกคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเอหรือว่าเพราะความกลัวตายเลยทําให้เคลื่อนที่ไปได้เร็วขึ้นละ่ะจ่าดาวเหนืออกจะภูมิใจกับคําชมประโยคแรกแต่ตอนท้ายกับเหมือนการสพประมาททําให้รู้สึกฮึดฮัดขึ้นมาทันทีขึ้นชื่อว่านักล่ารับจ้างแล้วถ้ากลัวตายคงไม่มารับงานนี้แน่เชี่ยสังไระ พวกคุณคิดว่าพวกผมเป็นคนกลัวตายตาขาวอย่างงั้นเหรอถ้างา น, นผมว่าคุณยังไม่กระจางแจ้งแดงแต๋ในพวกผมซะแล้วละ่ะถ้าพวกผมเป็นพวกกลัวตายแล้วก็ขอถอนตัวกลับไปนานแล้วไม่ต้องมาเสี่ยงกับ VC ไป็นร้อยๆอย่างนี้หรอกผมว่าคุณนั่นแหละสาร้าย ท, ที่ไม่แน่จริงถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณลงมาแอร์เรียลโอเปรชั่นกับพวกผมสิรับรองรู้มู่รู้จา่ารู้พันเอกกันแน่เลยจ่าดาวเหนือที่หลวมตัวปล่อยอารมณ์คล้อยตามคําสบประมาทโดยย้อนกลับข้อหาฝ่ายตรงข้ามบางซึ่งดูเหมือนจะได้ผล โนเคโนเคผมใหญ่เกินกว่าที่จะลงไปสัมผัสกับงานเล็กๆแบบนี้แล้วคุณนั่นแหละที่เหมาะสมแน่นอนผมเท่านั้นที่เหมาะสมเพราะผมมีความกล้ามากกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับความกล้าหรือไม่กล้าหรอกนะนอสตามันเป็นเรื่องของหน้าที่ดังหากผมต้องรับผิดชอบอีกหลายๆอย่างหลายๆชุดปฏิบัติการถ้าผมลงไปอาเรียลเปอร์เลชันกับพวกคุณแล้วใครจะรับผิดชอบงานการวางแผนล่ะแค่แผนส่งคนไปตายผมว่าให้หน้าห้องเนพนวางเปาเป็นคนทําก็ได้ หรือแม้คุณก็สั่งการทางวิทยุแบบที่กำลังทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมว่าคุณแก้ตัวซะมากกว่านะสันไลทึงคราวลุกจ่าดาวเหนือก็ลุกหนักขึ้นชนิดที่ไม่ยอมให้อีกฝ่ายตั้งตัวได้เลยแลวก็ไม่สนใจด้วยว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับไหนพันเอกนอร์แมนเสียท่าจนได้เมื่อถูกกระทบกระเทียบหารู้ไม่ว่าคนที่อยู่ทางพื้นล่างกำลังยิ้มย่ะด้วยความกระยิบรอท่าฟังคำตอบอยางใจเย็น เชื่อสนว์ตาถ้าทำอย่างนั้นได้ผมว่ากองทัพก็มีแค่จ่ า, จาสิบเอกไม่ต้องมีพันเอกไม่ต้องมีนายพลก็ได้ไม่เปลืองงบประมาณด้วยอ๋อแน่นอนเพราะคนที่กําหนดให้มีพันเอกมีนายพลสารพัดนายพลก็คือคนที่เป็นพันเอกเป็นนายพลเองนั่นแหละถ้าจ่าสิบเอกเป็นคนกําหนดนะรับรองว่ายศสูงสุดในกองทัพก็มีแค่จ่ า, จาสิบเอกเท่านั้นก็พอเป็นไงนสันไร์คุณว่าดีไหมดีของคุณคนเดียวเถอะผมไม่ดีด้วยหรอกตอนนี้คุณทําอะไรอยู่กําลังพูดวิทยุมีอะไรไหมเปลี่ยนพันเอกสหรัฐอเมริกาแทบสื่อม เมื่อได้ยินคําตอบแต่พอตั้งสติได้ว่าคนที่กําลังพูดด้วยเวลานี้คือจ่าดาวเหนือและนี่คือแบบฉบับของเขาเขาเป็นอย่างนี้มานานจนแทบจะกลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจ่าดาวเหนือพูดในลักษณะนี้แสดงว่าสถานการณ์ไม่ร้ายแรงอย่างที่หลายๆคนคิดโอเคถ้างั้นคุณพูดวิทยุคุณต่อไปก็แล้วกันตอนนี้ผมขอเวลาทดสอบเบียร์ยี่ห้อใหม่สักครู่นะถ้าคุณสนใจก็เชิญผมมีให้อย่างไม่อั้นซะด้วยสิสแตนบายบาย นี่คือทางออกและวิธีจบที่ดีที่สุดที่พันเอกนอร์แมนพึงกระทำก่อนจะถลำลึกเสียรู้ทางคำพูดกับจ่าสิบเอกกองทัพบกไทยมากไปกว่านี้จ่าดาวเหนือไม่โต้กลับพอรู้อยู่แล้วว่านั่นเป็นเพียงคําสัพยอกประชดเท่านั้นหาใช่นิสัยที่แท้จริงของพันเอกนอร์แมนไม่ถึงอย่างไรก็ยังอดชมเชยเสียมิได้ที่ผู้บังคับบัญชาคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งหรือลอยแพร่ขบวนการนักล่ารับจ้างเลย ในว่าสถานการณ์จะเร็วร้ายคนทางไกลสภาพภูมิประเทศทัศนวิสัยแม้แต่ข้อยุ่งยากต่างๆนานาหากนักล่ารับจ้างมีความจำเป็นแล้วเราก็เขาต้องสนองตอบเสมออย่างทันท่วงทีและสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดพันเอกเงอแมนจ่ายเงินดีจริงๆซึ่งคอนีต้องขอชมเชยยกย่องเป็นกรณีพิเศษจาดาวเหนือหัวเราะเบาๆท่ามกลางสายตาที่ออกจมูกงงของพันตรีโรเจอร์ มองไปทางท้ายขาบวนเฮนรี่รอยเอกแบ็กเบิร์ตนักบินผู้สูญเสียเครื่องบินกําลังซุบซิบกับพันตรีคอร์ินอยู่2คนร้อยเอกแบ็กเบิร์ตอาจจะคิดว่าตําแหน่งในขบวนเดินอยู่ตรงกลางคงไม่มีปัญหาอะไรเข้าถึงตัวแน่จึงให้ความสนใจกับสภาพภูมิประเทศเพียงการมองผ่านๆส่วนพันตรีคอร์รินที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเป็นอย่างดีแม้ยามที่ฟังเพื่อนนักบินคุยนั้นสายตา ก, ก็ยังจดจดจองจอ ง, จองมองตามข้างทางตลอดเวลา เมื่อยังไม่มีอะไรส่อแววของความล่อแหลมก็ปล่อยให้แกคุยของแกไปเรื่อยๆซึ่งก็ดีเหมือนกันแก้เส็งได้นอสตาอีกสินาทีถ้าหนมงกุฎในพลวังเป่าจำนวนหนึ่งรอห้าสิบคนจะถูกส่งลงทางทิศใต้ของจุดประทัดลาวไวแคดคุณมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงพันตรีโรเจอร์ตั้งความถี่วิทยุของตนไปที่แบรนดีเพื่อรับฟังข่าวการติดต่อประสานงานของหน่วยอื่นแล้วแจ้งให้จ่าดาวเหนือทราบด้วยทั้งนี้เครื่องของทุกคนในชุดกระบวนการต่างตั้งความถี่ไว้ที่แบรนเอเพื่อการติดต่อภายในเท่านั้น อีกประการหนึ่งก็คือในฐานะที่พันตรีเราเจอเป็นนายทหารยุทธการของกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาจึงจําเป็นต้องรู้เรื่องต่างๆด้วยโดยเฉพาะการปฏิบัติการรบของกําลังฝ่ายตนก็ดีสิครับ VC ีมันจะได้ห่างเราไปอีกนิดหมายความว่าทหารม้งพวกนั้นจะขับไล่เว้นโกงให้หนีไปได้งั้นเหรอไม่ใช่หรอกครับ V ีซีมันไม่เคยหนีม้งไม่เคยละเว้นม้งแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นราวแท้ๆกว่าจะได้รับการยกเว้น นี่หมายความว่าเวียดนามเหนือต้องการสลายพันม้งให้สิ้นไปจากแผ่นดินลาวหรือบนโลกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นที่ผมว่า VC จะได้ห่างเราไปหน่อยก็คือ VC พวกเนี้ยังติดภารกิจกับมงในพนวางเป่าจะไม่มีเวลามาติดตามเราในขณะเดียวกันเราก็เคลื่อนขบวนของเราไปเรื่อยๆแบบนี้ระยะทางมันก็จะห่าง ก, กันออกไปเองนั่นแหละครับจริงไหมไมเจอร์มันก็จริงอย่างคุณว่านะแต่ผมว่าเราน่าจะเข้าร่วมกับม้งพวกนั้นเข้าไปหาเงินค่าบริเกากันสักหน่อยไม่ดีเหรอ ก็ดีอหรอกเมเจอร์ขึ้นชื่อว่าเงินแล้ว อ, อภิมหาเศรษฐีของโลกที่มีเงินจนล้นฟ้าก็ยังอยากได้แล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราแต่ว่าคุณจะกลับย้อนไปหาบอดี้เขาใช่ไหมเปล่าเรื่องนี้เราต้องบวกรบคุณหารให้ดี V ีซีมันไม่หมดไปจากแผ่นดินราวแนะ่ถ้าสงครามยังไม่สงบแต่ศพนักบินที่ฮอตกทั้งสองจุดมีโอกาสหมดไฟก่อนที่เราจะเข้าถึงผมหมายความว่าเมื่อเราได้ศพนักบินมาแล้วก็ค่อยๆหาทางเก็บบอดี้เขาเป็นของแถมระหว่างเดินทางกลับก็ได้โอเคกูดไอเดีย ครับผมกูดไอเดียแต่โนไอคิวหรือไม่ก็ไอคิวเตีย้ยไอเดียสูงพันตรีเมริกานตีสีหน้ายุงไม่ได้ยินสับคําพูดที่สับสนในคำสับนั้นก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างหรอกแต่ความหมายจากสถานการณ์เป็นอย่างไรต้องยอมรับว่าไม่รู้วัตถุมีนอสตาจะดาวเหนือหอัวเราะด้วยความอารมณ์ดีพอ น, นีรู้ได้จากใบหน้าที่เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มในขณะเดียวกันพันตรีเมริกรันก็ไม่ได้ไว้ใจหรือว่าจะได้รับคําตอบแบบเคลียร์ยเกรงว่าจะถูกอั่มซะมากกว่าไม่มีอะไรหรอกเมเจอร์ ผมหมายถึงว่าเราคิดที่จะหาะไรายได้พิเศษด้วยการเจ็บบริเขา VC ระหว่างทางนะถ้า VC มันถูกมัดมือมัดเท้าปากหูตามันถูกปิดก็คงจะดีหรือไม่ก็ขอให้เราหายตัวแปลงร่างอย่างปีศาจได้ทุกอย่างก็คงจะง่ายก็เท่านี้แหละเมเจอร์ไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม้แล้วก็ไข่เตา่าโอเคพันตรีเมลการยิ้มเจริญเมื่อไม่ได้รับคําตอบที่เคลียร์พอแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าคําอธิบายนี้จะเกี่ยวข้องกับคําพูดประโยค ก, ก่อนได้อย่างไรพอดีจาาดาวเหนือเปลี่ยนเรื่อง เมเจอร์ติดต่อซามลมเราได้ความว่าไงบ้างครับทั้งซาลมหนึ่งซาลม2องรายงานเหมือนกันหมดว่าไม่พบความเคลื่อนไหวของ VC ตรงที่กับระเบิดของเราทํางานนั้นเลยเฮ้ย hey, เป็นไปได้ยังไงเมเจอร์ว่าแต่ว่าเขาตรวจพบกลุ่มควันที่เราลวงเอาไว้หรือเปล่าพบเขาก็บอกพบควันที่ลอยพ้นยอดไม้ขึ้นมาเป็นสายๆแต่ไม่พบ VC เขาตรวจการได้ดีหรือเปล่าป่ า, าจะทึบไปก็ได้นะอันนี้ผมก็ถามเขาไปเหมือนกันแล้วเขาก็ยืนยันมาอย่างแน่นอนว่าป่าไม่ทึบจนเกินไปนัก เพียงพอที่จะมองเห็นพื้นดินพื้นหญ้าได้นี่ขนาดเขาใช้กล้องขยายช่วยในการตรวจแล้วด้วยนะจากดาวเหนือมั่นใจเกิดร้อยเปอร์เซนว่ากับระเบิดลูกที่ทํางานนั้นเป็นฝีมือความซุ่มซ่ามของเวียโกงแน่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้การที่มันคนใดคนหนึ่งไปโดนกับระเบิดเข้าเช่นนี้แสดงว่าคนของมันต้องไม่ใช่แค่4ี่คนหรือหนึ่งหน่วยจรยุทธแน่มันต้องมากกว่านั้นหลายสิบเท่าแล้วทาไมเครื่องบินตรวจการที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการลาดตระเวนทางอากาศพร้อมเพรียงจึงตรวจไม่พบ พี่แน่ใจนะว่ากับระเบิดลูกนั้นเป็นฝีตีนไอแก้วไ อ, พอ้พรเสนอความคิดขึ้นมาที่เรียกว่าฝีตีนก็เพราะกับระเบิดลูกนั้นถูกเหยียบด้วยตีนจึงต้องเรียกกันอย่างนี้แน่ใจวะไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาแน่แล้วพี่คิดมาทําไมมันระเบิดขึ้นมาลูกเดียวเนี่ยเมื่อพี่วางไว้ตั้งหลายลูกอ๋อเรื่องเงี้ยมันเดาไม่ยากไอ้แก้วมันก็มีสมองเหมือนกันนี่ว่ามันโดนมาจนเข็ดโดยเฉพาะระเบิดแก๊สพิษ ด, ดังนั้นนะฮะว่าต่อไปนี้มีกับระเบิดแบบนี้ดังขึ้นที่ไหนมันก็ต้องระวงว่าเป็นระ ทีนี้การปฏิบัติการป้องกันของมันก็คือต้องหนีออกจากพื้นที่นั้นให้ไกลแล้วก็ต้องให้เร็วที่สุดด้วยเส้นทางที่ควรจะถอยก็คือถอยกลับหลังเพราะพื้นที่ด้านหลังทุกคนเดินผ่านมาแล้วมันจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีกับระเบิดแน่และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมกับระเบิดอีกห้าหกลูกจึงทํางานแค่ลูกเดียวไอ้พรอ้าปากค้างในขณะที่ความคิดวาดภาพตามเหตุการณ์ได้อย่างละเอียดละออกถ้างั้นในแก้วชุดนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนที่ออกตามล่าเราสิพี่เออนี่แหละที่เขาเรียกว่าไอคิว้ เป็นไงพี่ไอคิวขี้เมกไอชาติสอดขึ้นมาทันทีทั้งทางที่ไม่รู้ว่านี่คือการอัมหรือไม่แต่ที่แน่ๆสถานการณ์แบบนี้คนที่พลาดท่ามักจะเสียคนได้ง่ายๆเสมอก็ถึงมันจะสูงแค่ไหนเดี๋ยวมันก็จางแล้วก็สลายไปกับอากาศหมายความถึงคนที่ฉลาดเดียวๆแล้วก็โง่ต่อไงล่ะวะไม่รู้ไอพรกลด่าไอชาตยังไงบ้างเห็นทำปากขมบขมิดไอชาตรู้ตัวดีและปลีกตัวห่างออกไปทางปีกขวาของรูปขบวน ส่วนกลายเป็นส่วนปีกไปในตัวเมื่อพื้นที่เริ่มเป็นป่าปโปร่งสลับไม้ภุมิตอนที่7เสียงวิทยุดังขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกับจับทิ่จาดาวเหนือเงนหน้าขึ้นไปมองพอดีสามครั้งจากรซารลมสองเปลี่ยนนักบินเรียกตรงหาพันตรีโรเจอร์เพราะความคุ้นเคยที่มีต่อกันมาก่อนแต่บังเอิญเครื่องของพันตรีบริกันไม่ได้สแตนบายบนความถี่นี้ก็เลยรับไม่ได้โอเคซารลมสองทุกอย่างส่งมาที่ผมก็ได้เปลี่ยน โอเคนอสตาผมกำลังมีข่าวถึงคุณพอดีเลยตอนนี้ผมตรวจพบ VC ีประมาณ 30- ถึงห้าิคนทั้งตะวันตกของคุณห่างไปประมาณหถึงหกกิโลเมตรเห็นจะได้รู้สึกว่าพวกนั้นเคลื่อนที่แบบลูกขบวนหน้ากระดานกันนะเปลี่ยนทิศทางที่พวกมันกําลังมุ่งไปละ่ะเข้าหาที่ตั้งคุณปัจจุบันนั่นแหละโอเคขอบคุณซาโลม2เรื่องอื่นมีอีกไหมเปลี่ยนก็มีแต่เรื่องของฐานลาวชุดไวแคสนั่นแหละตอนนี้ละลายไปหมดแล้วก็ดีสมน้ําหน้าซ่านักไม่มีความรู้สึกอันใดทั้งสิ้น เพราะความหมั่นไส้ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมทหารลาวไอ้เนองมักไม่ค่อยมีวินัยในการรบสักเท่าไหร่เก่งแต่วางมากที่โมเหมือนกับนักรบแก้บนจ่าดาวเหนือล้วงแผนที่ออกมาจากซอกอกอีกครั้งและพิจารณาเส้นทางเคลื่อนที่จากพิกัดเวียดโกงตามรายงานของซารม์มมายังจุดพิกัดที่ตัวเองกําลังเดินทางอยู่ขณะนี้เป็นไงเนอะตาผมหมายถึงสถานการณ์กับการปฏิบัติของฝ่ายเรานะ่ะพันตรีโรเจอร์ต้องรีบแจ้งรายละเอียดของคำถามทันทีเพราะกลัวหน้าแตกเนื่องจากคําถามไม่เคลียร์ จ้าดาวเหนือรู้แล้วว่าอะไรคือความในใจของคนถามจึงได้แต่ยิ้มยิ้มก่อนจะตอบอย่างน้อยสามชั่วโมง V ีซกลุ่มนี้จะตามเราทันจนถึงที่นี่รู้สึกว่าเรากําลังถูกบังคับให้เล่นเกมซะแล้วละครับเมเจอร์ hmm. ก็ไม่แปลกนี่น้องสตาร์ก็ดีผมชอบโอเคคุณว่ามาเลยดีกว่าว่าเราควรใช้แผนไหนดีเมเจอร์ mm hmm. พูดอย่างกับผมเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลพร้อมที่จะให้กดออกมาได้อย่างนั้นแหละไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะเราต้องช่วยกันหลายๆคนเพราะถึงยังไงทุกคนต่างก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันทั้งนั้น เอานะ่าถึงคุณจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่ประสบการณ์กับการคาดการณ์ของคุณนะมันเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นผมจึงว่าคุณตัดสินใจได้เลยทุกคนยอมรับอยู่แล้วโอเคไหมนี่คือความจริงของพันตรีเมริกันที่มีความเชื่อมั่นในตัวจ่าดาวเหนือท้ายประโยคนั้นพันตรีโรเจอร์เอื้อมมือตะปบลงบนไหล่จ่าสิบเอกแม้ไม่แรงนักแต่กระแสความรู้สึกของความเป็นชายชาตินักรบผู้มีสํานึกในขีดความสามารถของเพื่อนร่วมทีม ถ่ายทอดสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจของจ้าดาวเหนือได้อย่างสนิทแนบโอเคลุยไปลุยอย่างดีก็แค่ตายพูดเสร็จถาล่าก้าวเร็วแซงหน้าไอวิทย์ไอเชษ ท, ที่หมายคือจ่ายยุทธพงศ์ข้างหน้าระยะ200เมตรโดยมีพันตรีเมริการก้าวขายาวๆตามไปติดๆจากการที่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมานับครั้งไม่ถ้วนโดยเวลานับแรมปีกับภารกิจที่แปลงเป็นเงินได้ขนาดน้องๆมหาเศรษฐีถ้าเก็บไว้ได้ครบทุกดอลลาร์ทุกเซน ทำให้ชีวิตของคนสองสัญชาติรักกันได้อย่างสนิจใจมีใหญ่ว่าอเมริกันอีกสองคนท้ายขาบวนจะมองดูด้วยความสงสัยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่การตรวจพบเบียดกองแน่เพราะถ้าตรวจพบก็ต้องสั่งการเตรียมรับมือสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถามหยุดเว้ยจ่า ย, ยุทธพง์หยุดขบวน ท, ทันทีพร้อมกันนั้นไอ้เล็กคู่บัดดีชา้าตัวเองล้ำหน้าตอบอีกจนถึงระยะเกือบหนึ่งรอเมตรตามสภาพภูมิประเทศเพื่อเป็นการระวังหน้าแทนจ่า ย, ยุทธพงศ์ ที่ต้องหยุดรับแผนงานจากหัวหน้าทีมนั่นเองเชน่นกันกับที่คนอื่นๆก็ต้องหยุดด้วยแล้วขยายวงออกตามหน้าที่ที่เคยปฏิบัติกันมาจนชินเพื่อเรากําลังตามมาว่ะโอวีสิเป็นคนบอกเนะพี่คนรายงานมาเมื่อกี้นี่เองคาดว่ามีกําลังประมาณหกสิบคนงานเนี้ยแม่งเตรียมจัดลุกขบวนโจมตีมาตั้งแต่ระยะไกลหกกิโลเมตรเลยว่ะคงเอาจริงมั้งพี่กูก็เห็นว่ามันจริงลุกครั้งนั่นแหละเอาว่ะมันจริงเราก็จริงด้วยซักก็หมดเรื่องไอ้เวเนเฮ้ยกูเลยไม่อยากฆ่าคนเลยว่ะฮะ พี่นะไม่อยากฆ่าคนโอ้ยอกีแป้นจะแตกอีแป้นแม่มึงหรือไอชาติไอาชาติที่อยู่ดีไม่ว่าดีด้านเอามือตีอกตัวเองหย่ำใส่หัวหน้าทีมก็เลยโดนย้อนชนิดแสบถึงกลืนแม่มันไม่ได้ชื่อแป้นพี่แม่มันชื่อเยนวลโถไอวิศไอเสือเท่านั้นก็พอจะเรียกเสียงหัวล้อได้บ้างสําหรับคนที่มีอาชีพเอาชีวิตแขวนไว้กับเส้นดย้ย่างนักล่ารับจ้างแม้จะยังไม่รู้ว่าบัดนี้สหายหัวแดงอันธถานระดับโลกจะอยู่ใกล้หรือไกลเพราะยังไม่มีการสั่งการ แต่หัวใจของพวกเขาทุกคนตั้งเต้นระทึกนับเป็นความหวังใหม่สําหรับวันนี้เกมการฆ่าคงจะมาถึงในเวลาอันใกล้แน่เพราะส่วนหนึ่งของประสาทสัมผัสที่หเริ่มกระส่ากินเลือดและความตายบ้างแล้วพี่จะรอรับมือมันงั้นเหรอก็แล้วเรามีทางเลือกอื่นไหมล่ะวะผมว่าเราน่าจะรีบไปที่ภารกิจของเราก่อนนะไงๆก็เอาศพอเมริกรันมาเก็บไว้ในมือให้ใจเย็นก่อนแล้วค่อยเล่นกับของแถมพวกนี้ต่อก็ได้ มันจะไม่ง่ายอย่างที่ว่าหรอกวะ่ะพราอ้พวกเนี้ยมันก็จะตามเราไปจนถึงที่สุดนั่นแหละแล้วมันก็รู้แล้วว่าเราจะไปที่นั่นกันรองแบบนี้กูว่ามันคงเตรียมรับมือเราไว้เพียบแล้วเราหยิบเข้าไปเมื่อไหร่ไอ้แก้วได้หัวราะกันจนเหงื่อแห้งแน่เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งเสียงเข้าไปเลยดีกว่าวะ่ะงั้นเราก็ต้องใช้แผนสกัดกั้นอย่างเดิมสิพี่จ่าดาวเหนือมองหน้าเพื่อนรุ่นน้องเรายิม้มขนถูกมองต้องแก้เกิดด้วยการหลบสายตาเหมือนจะรู้ว่าตัวเองเกิดช่องว่างให้อำม ไ, ได้อีกแล้วแต่่่่ครราาาาวววนนนีี้้้ััักกกออปะจจํํชุดดยยเใใหทงทงทงทลงพูู เดี๋ยวนี้ไอคิวสูงขึ้นแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเตรียมเรื่องพื้นที่ตั้งรับเริ่มสั่งการแล้วเหลียวซ้ายแลขวาสำรวจด้วยตัวเองก่อนไม่แน่ใจนักก็เลยกลางแผนที่ออกประกอบคราวนี้ต้องก้มๆเงยๆมองดูเนินสองสมลูกท่างทิศไปสู่เป้าหมายภารกิจแล้วตัดสินใจทันทีงั้นเอาสั่นเนินที่ถัดลูกยอดแบนๆนี้ไปก็แล้วกันเนินลูกนั้นจะออกนอกเส้นทางไปเป้าหมายของเราเล็กน้อยไอแก้วมันต้องขึ้นทางลาดขวาแน่เพราะเส้นทางบังคับพูดยังไม่ทันจบ าดาวเหนือก้มตัวลงกำฝุ่นเต็มมือยืนขึ้นแล้วโรยฝุ่นนั้นลงพื้นหลายคนมองตามพอรู้แล้วว่านี่คือการเช็คทิศทางลมขณะนี้พัดจากไหนไปไหนชิบหายสิวะลมพัดเข้าหาเรานี่ว่าดูเหมือนทุกคนที่เห็นจะเกิดอาการใจหายว่าก่อนแม้จะไม่มีใครบอกเพราะมันหมายถึงการหมดโอกาสเช็คกระสุนแก๊สผิดทาการสกัดการการบุก ข, ของศัตรูกระสุนธรมธรมดาอาจมีอานาจน้อยไปสาหรับเป้าหมายที่เป็นพื้นที่ หรือจะสังหารคนทั้งกลุ่มให้ดาวดิ้นไปพร้อมๆกันในฐานะหัวหน้าทีมต้องแก้ไขเกมนี้ยิ้มเครียดยามเมื่อเจอปัญหาปรากฏขึ้นที่มุมปากอีกครั้งกับสายตาที่วาวโรดแบบคนไม่ยอมแพ้รั้งสายตาจากแผนที่เราเพ่งไปทางทิศที่เวีท ก, กงกำลังมานั้นด้วยอาการขบกรามแน่นคิดอะไรไม่ออกสะบัดหน้าสองสมทีแล้วหันไปทางพันตรีโรเจอร์เมเจอร์ครับเราจะรู้ไหมว่านอกจาก VC ชุดนี้กำลังตามเรามาเนี่ยกับชุดที่ฟาดฟันกับไปลาวไวกแคทนั่นน่ะ ยังจะมีชุดอื่นที่อยู่ในรัศมีใกล้เราอีกไหมผมหมายความว่าเมื่อคืนเนี่ยทางบอกอได้ส่งเครื่องบินและตัวเองขึ้นถ่ถถถถายภาพบ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเช็คกับเคอรเนลนอร์แมนเองปกติต้องขึ้นทุกคืนอยู่แล้วนะเพราะนั่นเป็นคําสั่งของผมเองพันตรีโรเจอร์จัดการเรียกวิทยุทันทีตามความถี่ในแบนที่สแตนบายไว้แล้วจากดาวเหนือใช้เวลารอคําตอบด้วยการวิเคราะห์แผนที่อีกครั้งเพราะยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศอีกหลายอย่างที่เขามองข้ามไป เลือมองเวลาครั้งหรื อ, อ ก, กว่า2ชั่วโมงตามคาดการว่าเวียดโกงชุดนั้นจะมาถึงที่นี่โอเคนอสตาเมื่อคืนนี้ตรวจพบ1จุดใหญ่กับ2จุดเล็กเอาจุดใหญ่ก่อนแล้วกันตรวจพบที่ระยะ12กิโลเมตรทางิศ40ดีกรีจุดเล็กอยู่ที่ระยะ4กิโลเมตรทางทิศ45ดีกรีใกล้เคียงกับจุดใหญ่แล้วก็ยังมีจุดเล็กอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ระยะ5กิโลเมตรทิศทาง80ดีกรีจุดใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งปืนใหญ่นะส่วนจุดเล็กคาดว่าจะเป็นหน่วยจรยุทธธรรมดา ทั้งหมดเนี่ยกำลังกำลังเคลื่อนที่มาจากเมืองล่องแจ้งทั้งนั้นจ้าดาวเหนือถึงกับอาการทะลึ่งพรวดยืนขึ้นเต็มรางเมื่อฟังข่าวสารจากบอกอจบเล่นเอาหลายๆคนเป็นงงไปตามๆกันพราะไม่แน่ใจว่าหัวหน้าทีมกําลังคิดอะไรสมองนะักฆ่าจอมอัจฉริยะทบทวนสถานการณ์ห่วงที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วชัวเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสิ่งที่อยู่ในสมองก็พลั่งพลูออกมาสู่ทุกคนได้ฟังเราเล่นงานมันมาหนักมากในะระยะหลังเนี่ย ยุทธวิธีที่เวทกงไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้แม้แต่เพียงปรากฏล่างให้เห็นคราวนี้เวทโกงจะใช้ยุทธวิธีใหม่แบบที่ไม่ยอมให้เราเห็นตัวเป็นอันขาดกรณีตัวอย่างก็คือกับระเบิดที่เราทำงานนั่นน่ะเวทโกงใช้วิธีกดดันเงียบกระทั้งโ V วีสทั้งสองลำตรจการไม่พบแม้จะใช้เครื่องมือที่แสนวิเศษสักแค่ไหนก็ตามคราวนี้ก็เช่นกันที่มันต้องใช้วิธีกดดันเงียบแล้วจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายเรา ในขณะเดียวกันน่ะอาวุธที่มันจะใช้กับเราก็คือปืนใหญ่120มิลจากแหล่งกําลังจุดใหญ่ระยะ12กิโเมตรแล้วมันก็จะเพิ่มเติมด้วยคอปอลรอสหรือไม่ก็าจะเป็นปืนกล 12.7 มิลกระสุนกระทบแตกจากจุดเล็กสจุดเนี่ยเราต้องหาทางหลบอาวุธยาวพวกนี้ให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยหาทางดัดหลังมันอีกทีนี่เป็นเพียงแผนการแบบคร่าวๆยังไม่มีรายละเอียดลูกทีมที่ฟังการประมาณสถานการณ์จากหัวหน้าทีมรู้สึกร้อนๆหนาวๆพิส่งปืนก ล, ล 12.7 ม mm, ม แบบกระสุนกระทบแตกที่ลือลั่นนั้นทุกคนในขบวนการนักล่ารับจ้างรู้จักกับมันดีแม้ยิงไม่ตรงเป้าหมายแต่อํานาจสเก็ดกระสุนที่แตกตัวออกมาจะสาดกระจายไปทั่วกระทังกายเป็นดาวกระจายพุ่งบานออกไปเป็นปากกลวยโอกาสที่จะแจ็คพอตเจอเข้ากับชินนั้นช่างง่ายดายเหลือเกินจ่าดาวเหนือพับแผนที่ซุกเข้าซอกอกเราเหน่อยหน้าศพตาพันตรีโรเจอร์อีกครั้งเราจะหาทางถล่มฐานปืนใหญ่ฐานนั้นก่อนได้ไงครับเมนเจอร์ Major? ส่งกําลังบางส่วนเข้าโจมตีมันโดยเฉพาะเลยได้ไหม ถ้าทาได้ก็ดีแหะครับเพราะจะทําให้ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังแต่ผมว่ามันจะทําไม่ได้สิครับเหตุผลไม่เห็นจะยากเลยเมเจอร์องมันมีฐานที่ตั้งปืนใหญ่แบบนี้แล้วก็ที่ฐานมันก็ต้องวางกําลังคุ้มกันเต็มที่เลยล่ะป้องกันทางพื้นดินด้วยกําลังฐานราบป้องกันทางอากาศด้วยปตอหรือจ้าหวดแซมเจ็ดหรือแม้แต่ที่ตั้งหญิงก็ต้องมีการกาําบังซ่อนพรางลวงพรางกันอย่างเต็มที่แม้แต่การส่งลงของเราก็ต้องส่งให้ห่างไปเจ็ดแปดกิโล กว่ากําลังส่วนนี้จะได้เข้าตีหรือดําเนินกลยุทธ์ผมว่ามันคงยิงเราหลายนัดเราด้วยซ้ำเพราะ VC ชุดนี้จะมาถึงเราก่อนก่อนที่จะมีการส่งลงเมเจอร์ดูแค่กําลังที่ส่งมาเสริมให้ชุดไว c a ทนั่นก็ได้ป่านนี้ยังลงไม่ได้เลยผมว่ากว่าจะส่งลงเรียบร้อยนะ VC มันคงเดินกลับไปเวียดนามหมดแล้วหรือไม่ก็สร้างพื้นที่สังหารเสร็จพร้อมรับพอดีพันตรีโรเจอร์เดี๋ยวไปมองทางทิศ ท, ที่แววเสียงเครื่องบินนั้นยังไม่ตั้งใจมองไม่เห็นพอระยะไกลเกินแต่ก็พอนึกภาพออกว่าเป็นอย่างไร เกือบจะดึงวิทยุออกมาถามไปทางนั้นอยู่แล้วพอดีคิดได้ว่าแม้แต่จ่าดาวเหนือยังไม่สนใจแล้วตัวเองจะไปสนทําไมจริงอยู่แม้ตัวเองจะต้องรับผิดชอบงานด้านยุทธการทั้งหมดก็ตามแต่งานนี้เป็นเรื่องของนม้ทหารยุทธการของเราเองที่จะต้องดําเนินการแก้ไขสู้มาหาหนทางแก้ปัญหาของตนดีกว่าถ้ า, างั้นจะเรียกว่าเราคงอาศัยพึ่งพาทหารลาวทหารมงพวกนี้ไม่ได้เลยสินะและทหารเสซอรพลันของไทยละ่ะคุณว่าพอมีทางไหม ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กําลังทหารราบที่จะเข้าโจมตีหรอกครับเมเจอร์แต่ปัญหามันอยู่ที่การส่งลงต่างหากไม่ว่าจะเป็นทหารไหนๆถ้าอยู่บนหอลแล้วถูกสอยร่วงลงมาด้วยแซมเต่อให้ทหารเทวดาผมว่ามันก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นแหละเอ๊ะถ้างั้นรองแบบนี้ไม่แต่การโจมตีทางอากาศก็ทำไม่ได้อีกล่ะเพราะทุกเครื่องบินน่ยก็รวมเป็นเป้าหมายของแซม7ทั้งนั้นโอเคนอสตางั้นเราใช้ปืนใหญ่ยิงใส่มันบ้างเป็นไงส่วนผู้ตรวจการหน้าก็ใช้บงเครื่องบินตรวจการให้ก็ได้ดีไหมดีครับถ้าทําได้แล้วก็ดีที่สุดด้วย แต่ก็ไม่มีทางทําได้เพราะที่ตั้งฐานปืนใหญ่ของเราอยู่ไกลเกินที่ใกล้สุดก็คือฐานบ้านป่าตองซึ่งอยู่ห่างไปตั้งเกือบ30กิโเมตรเกินระยะยิงของปืน155คัเมเจอร์ Major. เหลือวิธีสุดท้ายคือเล่นเกมนี้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้นแหละพันตรีเมริการอึ้งทันทีไม่ใช่ว่ากลัวตายหรือกลัวลําบากแต่กําลังคิดอยู่ว่าจะใช้ลูกเล่นตํำราไหนดีเท่านั้นถึงเวลาที่ไม่มีโอกาสได้ใช้กระสุนแก๊สผิดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ อ, อําน่วยเช่นนี้จําเป็นอยู่ดีที่ต้องใช้วิธีการอื่น จังหวะที่จ่าดาวเหนือยืนขึ้นเตรียมสั่งการชุดนําเรื่องการเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ตั้งรับครานเสียงลูกน้องก็ดังมาพอดีพี่ไอ้แก้วสคนสงสัยเป็นชุดนําของมันตอนเนี้ห่างจากเราประมาณเจ็ดแปดรอยเมตรพี่กำลังส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นนะถ้าทามันเอาจริงนะพี่จ่าดาวเหนือยิ้มอยู่คนเดียวขณะที่ทุกคนกําลังเครียดเมื่อยังนึกไม่ออกว่าจะเล่นเกมกับกําลังส่วนใหญ่ที่ว่านั้นอย่างไรเพราะลักษณะภูมิประเทศไม่ค่อยเหมาะสมนักไม่รู้เหมือนกันหัวหน้าทีมยิ้มทําไม ดีดีมากวันนี้เป็นวันดีที่ไอน้นพได้เลิกเป็นคนฉลาดขึ้นหลังจากที่โง่มานานเกือบเท่าอายุเท่านั้นแหละจึงถึงบางอ้อว่าหัวหน้าทีมยิ้มทําไมที่แท้ก็เพราะไอน้นพราย ง, งานข่าวได้ละเอียดโดยไม่ต้องให้ถามย้อนอีกนี่เองอารมณ์ขันคราวนี้คงมีเวลาให้ไม่มากแล้วมันสมองของนักฆ่าจอมอัจฉริยะก็ฉายแววแห่งความปราดเปลืองอ้อไม่ครั้งเมื่อสายลมกันโชคเข้ามาประทะใบาหน้านพวิชชาติเอาแก๊สพิษไปวางดักว่ที่ระยะห้ารอเมตรคนละลูก เดี๋ยวกูจะใช้ปืนยิงให้มันทํางานเองลมเข้าหาเรานะพี่กูว่าแล้วไอน้นพมึงนี่ฉลาดไม่จริงนี่หว่าไอโง่หน้ากากมึงมีเอาไว้ทําไมวางใส่เข้าไปสิวะถ้าไม่ใส่ก็ไปให้แกวมันใส่ซะไอ้โง่ไอ้โง่เพื่อนอีกสองคนซ้ําทันทีเป็นการเสริมไอ้นพตีหน้าเจรอนเพราะจริงอย่างที่เพื่อนพูดไม่มีเสียงใครพูดอะไรต่อสมมือระเบิดจริงย้ายตัวเองเออกไปทํางานตามคําสั่ง ตอนที่8กําลังส่วนที่เหลือแยกย้ายกันเข้าที่แห่งใหม่จากตําแหน่งป้องกัน ร, รอบตัวมาเป็นเฉพาะด้านมองเห็น3มคนรัดล้อพุ่มไม้อย่างชัดเจนจึงสามารถเหลือที่กําบังไว้ให้ทั้งนี้เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนอีกทั้งไมให้สิ้นเปิงกําลังโดยไม่จําเป็นอีกด้วยจากดาวเหนือนั่งเคียงข้างอยู่กับพันตรีโรเจอร์มองดู3าคนนั้นหายไปในราวปากแล้วเหลียวมาดูลูกทีมบ้างที่น่าประทับใจเป็นที่สุดได้แก่พันตรีคอรลิน ที่เฉลวร้อยเอกแบ็กเบิร์ตตามไปสมทบทางด้านจ่ายยุทธพง์ซึ่งรับงานปีกขวาด้วยความเอาจริงเอาจังกับเกมนี้ร้อยเอกแบ็กเบิร์ตผู้เปรียบเสมือนน้องใหม่แห่งขบวนการทําท่าเคลื่อนตัวด้วยการโผล่เข้าหาที่กาําบังที่ละที่ที่ละช่วงหยุดยืนพิงโคนไม้ใหญ่ตรวจสอบไปทางเวีทกองก่อนแล้วจึงโผล่ต่อในขณะที่นักล่ารับจ้างคนอื่นๆไม่ได้สนใจเรื่องการกําบังมากนักพอรู้อยู่ว่าเวีทกองยังอยู่อีกไกลพันตรีโรเจอร์หัวเราะเบาๆเมื่อมีความขันในอารมณ์ที่เห็นร้อยเอกแบ็กเบิร์ต เราหันมาคุยกับจ่าด้าวเหนือต่อนอสตาคุณกําลังรอเล่นกับมัจุราชนะไม่เป็นไรครับพอมัจุราชกับผมมาเป็นบัดดี้กันเมเจอร์ Major หมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจก็ไอระเบิดแก๊สพิษที่คุณกําลังจะใช้เนี่ยสิถ้าหากน้ ก, กับป้องกันไอพิษมันเกิดทรยศขึ้นมาคุณจะทํำยังไงใ น, นเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่าลมกําลังพัดเข้ามาหาเราน้ ก, กักป้องกันไอพิษทรยศหมายความว่ามันใช้การไม่ได้ว่างั้นเถอะเอ๋อันเนี้ยผมว่าเราคงต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ผลิตได้แน่ๆเลยจจรงมมเเอ์ ผมไม่โจรกับคุณหรอกนะนอสตานั้นผมขอถามอีนิตคุณจะใช้ระเบิดแก๊สรูปเนี่ยสังหารเวทกองยังไงผมยังมองรูปแบบการใช้ไม่ออกเลยจริงๆให้ตายสิเอาเดี๋ยวเมนเจอร์ก็รู้เองเลยนะงานเนี้รับรองมันแน่ครับก็เลยยังไม่รู้ว่าแผนของเกมนี้เป็นยังไงอีกนั่นแหละจากดาวเนี่ยขณะจดจ้องสายตาอยู่ที่มือระเบิดทั้งสามนั้นก็กว่าวิทยุขึ้นมาอีกคข้างเตรียมสั่งการนบออกขวายทักสิบเกสิวะเอาตรงใกล้ซุ้มหาอะไร น, นั่นอะไอ้นบฉีดตัวเองห่างออกไปทันทีตามสั่งในวิทยุ มองซ้ายขวาแพรบเดี๋ยวก็รู้ว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนส่วนอีกสองคนเมื่อไม่มีคําสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงก็คงใช้ดุลยพินิษฐ์ของตนเองด้วยการมองย้อนกลับหลังว่าณจุดที่วางระเบิดนั้นอยู่ในเส้นเล็งหรือไม่เมเจอร์คอยยิงลูกที่นอเป็นคนวางนะครับอีสองลูกนี้ผมเองแบ่งให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนพร้อมกับเป็นการช่วยกันจําอีกด้วยงานนี้กระสุนนัดเดียวเท่านั้นที่จะใช้ตัดสินดังนั้นจึงพลาดไม่ได้จากดาวเหนือสั่งการสามมือระเบิดแก๊สพิษต่อไปอีก เมื่อเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จแล้วไอ้สองคนไม่โง่กัไป้หนึ่งคนโง่ไปปากหลักกดดันเงียบทางซ้ายของไอ้หนึ่งคนโงนะ่นั้นคอยยิงแก๊สพิษตอนที่กําลังส่วนใหญ่ของมันถอยกลับหลังไงๆก็คอยสั่งการด้วยก็จะดีนะเสียงสองคนไม่โง่ซ้ำเติมหนึ่งคนโง่ดังมาพอได้ยินโดยเฉพาะเสียงไอ้นกที่ถูกกาหนดให้เป็นคนโง่ออกจะดังกว่าคนอื่นไอ้เปรตชาติมึงก็เป็นคนไม่โง่ก็ไม่ได้หมายความว่ามึงเป็นคนฉลาดนะเว้ยเอาไอา้เวนคราวนี้กูว่าโง่ทั้งสามนันะ พ่อมึงกําลังมามันกําลังควนหาลูกชายมันอยู่มันระวังตัวเต็มที่อยู่แล้วยังเสือกชักช้าเอ้อรเหยลอยลมมาถกเถียงกันอยู่ใครโง่งกันอยู่ได้ไอ้พวกนี้ไม่ตายไม่เข็ดเซียวจ่าดาวเหนือด่าทับไปทั้งสามคนทางวิทยุปรากฏว่าได้ผลเมื่อสามมือระเบิดไม่ฉลาดต่างชาร์เร็วรัดล็อกําบังไม้พุ่มหยัดตัวเองเข้าไปในดงหนามเล็บเหี่ยวที่ออกจะทึบเอาการหัวหน้าทีมมองดูอาการยักแย่ยักยันของลูกทีมที่กระดึบกระดึบตัวเองฝ่ากิ่งหนามอันหนาทึบด้วยแววตาคบขัน นับว่าคุ้มค่าพอสมควรเพราะเวียดกงคงไม่คิดหรอกว่าจะมีใครกล้ามุดเข้าไปแฝงกายอยู่ในนั้นไอ้คนโง่หมายเลยสามคนหลังสุดระวังร่องรอยหน่อยนะเว้ยคลานเข้าไปพร้อมๆกันแบบนั้นะ่ะรอยมันใหญ่ข้างนอกจะจับได้นะมึงไอ้มนเจ็บคนเดียวกว่าจะส่งกลับได้ถ้าลากเลือดนี่เจ็บพร้อมกัน3าคนกูปล่อยมึงหน้าปากเสียเสียงลูกทีมคนหนึ่งในจํานวนสาคนพูดตอบแต่ไม่ได้กรอกเสียงลงในวิทยุคนที่ถูกว่าจึงไม่ได้ยิน ไม่นานนักสามร่างนั้นก็หายเข้าไปในดงทึบของเล็บเ ย, ยวเวลานั้นจึงเป็นการรอพี่มาแล้วสี่คนนำทางในมือมีแต่อากา้าถ้าทางรองตัวหน้าดูเลยพี่มันไม่ยอมข้อหาที่กำบังซะด้วยแถมยังพยายามห่างอีกสงสัยจะรู้แก้วเรื่องกับระเบิดตอนนี้เหลืออีกประมาณสองรอยเมตรถึงจะถึงแนวของไอ้สามโง่พี่จ่ายุทธพงศ์รายงานเข้ามาเพราะแกคนเดียวเลือกจุดวางตัวสูงกว่าทุกคนนั่นคือเหตุผลที่คนยังเขาเลือกเอาตำแหน่งปีกขวาเพราะสามารถตรวจการได้ เห็นกำลังส่วนใหญ่ของมันหรือยังยังเลยพี่นี่ขณะผมใช้กล้องสองสองตานะพี่สงสัยจะนําห่างมากเลยคราวเนี้ยโอเคดูต่อไปสั่งการแล้วขยับขยายตัวเองหาที่กําบังบางหลังจากพันตรีบริการลงไปก่อนทั้งสองคนใช้เพียงพุ่มไม้บางๆเท่านั้นเป็นที่หลบแฝงร่างเพาไม่ได้คิดจะใช้เป็นที่กําบังกระสุนแต่กะเอาแค่กําบังการมองเห็นเท่านั้นจ่าดาวเหนือ ย, ยังใจเย็นพอที่จะลงบุหรี่มาจุดสูบในขณะที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าแผนการครั้งนี้จะมีความเป็นไปได้สักแค่ไหน ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนย่อมหมายถึงชัยชนะแต่ถ้าเป็นไปทางตรงกันข้ามกับผลที่ออกมาก็ต้องตรงกันข้ามด้วยมาถึงเวลานี้แล้วพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ไม่เพียงเท่านี้นที่คนเป็นหัวหน้าทีมต้องคิดเรื่องมันยังต้องไปไกลหลุดจากเวทกงชุดนี้ก็จะมีชุดอื่นๆเข้ามารับหน้าที่ต่อนั่นหมายความว่าความรุนแรงจะต้องเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนเกมจะยากขึ้นปัญหาต่างๆจะพร้อมกันกระดังเข้ามาถึงกระนั้นคนยังจะาดาวเหนือก็หาได้ย่อท้อไม่ในบางครั้งกับนึกพอใจเสร็จด้วยซ้ํา ที่มีเรื่องหนักๆเข้ามาให้เล่นว่าสายตามองตามแนววางตัวของลูกทีมที่บัดนี้หายวับไปหมดแล้วงานแบบนี้ไม่ต้องสั่งการก็ได้เพราะทุกคนพร้อมเป็นอย่างดีนานเหมือนกันที่วิทยุของจ่ายุทธพงศ์เงียบไปคงเป็นเพราะเวยียดกองชานั่นแหละพี่มาแล้วส่วนใหญ่ที่พี่คอยเห็นตอนเนี้ยสัก30สคนเป็นแนวหน้ากระดานเคลื่อนที่ระวังพร้อมยิงเต็มตราสงสัยมันรู้ที่ตั้งเรานะพี่มันเล่นโผเข้ามาทีละกำบงังกำบังเลยพี่ ไอ้สคนนําเราไม่เห็นโผล่เลยวะหมอบอยู่หน้าไอ้สามคนโง่พอดีเลยพี่ระยะห่างสักสาบเกเห็นจะได้สงสัยไอ้สมโง่คงหายใจไม่ทั่วท้องหรือไม่ก็หัวใจวายตายไปแล้วก็ไม่รู้ทั้งสองจ่าหัวเราะเบาๆในลําคอเพราะรู้ดีว่าสามคนที่ถูกกล่าวถึงนั้นคงคันปากยิบๆอยากจะพูดตอบโตเป็นแน่แต่จนใจที่ไม่สามารถใช้เสียงอะไรได้จ่าดาวเหนือวิเคราะห์ทันทีที่เห็นวีย ก, กงจับข่าวการเคลื่อนไหวของฝ่ายตนได้แน่ การที่มันแกะรอยมาได้อย่างถูกต้องเช่นนี้ถ้าไม่มีใครบอกมันจะรู้ได้ยังไงที่มันไม่บุ่มบ่ามเคลื่อนที่เข้าหาเช่นนี้ก็พอจะใช้เป็นเครื่องยืนยันได้อีกว่ามันต้องรู้ตัวล่วงหน้ามาแล้วไม่ต้องตอบข่าวจากยุทธพงค์เพราไม่มีคําถามจากดาวเหนือมือดแปด้านกับความฉลาดของเวทโกงคราวนี้พยายามตั้งคําถามและตอบด้วยตัวเองว่ามันรู้สถานการณ์ฝ่ายตนได้อย่างไรพอดีเสียงจากยุทธพงค์ดังมาอีกได้ผลพี่ได้ผลไอ้สี่คนนําเริ่มเคลื่อนตัวต่อมาอีกแล้ว พี่คงเห็นแล้วนะผู้ส่วนใหญ่ก็ตามมาด้วยแล้วตอนเนี้ยห่างจากสี่คนนำประมาณสองร้อยเมตรเห็นจะได้ยังอยู่ในอาการระวังอย่างเดิมเก็บภาพการเคลื่อนที่ของกําลังส่วนใหญ่ไว้ในความรู้สึกจากดาวเหนือต้องเบนความสนใจมายังภาพปรกากฏขณะนี้เวื่อกงชุดนำสี่คนเดินหน้ากระดานเทียงกันโดยระยะห่างสิบถึงสิบห้าก้าวสายตาของมันพยายามมองสูงขึ้นมาเหมือนจะสำเนียกภัยบางอย่างเท้าที่ค่อยๆก้าวแล้วเหยียบลงพื้นอย่างบรรจงเหมือนเกรงว่าพื้นดินจะช้ําอย่างนั้นแหละ ทั้งสเวทกงคงจะเข็ดเรื่องกับระเบิดเอามากๆพอเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่มีใครเข้าไปแฝงกายหลบตามโคนไม้ใหญ่หรือเฉียดกายเข้าไปใกล้ไม้พุ่มเลยทั้งสี่คนเลือกเอาพื้นดินโลง่งๆเป็นเส้นทางเคลื่อนตัวเพราะเชื่อว่าสามารถตรวจการหาที่ตั้งกับระเบิดได้เป็นอย่างดีแต่หารู้ไม่ว่าในะบริเวณที่ห่างตัวมันไปเพียงไม่กี่ก้าวมีกับระเบิดจํานวนสามลูกรอดักอยู่และมันไม่ได้อยู่ใต้ดินอย่างที่มันเคยอยู่ แต่เดนไปขัดอยู่กับกิ่งไม้งามด้วยระดับความสูงเพียงเอลของคนเดินเสียนี่และนี่คือขีดความสามารถอย่างหนึ่งที่นักล่าลับจ้างกระทําการเรารอดจากการสังเกตของเวียดกงไปได้นับว่าเป็นการดาวใจฝ่ายตรงข้ามครั้งนี้นักล่ารับจ้างทําได้ถูกต้องจริงๆความจริงใกล้เข้ามาเมื่อเวียดกงสี่เดนตายผ่านแนวกับระเบิดแก๊สผิดแบบมองข้ามที่สูงมาแล้วสายตาทั้งแปดวงคงให้ความสนใจเฉพาะตามพื้นดินเท่านั้นระยะแรกเพิ่งผ่านมาได้แค่ไม่ถึงสิบก้า ต้องปล่อยให้เข้ามาอีกนิดบรรดานักล่ารับจ้างพากันขยับหน้ากากป้องกันไอพิเทหกระชับขึ้นจนเป็นที่แน่ใจว่าไม่มีอากาศภายนอกเข้าสู่ปอดตามช่องที่ไม่ต้องการได้แล้วจึงกลับมาสนใจกับเป้าใหม่อีกครั้งระยะ29ต่อมาคิดว่าถึงเวลาเสธีกระสุนจากระบอกเก็บเสียงดังเพียงแค่ลมเป่า ป, า, ปากลากล้องพุงเขาจับกิ่งไม้ที่ขัดตัวอัดลูกระเบิดไว้ระเบิดที่ปลดสลักนิรภัยรอการดีตัวของกระเดือ่อง เมื่อไม่มีกิ่งไม้ขัดจึงได้รับอิสระภาพดีดตัวเองปล่อยให้เข็มแทงชนวนทำหน้าที่ทันทีนัดที่สองเป็นของพันตรีอเมริกันและนัดที่สามสำหรับลูกสุดท้ายกลับมาเป็นของจ่าดาวเหนือเสียงระเบิดที่อาจจะดังค่อยกว่าระเบิดสังหารอยู่บ้างแต่ก็ยังดังพอที่คนที่อยู่ห่างถึงระยะ200เมตรจะได้ยินด้วยไม่มีสะเก็ดระเบิดไม่มีควันไม่มีกลิ่นไม่มีสีนี่คือคุณสมบัติเฉพาะตัวของแก๊สแบบ a g e ทั้งสเวียดกงล้มตัวลงอย่างรวดเร็วหันกลับหลังไปมองทางทิศระเบิดอย่างพินิษฐพิเคราะห์มันคงสงสัยว่าทําไมระเบิดพวกนี้จึงระเบิดขึ้นทางด้านหลังเมื่อทั้งสคนเดินผ่านมาแล้วมันทํางานได้อย่างไรเพียงไม่ถึงอึดใจที่มีโอกาสได้สงสัยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงร้องชนิดไม่เหมือนเสียงมนุษย์ทั้งสี่คนเริ่มขึ้นเกือบจะพร้อมกันอาการเอามือกุมกระเดือกแล้วล้มตัวลงเกือกติ้งตาเลือกขึ้นบนอ้าปากกว้าง ส่งเสียงค ร, ครุ่ค้างย่างควายก่อนหมดลมหายใจตอนถูกเชืด้ดทุกอาการล้วนเป็นอย่างที่พวกมันเคยโดนตามที่บกกควบคุม22แจ้งให้ทราบแล้วทุกประการพี่ไอ้ส่วนใหญ่ข้างหลังกําลังเพนกับหลังมาแล้วพี่จ่ายยุทธพง์รายงานทันทีตามที่ตรวจพบจ่าดาวเหนือเข้าใจละ ว, ว่านี่คือการปฏิบัติแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเวียดกงในการที่จะให้รอดพ้นจากพิษของสารเคมีและที่ระเบิดเมื่อตอนเชา้าพวกมันก็คงหนีแบบนี้เช่นกันไอ้สามโง่ ถ้ามึงเห็นเล่กองสาสิบคนนั้นแล้วก็ยิงได้เลยยิงดักหน้ามันนะเว้ยอย่าลืมเผื่อทางลมด้วยล่ะความจริงมันจะมีกําลังอีกส่วนหนึ่งที่ด้านหลังไอ้สามสิบคนนี้เขาเรียกแล้วลอกแรกละลอกสองละลอกสามไปกระทั่งถึงแล้วลอกสามแสนเพราะฉะนั้นมึงดูให้ดีเรื่องการเข้าตีที่ใหมายด้วยการถมกําลังเป็นละลอกตามหลักนิยมทางยุทธวิธีของโลกคอมมิวนิสต์นี้จ้าดาวเหนือเคยเกริ่นให้ลูกน้องในทีมได้รู้ไว้บ้างแล้วดังนั้นจึงไม่ยากที่จะทําความเข้าใจแม้ในโอกาสอันสั้น นักล่ารับจ้างที่แนววางตัวเมื่อรับข่าวจากวิทยุประจำตัวแล้วก็เริ่มงานทันทีเสียงลมเป่าปากลากล้องดังมาพอได้ยินสําหรับคนข้างเคียงซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเหยื่อสังหารคงไม่มีทางได้ยินพอระยะออกจะไกลเกิน M203 SMA1 ที่ออกแบบสร้างมาโดยเฉพาะจึงไม่ต้องห่วงเรื่องระบบการทํางานกล้องเล็งขนาด16เท่าที่หลังปืนยิช่วยให้เป้าหมายระยะเกือบ500เมตรเข้ามารอยเด่นอยู่แค่ปลายจมูกคนยิงเท่านั้นแบบนี้อะไรจะไปเหลือ อาวุธเป็นเลิศคนยิงเป็นเยี่ยมก็บอกนะ ว, ว่าแม้ศัตรูปแปลงร่างเป็นเทวดาก็ไม่มีทางรอดไปได้คนที่ปรากฏยามนี้ก็คือเบียดโกงไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกคนกําลังมีอาการตามที่บกกของมันบอกไม่ผิดเพีย้ยนจากการเคลื่อนที่เข้ามาครั้งแรกเมื่อเปลี่ยนเป็นกลับหลังหันเตรี้ยมถอยหลังมันจึงกลายเป็นคนท้ายไปอย่างไม่ตั้งใจประสุนทุกกาหนดตําบลระเบิดลงบนตรงไหนก็ได้ที่เป็นการดักหน้าแล้วระเบิดตัวเองส่งแก๊สออกมาตามสายลมที่พัดเข้าหาเยื่อสังหารเบียดโกงไม่มีโอกาสรู้เลยว่า ความตายนี้แหล่งที่มาของมันอยู่ไหนแน่ศัตรูที่พอจะรู้เขาเกี่ยวกับที่ตั้งอยู่บ้างนั้นไม่ได้อยู่ทางทิศด้านหน้าที่มันกําลังถอยกลับนี่น่ะแล้วเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแนวเคลื่อนที่แบบถอยกลับทางเก่าของเวทกงงยังคงดําเนินต่อไปอย่างรีบเร่งคนเก็บคนตายถูกปล่อยทิ้งไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันมีใหญ่ว่าเพื่อนผู้ทรมานจะร้องเรียกด้วยความโหยหวนสัดปานใดคําตอบก็มีแต่เพียงคําว่าขอโทษทีเถอดสหายเราช่วยไม่ได้จริงๆ เสียงสั่งการดังหลงเล็งไปทั่วบริเวณแนวรุกที่จัดเป็นระลอกยังมีระเบียบและมีพลังในการลุกลบบัดนี้ยามที่ทุกคนต้องหนีความตายก่อนเป็นอันดับแรกทําให้แนวไม่เป็นแนวซึ่งงัายต่อการถูกโจมตีและไม่มีพลังอํานาจในการต้านยันอีกด้วยเวทกองที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเคลื่อนแนวนั้นช่างดูเสี่ยงเหลือเกินสําหรับการได้รับอันตรายร่วมกันหากศัตรูระดมยิงเข้าใส่ตอนนี้รับรองได้ผลเกินกว่าคุ้มแน่ดังนั้นจึงจําเป็นอยู่ดีที่คนระดับหัวหน้า ต้องร้องตะโกนบอกถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงร้องโอดโอยของคนเจ็บมันกลบความรู้สึกจนสิน้นนั่นเป็นตัวอย่างที่ใครๆก็ต้องกลัวไอส้สคนนำของเวทกงนั้นแน่นิ่งไปแล้วในขณะที่มือสังหารกระสุนแก๊สพิษยังไม่ลาเลิกการยิงไล่พอระยะยิงยังพอทําได้อยู่กากบาทกล้องเลงมีมาตรา ว, วัดระยะบอกไว้ด้วยทําให้คนยิงทราบตลอดเวลาว่ายัางต้องยิงต่อไป เพื่อให้ผลสังหารออกมาแบบล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวเสียงหัวหน้าทีมสั่งการส้ำหนักเข้าไปอีกโดยเฉพาะทีมงานสามโง่นั้นโดยความที่อยู่ลึกเข้าไปมากกว่าทุกคนในแนวซุ้มดังนั้นจึงมีโอกาสยิงนานกว่าคนอื่นระยะถอยของเวียดโกงกว่าสามร้อยเมตรจึงจะพ้นวิธีการยิงหวังผลของอาวุธนั้นเวียดโกงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าห้าถึงสิบนาทีซึ่งเวลานานขนาดนี้มือสังหารสามารถปล่อยกระสุนออกไปได้กว่ า, ายี่สิบนัดยิงเป็นการยิงชนิดที่ไม่ต้องแรงปราณีด้วยแล้วยิ่งง่ายขึ้นอีก จะดาวเหนือสั่งการย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องสลายกำลังมันให้ได้เมื่อมีโอกาสเพรจะเป็นการตัดเส้นหนามอีกทางหนึ่งกระภารกิจนี้ไม่สมควรจะเหลือเวทกองให้มาตามรางควานได้อีกต่อไปถึงไม่เป็นการแปลกเอาเสียเลยที่หลายๆเวทกองจากแนวรุกและลอกแรกต้องด่าวดินหมดสิ้นสภาพความเป็นคนปล่อยร่างเกลือกกิ้งกับพื้นดินนอนรอความตายที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตต่อไปเท่านั้น ตอนที่เกมาถึงตอนนี้ไม่น่าจะเรียกว่าความเงียบจากเสียงปืนพอาปกตินั้นไม่มีเสียงอยู่แล้วแต่เสียงคนขยับตัวกับการเปลี่ยนซองกระสุนเอาซองชนิดบรรจุกระสุนหัวระเบิดใส่แทงกระสุนแก๊ส ด, ดังมาให้ได้ยินสอดแทรกด้วยเสียงร้องโอดโอยของเวียดโกงบาดเจ็บจ่าดาวเหนือเปลี่ยนซองกระสุนบ้างในขณะที่พันเตรมอริกันก็ทําตามด้วยนักฆ่าจอมอัจฉริยะย่างหัวหน้าทีมรู้แล้วว่าเวลาสําหรับการปฏิบัติขั้นต่อไปยังพอมี เสียงวิทยุดังมาโดยที่ไม่ต้องถามแต่ด้วยความมั่นใจในลูกน้องจึงรอได้พี่อยังตายไม่หมดนะพี่เอาแค่ยอดคนเป็นหรือยอดคนตายก็ได้รับรองกูบวกเลขไม่ผิดแนะ่ไอ้นบโดนอัมอีกเมื่อรายงานโดยไม่มีรายละเอียดในครั้งเดียวนั้นเลยโถ่พี่ไอคนที่โดนจนเกิดติ้งอยู่ตอนเนี้สิบคนที่เหลือโกยแนบห า, ายไปหมดแล้วมันข้ามสันเนินเตียเต้ยๆที่ระยะประมาณ1500เมตรแล้วลงไปในหุบถึกนั่นแหละพี่โอเคงั้นตอนเนี้คนโง่ทั้งหลายแหละกลับมาได้แล้ว แต่ถ้ายังอยากฉลาดก็อย่าเพิ่งถอดหน้ากากไม่ไงั้นไม่รับรองความปลอดภัยความหมายก็คือณจุดที่นักล่ารับจ้างปักหลักอยู่เดี่ยวนี้เป็นจุดที่อยู่ใต้ลมระยะห่างจากบริเวณแก๊สผิดไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งถือเป็นลัศมีอันตรายของมันสายลมที่พัดต้องก่ายกับการตรวจสอบด้วยวิธีโรยฝุ่นลงพื้นยิ่งทําให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลายๆนักล่ารับจ้างขยับหน้า ก, ากากให้กระชับเข้าอีกแม้ความอบอ้าวภายในจะสร้างความอึดอัดลาคาญอย่างเหลือหลาย จะพูดก็พูดไม่สะดวกเหงื่อที่ไหลย้อยก็ไม่มีปัญญาเช็ดนอสตาเราไปจากที่นี่กันเถอะจะได้ถอดไอ้หน้าผีมนุษย์ต่างดาวนี่สทัทีผมไม่ชอบมันจริงๆเลยโอเคเมเจอร์เลสโกไปว่าพวกเราใครอยากอยู่กับไอ้สามโง่นั่นก็เชิญไม่ต้องสั่งการอีกเพรทุกคนเข้าใจแล้วว่านี่คือการถอนตัวหรือเคลื่อนย้ายหน่วยสําหรับภารกิจขั้นต่อไปจากดาวเหนือเคียงข้างกับพันตรีโลเดอร์ทิกระนาบขวาห่างไปสิบก้าวออกนําขบวนทันทีนอสตา นี่เรากำลังเดินตามลมไม่ใช่เหรอใช่ครับเอา้าแล้วแบบนี้เมื่อไจะได้ถอดหน้ากากเราจ่าดาวเหนือมองค้อนในะกระบอกตาที่เป็นแก้วอัดสีนกันอากาศอย่างดีกับรอยยิ้มด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสคิดอยู่ว่าคงพูดอ่ำคนไม่สะดวกนะักก็เลยไม่พูดมากเหมือนหร่ก็แลเมเจอร์ไปทางไหนมันก็ต้องโดนทั้งนั้นเราเดินไปอีกนิดเอาว่าสักระยะเกือบพันก็คงปลอดภยัยอ่ะเพราะตลอดเวลาสายลมมันก็จะพัดเอาแก๊สพวกนี้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเองเถอะนะอย่าบ่นนักเลยอีกพันเมตรเอง อะไรอะไรที่ทําให้รอดตายได้มันก็ดีทั้งนั้นแหละพันตรีมรรการหมดปัญญาที่จะเถียงใบหน้าบอกบุญไม่รับในหน้ากากนั้นไม่รู้ว่ายัวหน้ากากหรือโยกคนที่พูดด้วยแน่เลืิศสายตามองไปทางด้านปีกขวาเห็นนักบินผูดไรเครื่องจนต้องแปลสภาพตัวเองจากนักรบบนฟ้ามาเดินดินเขียงข้างไปกับพันตรีคอร์ลินโดยมีจ่ายยุทธพงษ์เป็นปีกนอกอีกชั้นทั้งสองอเมริการคงเกิดอาการไม่ต่างกันกันกนกบสองคนที่นําขบวนนักแต่ลูกทีมคนอื่นๆดูเจ๊เฉยๆ ทั้งนี้สังเกตจากการปฏิบัติตามขั้นตอนขณะเคลื่อนที่นั้นไม่บ่งบอกเลยว่ามีความลำคากไม่มีอาการขยับหน้ากากแบบขยับแล้วขยับอีกไม่มีอาการยืดลาตัวเชิดคอเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนทุกคนยังเดินระวังตามปกติยามรู้ตัวว่าที่นี่คือพื้นที่ปฏิบัติการของศัตรูยิ่งต้องระวังตัวให้มากเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้จ้าเอะกันอีกเมื่อไหร่ภูมิประเทศที่มีลักษณะเหมาะแก่การใช้เป็นพื้นที่ซุ่มโจมตีจะต้องมีกําลังบางส่วนอย่างน้อยหนึ่งคน ชาตัวเองเข้าไปพิสูจน์ทราบก่อนหรือแม้แต่บางจุดที่เหมาะกับการฝังกับระเบิดเกือบชั่วโมงสําหรับการเคลื่อนหน่วยออกมาพันตรีโรเจอร์ทนต่อความราคาญไม่ไหวแล้วตัดสินใจเป็นผู้นําทันทีด้วยการถอดหน้ากากเป็นคนแรกเมื่อใบหน้าได้รับอิสระภาพรูจมูกไม่มีอะไรมากรองอากาศจนเป็นการลดปริมาณพันตรีเมีายการสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่กล่าวกับกระหาย เ, เต็มประดาไม่นานนักทุกคนก็ทําตามบ้างแม้ไม่สั่งหรือบอก เมื่อภาพการมองเห็นแจ่มกระชากขึ้นอีกครั้งหัวหน้าทีมสั่งการทันทีชาติวิยชชี้ออกขวาวิซึกร้อยเมตรไหวไหมวะไม่มีคําว่าไม่ไหวหรือข้อสงสัยจากผูด้ได้รับคําสั่งความมุ่งหมายของจ่าดาวเหนือก็คือพื้นที่ด้านนั้นเป็นช่วงที่สุดของขอบแนวป่าซึ่งจากนั้นจะเป็นป่าโปรง่งจึงจําเป็นต้องมีการตรวจการด้วยสองคนรับคําสั่งแล้วชา้าตัวเองเร็วทันทีเพื่อไม่ให้รูปขบวนต้องห้อยหลังหรือกลายเป็นปีกหุกยุดหลังเนินลูกทางปีกซ้ายนั่นอะ ปลาทึบหรือปลาโปร่งโปร่งพี่มีพวกยาคาผสมซากโกฟินตอข้าโพดสงสัยจะล้างไปไม่ต่ำกว่าสปีแล้วพี่เออพอใช้เป็นพื้นที่ปากหลักกดดันได้ไหมไม่น่าไหวพี่เพราะตอนที่เราอยู่บนเนี้ยเรายังเห็นชัดเจนถึงพื้นดินใต้โคนมันเลยแไรยาคานั้นก็ไม่ดีนั่นแหละเผือ่อๆมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ย่างได้นะพี่โอเคถ้ามันโตรงขนาดนั้นก็คงใช้ไม่ได้ไอแก้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยถ้างันลุกขึ้นสันเนินลูกใหญ่ข้างหน้าหกิโลนู้นเถอะวะพี่จะขึ้นไปถึงยอดเนเเลยเหลพ งั้นสิวะมีปัญหาอะไรผมกลัวจะเจอเพื่อนเราคอยอยู่สิพี่ดูๆแล้วที่นั่นน่าจะเป็นฐานที่ตั้งหรือไม่กระค่ายมันเลยนะพี่เอองั้นเดี๋ยวกูถามเวยียโกมาดูก่อนอยากจะโจกแต่ปัญหามันเครียดเกินเลยโจกไม่ออกสายตาที่เพ่งสู่ยอดเนินของภูเขาลูกใหญ่ทั้งที่ตรงหน้าขนาดนี้เกิดความรู้สึกคล้อยตามใจ ย, ยุทธพงษ์ไปด้วยประสบการณ์บางอย่างกําลังตะโกนกล้องอยู่ในปราสาทส่วนที่หว่า น, นั้นคือของแท้ยอดเขาที่ลาดในส่วนครึ่งล่างแล้วชันดิ่งในส่วนลาดครึ่งบน การไต่ขึ้นช่วงแรงอาจจะง่ายแต่ถ้าจะไปกันให้ถึงยอดจริงๆคงต้องใช้กำลังมากหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าบนยอดนั้นเป็นที่ตั้งค่ายเวียดกงแล้วศัตรูที่ไต่ขึ้นไปก็เท่ากับเดินเรียงแถวข้อรับความตายนั่นเองตัดสินใจเบนเส้นทางออกขวาเล็กน้อยกะว่าจะเลียบตีนเนินภูเขาลูกนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าจะดาวเหนือเกิดความคิดอะไรขึ้นมาในตอนนี้แม้จะสงสัยในการเปลี่ยนทิศทางอยู่บางก็สู้สาเก็บไว้ในใจ เส้นทางเริ่มแน่นทึบด้วยป่ายาขาแซมด้วยไม้ประเภทส่วนสามใบส่วนที่เป็นพุ่มหนามออกจะน้อยลงหรือแม้แต่กอรวัวก็น้อยลงด้วยดังนั้นเส้นทางของขอบวนเดินจึงต้องใช้วิธีแหวกยาคาผ่านไปรูปขบวนเดินเป็นแบบหน้ากระดานที่พอจะมองเห็นกันบ้างคราวที่โพจะกำบังปีกซ้ายอยู่บนลาดสูงปีกขวาอยู่ลาดต่ำช่วยได้มากหากจะมีการเปลี่ยนทิศทางให้เหมาะกับภารกิจไม่น่าจะมีการดักซุ่มโจมตีจากภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นราบเรียบแบบนี้ ก่อญาขาที่เบียดกันขึ้นมานั้นไม่ปรากฏร่องรอยของคนให้เห็นย่อมหมายความถึงความปลอดภัยจะกลับระเบิดเมเจอร์ชอบเดินบนพื้นที่แบบนี้ไหมไม่รู้จะพูดอะไรก่อนหลังก็เลยหาเรื่องแกล้งถามเล่นคนถูกถามออกจะงงเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีรายการอัมเกิดขึ้นหรือไม่คุณมีทางเลือกอื่นด้วยเหรอถ้าจะเลือกเอาจริงๆนะมันก็ต้องมีแหะครับว่าแต่ว่าเมเจอร์อยากเปลี่ยนเส้นทางไหมล่ะผมจะดําเนินการให้อู้คุณยิ่งพูดผมยิ่งงงนะนอสตาผมว่า เอาทุกอย่างอยู่ที่คุณดีกว่าสําหรับผมอะไรก็ได้คุณตัดสินใจเลยก็แล้วกันพันตรีเมริกันออกจะปวดหัวกับดีาการพูดแบบโยกโยของจ่าดาวเหนือมาจนเข็ดครั้งนี้ก็เลยตัดบทมองเห็นอาการหัวเราะเบาๆของจ่าดาวเหนือแล้วไม่เข้าใจเอาจริงๆว่าหัวเราะอย่างนั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่จ่าดาวเหนืออยู่หัวเราะแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่กลับเปลี่ยนเส้นทางเป็นการเดินตัดเฉียงเตรียมขึ้นที่สูงไม่ใช่ว่าจะเฉพาะพันตรีโลเจอร์เท่านั้นที่เป็นงงจ่ายยุทธพง์เองที่อยู่บนลาดสูง ตำแหน้าที่ปีกของขบวนเดินอยู่ก่อนเมื่อถูกหัวหน้าทีมบุกขึ้นไปจะขยายปีกออกไปอีกก็ไม่ได้เพราะชิดส่วนที่ราชันของภูเขาแล้วเมื่อไม่ถามจ่าดาวเหนือก็ไม่พูดแม้กระทั่งรูปขบวนเดินเปลี่ยนจากหน้ากระดานมาเป็นรูปแถวตอนเดินตามกันก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดในเมื่อทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ารูปขบวนเดินเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ตัวเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างจ่าดาวเหนือกับพันตรีโรเจอร์ยังคงเป็นคู่นำหัวขบวนต่อไป ในขณะที่จ่ายยุทธพงศ์อยู่กลางตำแหน่งหัวหน้าทีมเคยอยู่แทนไอเปียกไอผลรับท้ายขบวนตามเดิมไม่มีใครรู้ว่านี่คือคาดการอันหนึ่งของจ่าดาวเหนือต่อสมเนียรภยนะัย่นพื้นที่ข้างหน้านี้ความที่แกไม่ค่อยชอบพูดเรื่องการคาดการกับใครจึงตัดสินใจเองแล้วนำทำเสียเลยซึ่งก็ดีผอไม่ต้องเสียเวลาถึงจะไม่บอกไม่ต้องอธิบายทุกคนก็ทาตามอยู่แล้วแล้ ว, ลวการคาดการก็ปรากฏผลขึ้น เสียงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ที่ทุกคนทราบซึ้งมาเป็นอย่างดีดังขึ้นทางลาดขวาที่เป็นส่วนของตีนเนินภูเขาใหญ่ลูกนั้นกระสุนควานมัก์กิงราไว้ยเฮ้ยเร่งความเร็วหลบเข้าไปในป่าทึบแล้วพยายามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เร็วากาดาวเหนือตะโกนบอกทุกคนเสียงดังลั่นป่าพร้อมกันนั้นจ่ายยุทธพงษ์ช่วยแปลข้อความให้ร้อยเอกแบล็กเบิร์ดเข้าใจอย่างรวดเร็วจึงชาร์จตามพันตรีคอรลินไปติดติเสียงระเบิดคราวนี้ดังเหมือนลูกเดิมเปรียบสแสดงเป็นระเบิดชนิดเดียวกัน ตำแหน่งของเสียงเลื่อนเข้าหาแนวที่นักล่ารับจ้างกําลังชักแถวกันอยู่จากดาวเหนือที่อดีตก็คือฐานปืนใหญ่นั้นรู้ทันทีว่าครั้งนี้ตําบนกระสุนตกถูกย้ายเป็นระยะไม่ต่ากว่าหน0่เมตรในขณะเดียวกันก็สงสัยว่าทําไมมันจึงยิงกระสุนควันถึงสองลกูกปกตินั้นการยิงกระสุนควันเมื่อเห็นควันแล้วการยิงนัดต่อไปก็สามารถใช้กระสุนระเบิดได้เลยไอแกวีซีอยู่แถวนี้ว่ะพี่รู้ได้ไงปืนใหญ่มันบอกสิว่าไอชาตไอชาติไม่พูดต่อ ผมไม่แน่ใจว่างานอ่ำจะลงแบบไหนอีกกลับหันไปสนใจกับที่กำบังโคนต้นสนสามใบอัดร่างตัวเองพิงเข้ากับโคนต้นเลี้ยวซ้ายแลขวาเล็กน้อยก่อนแล้วจิงชาร์จต่อจากดาวเหนือเข้าใจลูกน้องดีเพราะเห็นหน้ามันไม่ค่อยปกตินักแม้แต่อาการชาร์จยังขาดความนุ่มนวลแบบผิดวิสัยโดยแท้ของมันนี่คือความไม่แน่ใจต่อคำตอบเมื่อกี้นี่เองมึงไม่เชื่อกูหรือไงชาติไม่เชื่อพี่ไม่ใช่เทวดาถึงจะรู้ไปหมดแม้กระทั่งมดบวฟันต้องโหลอกากด้วยคำเปรียบเทียบนั้น มดปวดฟันมันเป็นอย่างไรเชื่อแม้แต่หมดเองก็คงจะบอกหมดด้วยกันไม่ได้แล้วจ่าดาวเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเหตุผลมันมีเว้ยการยิงกระสุนควันก็เพื่อเป็นการหาพิกัดหลักฐานยิงครั้งแรกแล้วการใช้กระสุนควันนั้นน่ะมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือป้องกันอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันด้วยเว้ยการที่มันต้องยิงสองครั้งก็เพื่อหาความแน่ใจไงเมื่อัี้มันคงไม่ยิงให้เสียเวลาเสียกระสุนหรอกเว้ยไม่เชื่อมึงคอยดูเดี๋ยวมึงได้เจอเพื่อนมึงไอ้ชาติจะรู้จะเชื่อหรือไม่ไม่ทราบเพรมันเองเรียนมาจากโรงเรียนทหารลาบ การที่จะให้ลึกซึ้งอย่างคนที่เรียนมาจากโรงเรียนท่านปืนใหญ่ ย, ยังจ่าดาวเหนือนั้นย่อมไม่ได้แต่ที่แนแน่ก็คือทุกคนชาร์จเร็วตามสั่งทันทีซึ่งการชาร์จนี้จะเร็วจะช้าก็อยู่ที่คนนําขบวนอีกนั่นแหละทุกคนเข้าอาศัยคนไม้ใหญ่ในภูมิประเทศใกล้ตัวเป็นแหล่งกางําบังการชารจต้องสลับกันในบางครั้งเดยการให้คนหน้าไปก่อนแล้วคนหลังชาร์จตามเข้าไปอาศัยหลบต่อซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรชุดนําต้องทําทั้งความเร็วการโจทหากับระเบิด ตรวสอบภูมิประเทศที่จะเป็นพื้นที่ซุ่มโจมตียังไม่รู้เหมือนกันว่าเวทกงจะมีแผนใช้ปืนใหญ่ ย, ยิงไล่ให้ศัตรูกลุ่มนี้เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ที่เตรียมการไว้ก่อนหรือต้องการยิงทําลายให้ลาพนาศูนย์ไปเลยแต่อย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการไม่สามารถจะเลือกวิธีปักหลักกดดานนิ่งอยู่กับที่ได้เพราะพื้นที่แห่งนี้ตกเป็นเป้าสายตาผู้ตรวจการหน้าของมันแล้วนั่นเองกระสุรนระเบิดสองนัดซ้อนดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเพิ่มความดังอีกเป็นเท่าตัว ปืน120เ้ยไปเรื่อยๆไม่น่ากลัวถ้าไม่โดนแนวเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีกแม้จ่าดาวเหนือจะไม่ทิ้งนิสัยเดิมที่ชอบพูดให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กลูกทีมทุกคนก็ยังช้าตามไปเรื่อยอีกครั้งเมื่อกระสุนคู่นี้ตกอยู่ทางด้านหลังที่ผ่านมาความสูงใหญ่ของต้นไม้ในป่า น, นั้นกับไม้พุ่มบางส่วนบดบังเอาไว้จึงไม่เห็นควันหรือดินระเบิดสาดขึ้นมายังกะระยะไม่ได้ว่าตกหลังไปกี่ร้อยกี่พันเมตรแต่ที่แน่ๆก็คือต้องช้าต่อไป เสียงดังหนักหน่วงกว่าเดิมไปเท่าตัวจ่าดาวเหนือหยุดกับทีสำรวจไปทางทิศเสียงนั้นรับประมาณการตามความสันทัศธ์กรณีแบบท่านปืนใหญ่ทันทีห่างเราสามพันไม่ขาดไม่เกินพี่อาเชือกวัดเหรอโถไอเว้ในชาติแต่กูก็สั่งให้มึงไปวัดสะหรอกก็ดีสิพี่เพราะถ้าเรากลับไปตรงที่มันยิงแล้วอ่ะตรงนั้นมันก็จะไม่ยิงอีกแต่ถ้ายิงหนีมันแบบเนี้ยมีหวังถูกมันไล่ ย, ยิงเอาตายแนะ่ย้อนข้อหามันดีกว่าพี่ไอ้ชาติทำท่าจเจ้าจริงๆเมื่อเท้านั้นหยุดกึกยืนพิงต้นไม้ใหญ่ข้างตัว มีใหญ่ว่าเพื่อนอีกสองคนจะชาร์ตแตงขึ้นหน้าไปแล้วมอยากตายมึงก็ไปสิตอนเนี้ยผูต้ตรวจการหน้ามันตรวจการเห็นเราแล้วมึงรู้ไหมไปเลวไปอีกห้าร้อยเมตรหลบไปทางราชันด้านหลังนั่นแล้วมึงปลอดภัยเองจากดาวเหนือสั่งการดังลัน่นพร้อมกับลากคอเสื้อไอชาติลูกน้องที่เสนอแผนให้ถอยกลับไปตรงจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกแล้วโดวยความคิดที่ว่าปืนใหญ่ไม่สามารถยิงให้กระสุนตกลงณจุดเดิมได้ ตอนที่สิบไอ้ชาถึงกระปลิวตามแรงลากของจ่าดาวเนี่ยทาให้ออกแรงวิ่งจนแสงพันตรีโรเจอมิหวังตกเข่าไปแล้วมองเห็นเพื่อนหลายคนรุดหน้าเร็วไปเรื่อยๆชนิดไม่เป็นรูปขบวนนักประสบการณ์สอนมาว่าถ้าปืนใหญ่ยิงใส่แบบนี้อยู่แล้วก็ต้องไม่มีคนของมันอยู่ที่นี่แน่จึงไม่ต้องกังวลแต่กับระเบิดยังวางใจไม่ได้เพราะเวทโกงอาจจะเตรียมพื้นที่การยิงนี้ไว้ก่อนก็ได้อย่างไรก็ตามภายจากกระสุนปืนใหญ่ดูจะใกล้ตัวกว่อภัยอย่างอื่นดังนั้น ทุกคนจึงจำเป็นต้องไปให้ถึงจุดที่สั่งให้เร็วก่อนเป็นอันดับแรกอีกสองนัท ก, กระสุนระเบิดตกใกล้เข้ามาหลายคนหันกลับไปมองด้วยความหวาดระแวงเมื่อไม่เห็นกลุ่มควันก็พอจะเบาใจได้บางเท้าสปิดความเร็วต่อไปอีกเพราะระยะไกลแค่ยังไม่พอเสียงคู่นี้ใกล้หนักเข้ามาอีกพอเสียงที่แผดกัมปนาตนั้นเริ่มสร้างอาการแสบแก้วหูให้กับคนแล้วความสั่นสะเทือนบนพื้นดินเริ่มปรากฏเสียงแรงขนาดนี้ไม่ยอะก็มีใครสนใจเหลียวไปมอง รตหนักนี้ว่ามันต้องใกล้กว่าครั้งก่อนแนะ่คืนมัวหันไปมองเดี๋ยวก็หนีเข้าที่กำบังไม่ทันเท่านั้นเอง <S <S ใจใหายว่าเมื่อกระสุนปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรลูกแรกสัตเขาคบไม้ใหญ่แล้วระเบิดตัวเองเสียงยังกระฟ้าผ่ากิ่งไม้ขนาดใหญ่เท่าตัวคนถึงอาการหักสะบันล่นลงพื้นอย่างหน้าว้าเสียวหากใครอยู่ที่ใต้ต้นนั้นระยะห่างไปทางขวาซึ่งเป็นลาดต่ำไม่เกิน200เมตรนักล่ารับจ้างรู้สึกกระทั่งกลิ่นดินระเบิดที่ลอยตามลมเข้าจมูก อีกรู้กับตกที่เดิมทางด้านหลังเพียงแต่ระยะใกล้เข้ามาจากเดิมบ้างเล็กนอ้อยคู่นี้ตกไกลไปทางด้านหลังอย่างเดิมสแสดงว่านัดก่อนที่ซัดเข้ากับพบไม้นั้นเกิดจากการแหกวิธีของกระสุนในเมื่อศูนย์อำนวยการยิงยังใช้วิธียิงไล่หลังแล้วนัดนั้นเสืกแหกออกคางก็ไม่รู้เป็นความบกพร่องของการคํานวณโดยเจ้าหน้าที่คํานวณหรือผลประจําปืนตั้งมุมยิงพิษพลาดแน่เรื่องนี้ไม่น่าสนใจเพราะความจริงเริ่มฉายแววออกมาให้เห็นยัง่งแจ่มแจ้งเราว่า นัดต่อไปอาจจะออนทาร์เก็ตก็ได้ถ้าผู้ตรวจการนามันแน่จริงเฮ้ยหลบเขาที่กำลังใต้โคนไม้ก่อนหลบเขาไปก่อนอย่าลงไปหลบจ้าดาวเหนือตะโกนสั่งการลั่นเมื่อประสบการณ์ของทหารปืนใหญ่ไทยบอกว่าระยะไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรกับการยิงคลุมเป้าหมายตลอดพื้นที่จะเป็นการยิงหาผลคราวนี้ตกหน้าลูกแรกลงพื้นแล้วระเบิดแต่นัดหลังกระทบยอดไม้ก่อนนักน่าหลับจ้างเห็นกับตายอย่างชัดเจนที่สุด คิดอยู่ว่าถ้ามีใครสักคนหรือแม้แต่มดสตัวอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีทางรอดในความคิดอันอึงอ้นนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขอบคุณหัวหน้าทีมสําหรับคาดการที่ถูกต้องนี้จ่าดาวเหนือเองเมื่อมาถึงคราวนี้ยังอยากขอบคุณเวียดกงมันเช่นกันที่เหลือเวลาให้สําหรับการวิเคราะห์แนวทางการยิงปืนใหญ่ได้ทันไปไปเร็วมันกําลังจะพาห่วงควบไปเลยจากครั้งก่อนที่ห่างไปหลังหนึ่งห้าสิเมตรแต่ครั้งนี้ห่างไปหน้า300รอเมตรจากระยะห่างของการยิงสองครั้งนี้ เอาสองหารระยะทั้งหมดก็จะเป็นกึ่งกลางที่เป็นตําบลเป้าหมายจากดาวเหนือตะโกนสุดเสียงกระทังทุกคนโผลเคลื่อนที่เร็วตามสั่งทันทีบางคนเด็กตัวเองไม่ทันต้องอาศัยต้นไม้ช่วยหยุดก่อนจะเสียหลักตกเขา่าชัวบครับเดี๋ยวเมื่อตั้งหลักปรับอาการส่วนเสยได้เท้าก็ก้าวเร็วออกต่อไปทันทีเดวซ้ายแลขวามองเพื่อนบ้างเผื่อใครมีปัญหาจะได้ช่วยทันยังปลอดภัยดีแม่ยามต้องวิ่งยังปวดทุกขปวดทุกข ท, ทุกอย่างเป็นไปตามคาดข อ, ของหน้าทีม กระสุนปืนใหญ่สี่นัดซอนตกตรงจุดบริเวณที่อยู่เมื่อครั้งสุดท้ายห่างไปหลังไม่ถึงหนึ่งรอเมตรนัดหนึ่งตกขวาที่ระยะ80เมตรกระทบกอรวบเล่นเอาอไม้เนื้ออ่อนขนาดนั้นเกิดอาการถอนรากถอนโคนทันทีส่วนอีกนัดหนึ่งตกขวาลงลาดต่ำไปมองเห็นกลุ่มหญ้าคาที่ถูกถอนให้เห็นพื้นดินตอนถูกขุดเป็นบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิเมตรใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาได้สบายสบายไปอีกไปเร็วยึดแนวโคนไม้ใหญ่ไว้ไป ฐานปืนใหญ่เท่านั้นที่จะรู้เรื่องเทคนิคการยิงปืนใหญ่ดีจากดาวเหนือตระหนักอย่างแน่นอนว่าชุดต่อไปต้องลงที่เดิมัล่ารับจ้างโผล่ต่อไปอีกด้วยสัญชาตญาณไอ้เล็กตัวโ ต, วตวล้มกิ้งกับผื้นแต่ไม่ยอมหยุดมันออกแรงเวียงตัวเองให้ถลายลงลาดต่ําเข้าหาโคนสนสามใบจนได้ไม่ช้าไม่นานก็ตั้งหลักได้อีกครั้งคราวนี้ชาร์จเร็วแสงร้อยเอกแบล็กเบิร์ตผู้ที่วิ่งนําหน้าพันตรีคอรลินไปได้นัดที่กระทบยอดไม้ก่อนเกือบได้ผล เมื่อไอเปี๊ยกอาศัยคนต้นเป็นแหล่งกำบังโชคดีที่แอบอยู่คนละด้านของลำต้นกับที่โดนระเบิดเสียงไอชาตโกเรียกเพื่อนลั่นป่าด้วยความเป็นห่วงแต่คนถูกเรียกไม่ได้ยินเพราะประสาทหูหยุดทำงานชั่วคราวอาการเอามือรูปหน้ารูปตาเพือเ่อบรรเทาอาการแสบคันนั้นบอกได้ว่ายังปลอดภัยดีอยู่ไอชาชาร์จเร็วเข้าหาแล้วออกแรงลากแขนเพื่อนห้ชาร์จตามไปด้วยต้องแสบแก้วหูอีกนะโดยเฉพาะคนอยู่ท้ายสุดกระสุนอีกสองนะัดพลัดเข้ากับกิ่งไม้แบบเดิม แล้วหล่ลงมาเสียงดังสาดสาคึกกล้องไปทัว่วอีกสองนัดตกลงไปในป่าหญ้าขาที่ตีนเนินซึ่งออกจะห่างสําหรับอํานาจการทําลายนักลรับจ้างหมายตาพื้นที่ด้านนากรโผล่ต่อเส้นทางเริ่มจะหักเดียวเหลือระยะไม่เกิน 60- 70เมตรก็สามารถใช้ส่วนที่เป็นราดชันของภูเขาลูกนี้เป็นแหล่งกําบังได้เสียงหัวหน้าทีมตะโกนลั่นออกมาอีกว่าให้ไปให้เร็วไปให้ถึงที่นั่นให้ได้ทุกคนที่ได้ยินก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาชาร์จลูกเดียว เพราะความตายจะพวกซุ่มโจมตีอาจมีได้เรื่องนี้จ่ายุทธพงษ์เข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รู้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าแกกลับมาเป็นชุดนําแล้วไอ้เล็กผู้รับหน้าด้านขวาเป็นคนช่วยได้ทางทั้งสองคนเร็วกว่าคนอื่นเพราะนำห่างไปกว่า200เมตรตามด้วยพันตรี ก, กับร้อยเอกนักบินอเมริกันจ่ายุทธพงษ์หายเข้าไปในอีกด้านหนึ่งของหน้าผาฝั่งตรงข้ามกับทางทิศที่ปืนใหญ่กําลังคำรามเข้าใส่ไปนานแล้วในขณะที่จ่าดาวเหนือยุดตัวเองกระทั่งกลายเป็นคนสุดท้ายของขบวน ยามหันหน้าแล้วมองย้อนกลับไปทางทิศที่ผ่านมาแล้วนั้นเห็นกลุ่มควันระเบิดกระสุนปืนใหญ่ทั้งที่ตกกระทบต้นไม้ดงยากอโรวัหรือแม้แต่โคดเห็นพื้นดินอย่างไร้ความรู้สึกระยะห่างมากกว่าสามรอเมตรจากจุดที่ยืนอยู่ถึงกึ่งกลางตำบลระเบิดนั้นคาดว่าสามารถผ่านพ้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายแล้วโอเคนอตตาเลสโกเสียงของพันตรีโรเจอร์ร้องเรียกออกมาว่าให้ไปกันได้แล้ว กับอาการเพ่งมองย้อนกลับหลังนั้นไม่มีใครรู้ว่าคนยังเขากำลังคิดอะไรแต่ที่นแน่ๆนั้นไม่ใช่อาการตะลึงหรือเมื่อร่อยที่รอดตายได้มันต้องมีเหตุผลมากกว่านั้น just moment major เหตุบอกว่าเดี๋ยวก่อนสแสดงว่าต้องมีความสำคัญกับสิ่งที่มองอยู่พันตรีเมริการพอสำเนียกบางอย่างได้เ จ, จะกลับมาสมทมด้วยคำพใหญ่ว่าสิงะเบิดจากระสุนปืนใหญ่จะยังคงแผดคารามอยู่มีไลนนสตาวโกงครับเมเจอร์ major. พูดแบบยิ้มๆนี่แหละดีนะผันตรียมในการถึงกับหน้าเบเมื่อไม่รู้ว่าคนถามหรือคนตอบ IQ น้อยกว่ากันแน่ใครๆก็รู้ว่าเป็นเวียดกงจึงไม่น่าจะถามหรือตอบแบบนี้เลยพับผ่าสิผมกําลังมองหาที่ตั้งผู้ตรวจการหน้ามานะมเจอร์ผู้ตรวจการหน้าพันตรีโรเจอร์ร้องเสียงโลงหมดรู้ถึงความประสงค์ที่แท้จริงของจ่าดาวเหนือเพิ่งยอมรับ ว, ว่าตัวเองนั่นแหละที่ IQ น้อยจากยุทธวิ ธ, ธีหรือหลักนิยมในการรบของเวียดนามหรือโซเวียตนั้นการใช้ปืนใหญ่ยิ่งทําลายที่ใหม่ มาให้ผู้ตรวจการหน้ากับศูนย์อำนวยการหยิงเป็นคนคนเดียวกันชุดปฏิบัติการนี้จะทําการตรวจแกตําบลกระสุนตกแล้วคํานวณเป็นมุมหญิงส่งไปให้ปืนเลยและชุดปฏิบัติการนี้จะต้องอยู่ใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยเพื่อผลทางการปรับแก่นับเป็นประโยชน์อย่างมากถ้ารู้ที่ตั้งของชุดปฏิบัติการนี้เพราะจะสามารถเคลื่อนที่หรือเดินทางให้ผลจากรัศมีการตรวจการของมันได้ที่ยอดเหนินลูกทางซ้ายนั้นพอใช่ไหมพันตรีเมริการชี้ไปทางทิศที่บอก ซึ่งเป็นเนินลูกหนึ่งในจำนวนไม่กี่ลูกที่มีความสูงกว่าเพื่อนจากดาวเหนือทรายหัวเหมือนไม่เห็นด้วยยอดเนินนั้นสูงเท่าๆกับที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ความสูงขนาดนั้นไม่มีทางมองเห็นพวกเราตอนเดินอยู่ที่บริเวณที่มันยิงเมื่อกี้ได้หรอกมันต้องสูงกว่านั้นสักสองเท่าตัวจึงจะทำได้ครับเมเจอร์หรือว่ามันใช้วิธีแกะรอยเราแล้วตรวจการบนพื้นระดับเดียวกับเราก็ไม่ได้อีกนั่นแหละ มันจะต้องอยู่ห่างจากพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าสามกิโลเมตรไม่งั้นก็มีหวังโดนยิงด้วยะระยะขนาดนั้นก็ไม่มีทางปรับหรือตรวจวิถีกระสุนได้เพราะจะมองไม่เห็นตําบลกระสุนตกคราวนี้พันตรีเมริการต้องเป็นฝ่ายเงียบเช่นเดียวกับจ่าดาวเหนือที่ยังพยายามสอดส่ายสายตามองซ้ายมองขวาเพื่อค้นหาสิ่งที่สงสัยให้ได้และแล้วคําตอบก็มีมาเหมือนพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปเสียงที่ดังกว่าระเบิดสังหารหรือกับระเบิด แต่ยังดังเบาวกว่าเสียงกระสุนตื้นใหญ่ที่หยุดลงพอดีดังมาจากทางด้านซีกที่กำลังทั้งหมดเคลื่อนตัวเข้าไปหลบอยู่ที่ไหล่เขานั้นเวลาห่างกันไม่มากเลยชุดสองก็ตามมาอีกด้วยระดับเสียงที่ดังพอๆกันสแสดงว่าเป็นอาวุธชนิดเดียวกันจ่าดาวเหนือดึงวิทยุออกมาแล้วกรอกเสียงลงไปทันทียิงจงากหงไงวะยุทธจากยอดเขาบรรกบาลเหล่านี้แหละพี่รู้สึกจะเป็นคอหกสิไม่เป็นไรครับพวกเรายัางปลอดภัยอยู่ตอนนี้อาศัยหน้าผาเป็นที่หลบได้ชุดคอที่ยิงมาเมื่อกี้ตกเขาไปหมดแล้วพี่ โอเคปากหลังอยู่นั่นหันหลงังพิงหน้าผาไว้ก่อนก็ได้กูกําลังมองหาที่ตั้งไอ้พอตโนปืนใหญ่มันพอดีตอนเนี้รู้แล้วมันอยู่ข้างบนนี่เองไอ้เวรจ่าดาวเหนือพิจารณาจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิประเทศเป็นอันดับแรกเมื่อเห็นว่าไม่มีแรงไหนจะเหมาะสมเท่าที่นี่ต่อมาก็พิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนอาวุธทันทีที่ปืนใหญ่หยุดเสียงคอ60ก็ระเบิดขึ้นต่อแสดงว่าอาวุธทั้งสองชนิดนี้ใช้พอตโนอและสอ อ, อยหรือผู้ตรวจการหน้าและศูนย์อํานวยการหญิงอันเดียวกัน หรืออาจจะรวมถึงคนสั่งคนเดียวกันอีกก็ได้เลสโกเมเจอร์ go, พันตรีอเมริการพอจับเขาได้บ้างแล้วสําหรับภาษาไทยเมื่อขราวจากดาวเหนือกรอกเสียงลงในวิทยุพูดกับจ่า ย, ยุทธพงศ์โดยเฉพาะที่สรุปตอนท้ายทันทีที่จ่าดาวเหนือชวนออกเดินทางจึงก้าวขาตามทันทีเพราะเสียงระเบิดจากคอ60จํานวนนั้นเป็นตัวเร่งเมเจอร์ Major, ทำไมถึงจะหยุดคอ60คู่นี้ได้แอสไรด์ Ask, right. หรือไม่ก็ฮ อ, อกันชิปนั่นแหละเอาไหมละ่ะพันตรีเมริการตอบ พอรู้แล้วว่าไม่มีปืนใหญ่จัตฐานใดยิงได้ถึงลองแบบนี้ก็ต้องใช้การโจมตีทางอากาศด้วยการทิ้งบอมหรือใช้เฮลิคอปเตอร์ทําการโจมตีเท่านั้นจ่าดาวเหนือไม่ออกความเห็นอะไรกับแนวทางเสนอแนะนี้ถ้าก้าวเร็วพร้อมกับคลุ้นคิดไปด้วยอํานาจการยิงครั้งนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับการตกเป็นเป้าสายตาวเวียดกงที่ตรวจการพบที่ตัง้งเพราะมันหมายถึงหน่วยกําลังทางพื้นดินหรือหน่วยจรยุทธ์อื่นๆจะเข้ามาเล่นเกมเป็นอันดับ ต, ต่อไปตั้งหากเราขึ้นไปหามันได้ไหมเมเยอร์ Major? ถามแบบยิ้มยิ้มแม่ไม่ได้หันหน้ามามองคนถูกถามจากดาวเหนือก็รู้พันตรีเมริการวิ่งฉลับออกสายเล็กน้อยเพื่อหามุมมองยอดเขาลูกนั้นมีไหวมนะั้งนอสตาแต่เอผมว่าถ้าคุณวางแผนเองก็อาจมีทางได้นะเรื่องนี้คุณเก่งกว่าผมอยู่แล้วนี่นึกอยากจะหันหน้ามามองนายทหารยุทธการกองกํลาลังทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศลาวนักว่าทําหน้าเป็นอย่างไรบ้างมันเรื่องอะไรกันที่พูดได้อย่างเต็มภาพภูมิเต็มปากเต็มคําว่าจากสิบเอกทหารไทยเก่งกว่า คิดๆก็น่าเห็นใจทหารสหรัฐที่ฝึกเรียนเราก็คุ้นเคยแต่กับการลบในแบบเมื่อมาเจอเจอการลบแบบกองโจรภูมิประเทศที่แตกต่างไปจากประเทศเมืองหนาวอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ยอมจะลบไม่ออกเป็นธรรมดาไม่ไหวหรอไม่เจื่อเราแค่สองกับ V ีซเป็นร้อบนยอดเขานั้นนะ่ะเราก็เรียกพวกเราทั้งหมดให้ขึ้นไปสมทบสิตอนแรกเราสำรวจพื้นที่รอบก่อนเมื่อเจอช่องทางที่มันใช้เราก็ใช้ช่องทางนั้นแหละแต่ถ้าจะให้ดีเราใช้ตอนมืดแล้ว เ, เวทกองไม่มีทางต้านเราได้เลยนะผมว่ามีทางนะนอสตา พันตรีโรเจอร์พูดไปวิ่งไปเสียงจึงขาดหายเป็นห่วงห่วงกระนั้นด้วยความเคยชินจากดาวเหนือก็สามารถเข้าใจได้แม้ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้วิธีไหนดีเสียงคอหกสิบที่ยิงมาทีละคู่ทีละคู่ยังดังอยู่เลยเหลือระยะทางอีกไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรสําหรับแหล่งกำบังของพรรคพวกจากดาวเหนือชวนพันตรีเมริการยุดเกึกตรงชะงอนหินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วชี้มือให้ดูเนเจอร์เห็นบังเกอร์ไม้ทรงกันนั้นหมพันตรีโรเจอร์มองตามมือชี้ แต่เมื่อไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าใจตามที่บอกจึงล้วงออกกล้องส่องสองตาออกมาส่องดูโอเคนอสตามูลดินที่ค่อยๆลาดขึ้นจะเป็นเหมือนเนินธรรมชาติมีหญ้ากับไม้เถาเรยขึ้นปกคลุมสําหรับการพลางมีช่องยิงอยู่สองช่องจากด้านที่เราเห็นเนี่ยสแสดงว่าด้านตรงข้ามหรือไม่กระรอบตัวก็ต้องมีเหมือนกันหมดแต่เออมันไม่มีทางเข้าเลยนะนอสตาทางเข้าอยู่ที่อื่นเขาเมเจื่อวีซีมันทําเป็นอุโมงค์ซึ่งอาจจะใช้เป็นช่องทางรับสําหรับการเข้าหรือหนีออกก็ได้อันนี้ต้องเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็น แต่คุณว่ามันจะมีคนอยู่50าสหิครับบังเกอร์เนี่ยมันใช้เป็นจุดป้องกันฐานที่มั่นจากด้านนอกถ้ามีแบบนี้แสดงมันต้องมีอีกหลายๆบังเกอร์แน่เหลือจะมีรอบภูเขาลูกนี้เลยก็ได้เพราะที่เนี่ยคือบอกรของมันตอนที่11ไม่มีคําพูดหรือความเห็นใดๆออกจากปากของจ่าดาวเหนืออีกเมื่อรู้ว่าไม่มีประโยชน์กับพันตรีเมริกัน ซึ่งค่อนข้างจะอ่อนเชิงกับการสู้รบแบบเวียดโกงนี้จากดาวเหนือนั่งลงพิงโขดหินใต้ชะงนนั้นเราขอยืมกล้องจากพันตรีโรเจอร์เอามาส่องสำรวจบ้างจากจุดตรวจพบบังเกอร์สายไปซ้ายก่อนที่ระยะไกลไปจนสุดแล้วกลับมาขวาบางเพราะซ้ายนั้นมีแต่ป่าทึบเต็มพืชไปหมดคราวนี้ใช้กล้องส่องหยุดนิ่งพร้อมกับคนส่องทําการปรับโฟ ก, กัสให้ภาพคมยิ่งขึ้นแต่ทั้งไดทีถึงบอกคนข้างๆให้รู้นี่บังเกอร์หนึ่งเมเจอร์ เหมือนกันเปียบเลยน่าจะมีอีกนะด้วยความมั่นใจจากการเปรียบเทียบระยะบังเกอร์นี้กับบังเกอร์แรกที่ระยะ 800-900 เมตรถ้าหากพบบังเกอร์ที่3ามแล้วจะไม่เกินความสามารถของนักลบเทลดาร่ยงเขาเลยสําหรับการค้นหาทั้งหมดหรือแม้แต่ให้รู้ถึงคีดความสามารถชนิดอาวุธกําลังคนหรืออาจจะหมายรวมถึงจุดอ่อนจุดแข็งของมันอีกด้วยกล้องอันเดิมกลาดศาสตรไปทางขวาจนสุดมองไม่เห็นเพราะต้นไม้ใหญ่บงัง ต้องเปลี่ยนที่ใหม่ด้วยการขึ้นไปยืนเด่นบนโขดหินเนือชะงอนนั้นซ่องอยู่นานเหมือนกันในขณะที่พันเตรเมริการเฝ้ารอคําตอบอยู่เสียงคอหกยังรักษาระดับอยู่แม้บางครั้งเสียงระเบิดจะเปลี่ยนตำบลไปบ้างนั่นก็เพื่อหวังผลแบบการยิงเป็นพื้นที่ศัตรูที่บังอยู่ใต้เลือดหินยากจะหลับนอนเอาเลยด้วยซ้ายามรอหัวหน้าทีมสั่งการจากแผนที่กําลังคบคิดอยู่นี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการพักกินอาหารผมไม่รู้ว่าวินาทีต่อไปข้างหน้านี้ จะมีเวลาว่างอย่างนี้หรือไม่ความรู้สึกส่วนหนึ่งบอกว่างานหนีเลิกยากเสร็จแล้วเวทกงพบและรู้เห็นการมาของพวกเขาเสร็จแล้วมันย่อมไม่ปล่อยหน้าเหลืออยู่ก็แต่จะเล่นเกมไหนอย่างไรเท่านั้นเองไล่แล้วทุกคนในทีมที่แม้จะแยกกันอยู่เป็น2ที่ก็ต้องหันขับไปทางทิศจาดาวเหนือกับพันตรีโรเจอร์แฝงตัวอยู่เสียงอาิ์พีจีลูกหนึ่งแ้านพันหัวใาดาวเหนือไปแบบไม่วุดหวิดนักพอดูจะสูงกว่าระดับหัวของแกเกือบ10เมตร เสียงแพรนหางนำทิศที่ดังเป็นเครื่องบอกว่านี่คือความตายนะคนที่เป็นเป้ายังใจเย็นพอจะมองไปทางทิศที่ยิงมาเราค่อยๆปล่อยตัวเองล่นจะโคดหินนั้นเดินเข้าหาพันตรีเมริการเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายนั้นแอบเล้นกายเข้าไปในหลืบหินจนมิดแล้วดีครับเมเจอร์พูดแล้วส่งกล้องอันนั้นคืนให้เจ้าของเดิมใบหน้ายังยิ้มแย้มเหมือนความแจ่มใสา ย, ยามเชา้าตรงข้ามกับพันตรีโรเจอร์กับมีแต่ความงุนงงแม้การหลบเข้าหาแรงกำบงังจ่าดาวเหนือยังไม่สนใจ แล้วอย่างอื่นๆอีกละ่ะหรือมนุษย์คนนี้ไม่รู้จักความตายอภิ p g กระบอกเดิมจากจุดยิงเดิมแล้วก็คงต้องคนยิงเดิมด้วยมันทุกอย่างเป็นไปแบบเดิมๆซึ่งรวมไปถึงผลการยิงอีกจ่าดาวเหนือนั่งลงมองกลุ่มควันสีดําด้านเหนือหัวออกซ้ายเล็กน้อยนั้นแล้ววาดสายตาไปที่จุดยิงซึ่งห่างต่ําลงมาประมาณ400เมตรหัวเราะในลําคอเบาๆก่อนเปรยคําถามไอ้สี่คนนี้วอนตายซะแล้วไหมละ่ะมันมาจากไหนกันละ่ะเมเจอร์นั่งสินอสตา์ แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรกับไอ้4คนนี่เลยหรือไงเมเจอร์รู้สึกผมก็ต้องรู้สึกด้วยสิครับก็ผมยังไม่ตายนี่ยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกจนประสาทแทบจะไม่สั่งงานแล้วคราวที่จ่าดาวเหนือเอ็นหลังพิงโคตหินแล้วขยับตัวเล็กน้อยเพื่อให้เกิดมุมตรวจต่อการยิงของ RPG นั้นพันตรีโลเจอร์ถึงกับทำตามด้วยการเบียดล่างเหมือนจะให้ล่างนั้นจมหายแทรกเข้าไปในเนื้อหินซะอย่างนั้นแหละไม่คิดจะพูดอะไรเพิ่มเติมพยายามทําใจให้ได้ เมื่อคนยังจ่าดาวเหนือทำได้ทำไมตนเองจะทำไม่ได้บ้างเมเจอร์ Major, น่าจะหาเกมอะไรสักอย่างเล่นแก้กุ้มแก้เซงหรือแก้เครียดก็สุดแท้เอาไหมครับเกมอะไรของคุณผมไม่เข้าใจไม่ใช่รัสเซียนรูเรลตหรอกหน่า VC นั่นไงระยะแค่ RPG ยิงมาแบบเนี้เป็นของวิเศษของเรานะเรายิงได้สบายอยู่แล้วเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นกองเชียร์ไม่มีความหวัดวันอันใดแม้แต่น้อยจ่าดาวเหนือพูดเหมือนการเล่นเกมในสนาม ที่มีอัจจาร์ล้อมรอบเต็มไปด้วยคนดูอย่างนั้นแหละจากจุดที่อยู่ปัจจุบันนี้นักล่าหลับจ้างพิจารณาแล้วว่าเวทกงมีปีกอย่างนกเท่านั้นจึงจะขึ้นมาได้ช่องทางขึ้นมาแม้จะมีอยู่หลายทางแต่ทุกทางก็ล้วนจะเป็นช่องทางบังคับทางสิน้นแม้จะมีกําลังคนมากสักเพียงใดหากจะขึ้นมาก็ต้องใช้แถวตอนเลียงหนึ่งเท่านั้นพื้นที่ตรวจการที่แสนจะเยี่ยมจนมั่นใจได้ว่าแม้แต่หมดก็ไม่อาจลอดสายตาได้ ผิดแล้วก็อดนิยมชมชอบความพิถีพิถันในการเลือกที่ตั้งของเวียดกงไม่ได้ต้องยอมรับว่ามันเก่งจริงๆขึ้นมาเห็นกับตานั่นแหละจึงจะเชื่อหากเอาแค่คําบอกด้วยปากปล่าวใครๆได้ยินอาจโหเลาะหาวาโมหรือไม่ก็เอาเรื่องโจกมาเล่าสู่กันฟังนี่คือประเด็นสําคัญที่ทําให้คนยิงจ่าดาวเหนือกล้าเล่นกล้าเสี่ยงกับเกมสังหารในครั้งนี้พันตรีโรเจอร์โดนคัดขันหนักขึ้นก็เริ่มจะคล้อยตามเลื่อนตัวเองในทางนอนราบข้านคืบ เตรียมโผ่หัวกับปักลำกล้องปืนให้แผ่พ้นลืบผินหินใหญ่ตรงนาเอาเธอหน้ากลับอรอง RPG มันยิงไม่ถูกหรอกอา้าก็เถอะยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีกล้องเล็งย่นระยะ16เท่าอย่างเรานะั่นแหละค่อยว่ากันอีกทีอีอย่างหนึ่งเก็บลืมไปอะไรก็ดวงชะตาของเมเจอร์สิครับถ้าดวงขาดจริงๆ่ะผมว่าแค่เศษไม้ที่เป็นสเก็ต RPG พจุ่งเขาถูกปลายนิ้วเมเจอร์ก็ต้องตาย พันตรีเมริ ก, การโหรลกาก็มาเจอเรื่องโจกแบบนี้ไม่ได้รู้ตัวเลย ว, ว่านี่เป็นแผนจิตวิทยาที่จ่าดาวเหนือสร้างขึ้นมาเองเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดให้ซึ่งก็ได้ผลเกินคาดเมื่อพันตรีเมริการมีขวัญมีกำลังใจและสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากที่ตกอยู่ในอาการของโรควิตกจริวมาเสียนานไหนไรอร์พีจีที่มันยิงคุณเน่ยตอนนั้นผมไม่ได้จับตาดูมันด้วยสิผมอยู่ลึกเกินไปออกมาดูไม่ทันนึกจะย้อนอยู่เหมือนกันว่า นี่อเมริกันเริ่มขี้โมขี้คุยติดใครมาแต่ไม่พูดดีกว่าหาทางเล่นเกมเลยจะได้ไม่เสียเวลาเมเจอร์ Major, พร้อมหรือยังพร้อมแล้วผมใช้กระสุนโหัวระเบิดธรรมดานะไม่ใช้กระสุนแก๊สพิษหรอกถูกแล้วครับถ้าขื่นใช้แก๊สพิษจะมีหวังเดือดร้อนพวกเราอีกโอเคถ้าเมเจอร์พร้อมก็ร้องบอก V ีซีมันได้เลยมันกําลังรออยู่ครับคุณจะบ้าหรือไงนอสตา์ผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับมัจจุราชอย่างคุณ น, นี่ถ้าผมร้องตะโกนบอกมันไปนะมันก็รู้ที่ตั้งของผมสิคุณด้วย คุณคิดตัวเองก็แล้วกันว่าตอนที่โดน RPG ลุมกินโตะจะมีสภาพยังไงพันตรีโรเจอร์อวดฉลาดถึงบางแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองกําลั ง, งโง่อย่างมหันต์ไม่ได้คิดเอาเลยว่าที่ตั้งยิงของตัวเองขณะนี้เป็นอย่างไรของเวยียดกลงเป็นอย่างไรความได้เปรียบเสียเปรียบมีอะไรบ้างจากดาวเหนือโฮอโลล์าร์ดใหญ่ที่พันตรีเมริการทึกทักเอาง่ายๆให้เป็นเพื่อนกับมัจจุราชไม่ได้คาดคิดเอาจริงๆเลยว่าเพียงคําพูดที่เคยคุยเล่นเป็นเรื่องโจกจะถูกนํามาเป็นเรื่องจริงจังไปได้ เอาหน้าเชื่อผมเถอะ VC พวกเนี้ผมสั่งตรงมาจากฮานอยให้มาเป็นของเล่นเมเจอร์โดยเฉพาะรับรองไอ้พวกเนี้เชื่อฟังผมยิ่งกว่าแมวที่เราหัดะอดได้ถีขี่แพะไล่ซะเลยจากดาวเหนือคุยทับเข้าไปอีกซึ่งเท่ากับสร้างความงุนงงให้กับพันเตรีเมริการเป็นทวีคูณตัดสินใจไม่ถูกว่านี่คือการอัมหรือเรื่องจริงแลแล้วด้วยสายเลือดของชายชาตินักรบพันเตรีโรเจอร์ตัดสินใจลงชนแทนวัวทันทีเงยหน้าโงหัวขึ้นเล็กน้อยเตรยียมตะโกนบอกเวียดกง ในโรเวตกรงยิงมีซืสอวะยิงมาเลยกูพร้อมแล้วเว้ยยิงมาเลยเชื่อว่าพักพวกที่อยู่ห่างไปเกือบหนึ่งรอเมตรคงได้ยินด้วยความสงสัยของพวกนั้นมิจะเพียงว่าถ้าพันตรีโรเจอร์ไม่บ้าก็ต้องเมาหรือแมก้กระถูกโรคพิษ ส, สงครามขึ้นสมองเข้าแล้วตะโกนเสร็จกลับมาอยู่ในท่าเตรียมยิงหัวที่เคยยกสูงเมื่อครูต้องกดต่ําลงมาก่อนเสียงอารพีจีมาจริงๆตามคําบอกขานของจาดาวเหนือตําบนเลงตกต่ําไปด้านล่างเกือบ20เมตร ส่วนการตรงของทิศทางนั้นอาจจะออกซ้ายไปนิดหน่อยพันตรีเมริกันรับตาปี่ชั่วครูเพราะกลุ่มควันบางส่วนลอยขึ้นมาปะทะใบาหน้าการปฏิบัติขั้นตอนต่อไปเห็นจะไม่ต้องบอกเมื่อปรากฏประกายไฟท้ายเครื่องยิงส่องว่าบออกมาให้เห็นที่ระยะ350เมตรอย่างชัดแจ้งที่สุดกะกะบาดกล้องเล็งที่ขยาย16เทา่าช่วยยนระยะเข้ามาจนเห็นใบหน้าของคนยิงยังแจ่มแจ๋วเสียงลอยมาอีกหนึ่งลูกลูกนี้ลอยข้ามหัวไปกระทบหน้าผาเสียงดังสนั่นวันไหว เวียดกงทำเหมือนเป็นกังวลว่าพันตรีโรเจอร์จะหาที่ตั้งยิงของตนไม่พบอุตส่าหยิงแจ้งเตือนเป็นครั้งที่สองจ่าดาวเหนือไม่พูดอะไรทางสิน้นปล่อยให้เป็นหน้าที่เฉพาะคนจึงไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายนี้พันตรีโรเจอร์จับได้เพียงบางส่วนของร่างเวียดกงแต่ถึงอย่างไรก็ต้องยิงแม้ไม่มีส่วนที่เป็นจุดตายให้ยิง ย, ย, ยิงไปแล้วผลที่ออกมาก็คือเวียดกงมืออพจผู้ที่โผล่ไรขวาออกมานอกกำบงัง จุดนั้นของร่างกายจึงกลายเป็นเป้าหมายยังไม่ตั้งใจกระสุนหัวระเบิดพุ่งเข้าและแตกตัววิ่งคว้านอวัยวะภายในสร้างความเจ็บปวดยิ่งกว่ากระสุนธรรมดาลายเท่านักไม่ต้องสามเมเจอร์คอยอะไรต่อไปก็แล้วกันเหมือนเป็นโค้ชผู้คอยให้กำลังใจพร้อมทั้งวางแผนให้ยูลิมขอบสนามยังไม่มีเวลาที่บายว่าทําไมไม่ให้ยิงสามทั้งๆที่มีโอกาสร่างของเวียดกงกําลังเ ก, กลิกเกิ้งร้องด้วยความเจ็บปวดโผ่ร่างทั้งตัวออกมาล่อเป้าแม้จะมีแต่ความสงสัยสักเพียงใด พันตรโรเจอร์ก็อุตส่าห์ปฏิบัติตามไปก่อนไอเวียดกงยิงไหมอไอนาล็อกยิงมาเลยเกิดความมันขึ้นมาอย่างไรไม่ทราบได้คราวนี้พันตรโรเจอร์ตะโกนออกไปเองโดยไม่ต้องบอกเสียงอาก้าสั่งกระบอกแพร่เสียงออกมาทันทีตามคําท้าเวียดกงเหมือนคลั่งในยามที่เพื่อนถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้คิดเลยว่าระยะนั้นไม่มีทางที่อาก้าซึ่งยิงแบบออโต้จะยิงถูกได้นอกจากฟลุกจริงๆเท่านั้น คราวนี้ดังต่อมาอีกสองกระบอกใครจะรู้บ้างว่าอี ก, กระบอกหนึ่งไปไหนแต่จ่าดาวเหนือบอกทันทีเมเจอร์ Major, ขอยิงอาร์พีจีทีดีวะเสียงอาก้าที่หายไปหนึ่งแท้จริงก็คือคนที่หันไปคว้าอาร์พีจีของเพื่อนนั่นเองระยะยิงที่ไกลกว่าอาจจะได้ผลซึ่งต้องยอมรับว่าเวียงโคงคือก็ฉลาดอยู่ไม่น้อยยังไม่สิ้นเสียงระเบิดอาร์พีจีด้วยซ้ำพันตรีโรเจอร์จับความเคลื่อนไหวของมันได้ก้องเล็งว่าตามตอนที่มันกําลังเข้าแหล่งกําบัง รอกระทั่งมันได้ลั่นไกามาแล้วนั่นแหละจึงตอบโต้นี่คือน้ำใจนักกีฬาที่ให้โอกาสคู่ต่อสู้กระสุนโฮลระเบิดอีกครั้งเจาะเข้ายอดอกอย่างแม่นยำเวทกุ้งมืออาวุธคนที่2ถึงกับแอบหงายหลังเอาหัวกระแทกผืนแนนิงขาดใจตายในบาดดลเมเจอร์คอยจับตายสองคนที่เหลือให้ดีนะเป้าหมายเคลื่อนที่อาจจะเล่นยากสักหน่อยยังไม่ถามว่าหมายถึงอะไรแต่สายตายยังจับจ้องอยู่แต่ภาพการเคลื่อนไหวในกล้องเร็งนั้นอยู่แล้วคนยิงมีความแน่นอนพอสำหรับการใช้ เมื่อเหตุการณ์ใส่กล้องไปมาอย่างช้าๆซ้ายไปขวาขวามาซ้ายเวทโกองอีกสองคนที่เหลือเกิดอาการกลัวอย่างสุดขีดขึ้นมาในฉับพลันเพื่อนที่ตายไปแล้วเป็นตัวอย่างอาวุธและความสามารถของฟัตรโรหรือแม้แต่ที่ตั้งยิงไม่มีทางที่มันจะหางสู้ได้เลยหนทางปฏิบัติในตอนนี้คือหนีเท่านั้นสองคนคงจะแบ่งสันกันเป็นที่ตกลงแล้วว่าใครควรจะเข้าช่วยใครสําหรับเพื่อนที่มีอันเป็นไปแล้วนี้ว่าแล้วหนึ่งในจํานวนที่เหลือ ก็พาล่างเข้ามาอยู่ในกรกบาดกล้องเลงอีกครั้งยังรู้เท่าไม่ถึงการโอ้ยโอ้ยเหลือเพียงคนเดียวต้องมุนงงต่อเหตุการณ์เกิดความคิดล้มเลิกแผนช่วยเหลือเพื่อนทันทีมันตัดสินใจช้าตัวโผล่ออกจากด้านหลังทางทิศ ท, ที่ผ่านมาแล้วพันตรีโรเจอร์ประจักษ์ทุกอย่างในกล้องเลงว่ากรกบาดตามส่วนหนาของร่างคนไปติดๆเรา ล, ล่นไก่พอเลงนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนัดนี้พลาด คนยิงถึงจัดการยัดกระสุนนัดใหม่เข้าสู่รางเพลิงอย่างรวดเร็วไม่มีการรัสายตามมาดูปืนเพราะอย่างไม่วางจะ ก, การติดตามเป้าหมายในการกระบัดนั้นชั่วพริบตาเดียวกระสุนนัดที่สองก็พร้อมโอ้ยโอ้ยนัดนี้เกือบจะพลาดอยู่เหมือนกันดีที่วิถีรถจากแผ่นหลังส่วนที่ตรงกับยอดอกลงไปถูกคนขาเป็นอนโนเวตกงคนสุดท้ายต้องกลายเป็นคนพิ ก, การไปจนได้เมเจอร์ไม่ต้องซ้ำมันหรอกปล่อยชีวิตมันไว้เอาบุญดีกว่าทําไมแค่นี้คุณยังว่าไม่บาปอีกเหรอ บาปเหมือนกันแต่บาปนิดเดียวเป็นไงหายเสี่งชีวิตหรือยังพันตรีเมริกันไม่ตอบคําถามใดอีกนอกจากรอยยิ้มที่แสนจะประทับใจทุกอย่างเพิ่งถึงบางอ้อนี้เองแม้แต่การตะโกนบอกเวทกงว่าพร้อมก็ต้องยอมรับว่านักฆ่า ย, ยังจ่าดาวเหนือค่อนคาลจะมีอารมณ์สุนทรีไม่ใช่น้อยแม้แต่ยามที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นนี้เขายังทําอารมณ์ให้ลื่นเลึงได้เขาเข้าใจาสร้างเกมให้ออกรสชาติและดุเดือดเพ็ดหมันชวนติดตามเอาจริงๆ พันตรีโรเจอร์ลุกขึ้นแล้วเดินยืดอกเข้าหาคนที่นั่งพิงโขดหินโดยความรู้สึกแสนจะเป็นปลืม้มยืนมือส่งให้สัมผัสอย่างเต็มใจอาการเขย่าแรงคือการยอมรับในความสามารถตอนที่สิบสองแม้สี่เวียโกงจะเรียบร้อยแล้วแต่ความสงบยังไม่มีเมื่อเสียงระเบิดของกระสุนข้อ60ยังดังอยู่ต่อไปอีก ตาดาวเหนือกับพันตรีโรเจอไม่ได้วิตกว่าสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างไรเพราะเชื่อมั่นว่าแหล่งกำบังหรือจุดที่ฝังตัวกดดานอยู่นี้ไม่มีทางที่เวียดกงจะเข้าถึงตัวได้ยุทธเป็นไงบ้างวะผมกันยิงคอหกสิบอะสู้พวกเราได้หรือเปล่าห่วยที่สุดเลยพี่ไอ้พวกนี้มือฉันตีนทั้งนั้นดูมันยิงมาไม่รู้กี่สิบแล้วไม่ได้เข้าเป้ากางเกงเลยสักกระลูกก็น่าจะออกไปยืนเป็นเป้าให้มันปรับทางปืนบ้างก็ได้นิวานั่นแหละถึงจะรู้ว่ามือฉันไหน ไม่ไหวล้วพี่ปล่อยมันเถอะว่าแต่ทางพี่อ่ะมันมะเออกูไม่ได้มันอะไรกับเขาหรอกเมเจอร์ Major มันอยู่คนเดียวงานนี้พวกโชว์ฟอร์มเจ๋งจริงๆตายหนึ่งบาดเจ็บสที่นี่มีสี่ที่เหลือยังไม่รู้อ่ะอะไรละพี่ที่นี่มีสี่ก็โดนหมดแล้วครบทุกคนแล้วยังจะมีเหลือจากที่ไหนอุบะก็อยู่บนกระบาลทุกเรานี่ไงจ่ายยุทธพงษ์เงียบ ว, วิทยุ ท, ทันทีคิดอยู่เหมือนกันว่าต้องโดนยอกย้อนคําพูดแน่เลยตัดสินใจนอนฟังเสียงกระสุนคอระเบิดดีกว่า จาดาวเหนือผู้จบก็หวัวเราะอยู่คนเดียวโดยความสากแก่ใจที่เอาชนะคนได้พอดีเสียงพันตรีบริการถามมาเลยต้องหยุดนอสตาคุณว่าไอวีสี่คนนี้เป็นพวกจดยุทธ์ิรัตะเวนธรรมดาที่ม า, าจจะเดินทางมาเจอเราโดยบังเอิญหรือเป็นชุดที่หน่วยเหนือมันสั่งมาโดยเฉพาะพันตรีโรเจอร์ต้องใช้คําถามยาวหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างให้ย้อนได้จ่าดาวเหนือ ย, ยิ้มแล้วจึงตอบหน่วยเหนือมันส่งมาครับไอพวกนี้รับหน้าที่บีบบังคับให้เราออกจากพื้นที่ให้ได้ เพื่อผลการยิงของมันหรือไม่ก็เพื่อปิดเส้นทางการเคลื่อนที่มันจะกักให้เราอยู่แต่ตรงนี้รอเวลากําลังส่วนใหญ่เข้าทําการโอบล้อมหลังมืดหลังจากนั้นมันจึงจะหาโอกาสสลายกําลังเราอีกทีเพราะฉะนั้นไอ้4คนเนี้ยก็เลยเป็นหนูรองยาดีๆนี่เองแท้ที่จริงแล้วมันก็คือการยั่งเชิงศัตรูไงอะไรทําให้คุณแน่ใจอย่างนั้นก็การยิงของมันสิครับปกติมันจะไม่ยิงอย่างเด็ดขาดถ้าระยะยิงไม่เหมาะสมมันจะใช้วิธีการเข้าหาใกล้กว่านี้ใกล้จนกว่าจะได้ระยะยิงหวังผลนั่นแหละ แต่ที่มันต้องรีบหญิงก็เพราะเจตนาเปิดช่องว่างให้เราถอนตัวไปจากที่นี่เอา้าถ้ า, างั้นเราไปจากที่นี่ก็เข้าล็อกมันสิแน่นอนที่สุดเมเจอร์เพียงแค่เราลงไปจากเข่าลูกนี้นะอาวุธทั้งหมดที่ประดามีก็จะประเคนเข้าหาเราเป็นฮฝโเลยเชียวปืนใหญ่ปืนคอปืนกล RPG, R P G R ก้าเยอะแยะไปหมดผมไม่ได้ท่องจํามาซะด้วยสิหรือเมเจอร์ว่าไงพันตรีโรเจอร์ถึงกับอ้า ป, ปากขังไม่เชื่อ ว, ว่าคาดการณ์นี้จะออกมาจากปากของทหารที่มียศเพียงจ่าสิบเอก 18. คิดอยู่ว่าเขาน่าจะมียศและตำแหน่งที่สูงกว่านี้จึงจะเหมาะสมกับความสามารถแล้วคุณว่าจะมีชุดจราญุตอย่างนี้ไม่อีกไหมมีสิครับมีแน่นอนแต่คราวนี้มันจะไม่กล้ารองของกับทีมเราอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่เข้ามาใต้ให้เห็นอีกแล้วด้วยแล้วการที่มันจะล้อมกรอบเราเอาไว้ที่นี่ล่ะคุณว่ามันสามารถทําได้แค่ไหนผมหมายถึงว่าพื้นที่รอบภูเขาเป็นลูกๆทั้งลูกอย่างเนี้มันจะมีกําลังมาล้อมเราได้อย่างไรก็คงไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยนั่นแหละมันคงต้องระดมคนทั้งหมดที่มันมีตั้งแต่่่พวกทีีออยยูบนดเขา้ พวกที่ฐานปืนใหญ่พวกจยุทธ์อีกห ล, หลายหน่วยเข้าสมทบกําลังกันบังเกอร์ปืนกลที่รายล้อมนี่เป็นหลักในนั้นจะต้องมีปืนกลไม่น้อยกว่าสกระบอกสําหรับการยิงที่ครอบคุมพื้นที่เราก็ต้องรอบตัวด้วยสําหรับปืนใหญ่ปืนคอก็อาจจะช่วยในการยิงสองสว่างให้เพราะมันรู้ว่าในความมืดแล้วมันสู้เราไม่ได้ก็คงเท่านี้แหละครับเมเจอร์โอเคโอเคแล้วคุณไม่มีแผนอะไรที่จะให้บอ ก, กอสนับสนุนเราบ้างเลยเหรอผมยังคิดไม่ออกเลยเมเจอร์ Major. ว่าจะให้เขาจัดการเรื่องนี้ยังไง พอยแซมเเพลนตัวเดียวที่เป็นอุปสรรคเครื่องบินทุกชนิดไม่กล้าขึ้นแน่แม้แต่การเรียกกําลังทหารหน่วยอื่นเข้ามาปฏิบัติการคราวนี้จ่าดาวเหนือต้องใส่หัวด้วยความอ่อนละอ่าทหารลาวไอ้น้องทหารลาวเผ่ามงสังกัดในพลวังเป่ามากมายก่ายกองคนแล้วคนเราต้องถูกดับศูนย์แม้แต่การส่งลงในตอนเช้าสําหรับช่วยเหลือหน่วยไวแคตกระทั่งบ่ายที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันการประทะ ย, ยังไม่มีวี่แววว่าจะสิ้นสุดเครื่องบินโอวีสยังบินตรวจการตลอดเวลา เครื่องไหนน้ำมันหมดก็กลับไปเติมหรือพัดเปลี่ยนเครื่องอื่นขึ้นมาเพื่อให้ภารกิจต่อเนื่องการสูญเสียตามรายงานที่ได้รับจากพันเอกนอร์แมนก็เพิ่มขึ้นเลยๆในขณะที่ยังตรวจสอบการสูญเสียของฝ่ายเวียดกงไม่ได้เลยเราอยู่ไปสร้างเวียนสร้างกรรมให้กับทหารหน้าเหวพวกนี้เลยเมเจอร์ผมบอกตรงๆนะผมสงสารพวกเขาความไม่มีวินัยทางการบรบล่างแต่จะพบความสูญเสียแล้วก็พ่ายแพ้ในที่สุดเราเล่นเกมเนี่ตามลําพังผู้เราเองดีกว่าถ้าเข้าไม่ถึงภารกิจจริงๆก็ถอนตัวเสรก็หมดเรื่องใช่ไหมครับ นี่คือน้ำใจแท้จริงของนักล่าอาชีพที่โปรดปรานการล่าคนเป็นที่สุดในส่วนลึกแล้วก็ยังมีคำว่ามนุษยธรรมแฝงอยู่การสังหารศัตรูนั้นว่ากาันรจริงๆแล้วพวกเขาจะทำเพียงเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นหากไม่ฆ่ามันมันก็ต้องฆ่าเขาในเมื่อเวทกงยังเป็นเวทกงนักล่าก็เลยต้องเป็นนักล่าเพราะฉะนั้นการฆ่ากันการสังหารดับสูญกันจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดหลักการมนุษยธรรมต่อย่างใดมันเป็นกติกาต่างหาก ก็ดีนี่นอสตาผมเห็นด้วยถ้างั้นคุณว่าฐานลาวไอ้น้องชุดเนี้จะออกหัวออกก้อยยังไงต่อไปแลว้วหัวหรือก้อยล่ะครับที่แปลว่าละลายสลายสูนยนี่ยอือออกอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ผลก็คือลาวพินาธแล้วทําไมบ ก, กไม่คิดปรับปรุงแผนการนี้บ้างล่ะบ ก, กมันทําอะไรไม่ได้หรอกเมเจอร์เพราะว่ามันเป็นเพียงวัสดุก่อสร้างแต่คนที่อยู่ในบ ก, กนั้นต่างหากที่ต้องแก้ไขปรับปรุงพันตรีโรเจอร์หน้าชาทันทีพอาะคำว่าคนนั้นหมายถึงตัวเขานั่นเอง ในฐานะที่เป็นนายทหารยุทธการเรายอมลงทุนเอาตัวเองเออกมาศึกษาหาประสบการณ์ทางการรบเพื่อจะเอาไปเป็นแผนปรับปรุงเทคนิคการลบของกําลังลบฝ่ายตนแต่จนแล้วจนเราก็ยังไม่มีวี่แววแห่งความสําเร็จลาวก็ยังเป็นลาวมงก็ยังเป็นมงแล้อเมริกันก็ยังเป็นอเมริกันอยู่แต่จะหมายรวมถึงไทยที่มาในนามทหารเสือพรานหรือไม่ยังไม่ประจักษ์สงครามลาวขเขมรเวียดนามเป็นสงครามนอกหลักสูตรที่ไม่มีประเทศไหนในเครือข่ายเซเลนิยมเรียนรู้ สหรัฐอเมริกาแม้จะมีเทคนิคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่งบประมาณมหาศาลสักเพียงไรกูยังไม่สามารถค้นหาคำตอบได้การสูญเสียยังเพิ่มปริมาณขึ้นเลยในขณะที่ฝ่ายศัตรู ก, ก็พบแต่ความสําเร็ จ, จเจริญ ง, งอกงามดีวันดีคืนยังเห็นได้ชัดความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งเมื่อหอ60จากยอดเขาทั้งสองกระบอกหยุดยิงอย่างเด็ดขาดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นแล้วว่าไม่ได้ผลหรือคิดว่าเป้าหมายถูกทําลายหมดจึงหยุดยิงก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือ นักล่ารับจ้างเหล่านี้ต้องคิดและวางแผนแวกออกจากดงเวียดโกงพวกนี้ให้ได้เท่านั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดผัดเข้ามาในใจกลางดงปีศาจทำให้ต้องมุมานะกันอีกครั้งซึ่งหนีไม่พ้นต้องใช้มันสมองของนักฆ่าจอมอัจฉริยะยังจ่าดาวเหนืออีกนั่นแหละอย่างคราวนี้เป็นต้นเมเจอร์ครับผมอยากให้มีเครื่องบินขึ้นแตวจรอบๆรัศมีที่เราอยู่เดียเ๋ยวนี้สักิบกิโลเมตร ว่าเวยโกงมันต้องเรียกคนมาเสริมแน่ถ้าเครื่องบินตรวจพบก็ จ, จะสั่งการชิปหรือจะบอมยังไงก็แล้วแต่พอมีทางไหมครับมีทางมีหน้่เราเรื่องแซม7ที่พวกเขากลัวกันล่ะก็คงไม่มีปัญหาลงเมเจอร์ผมคิดว่ามันคงเตรียมเฉพาะเครื่องบินที่จะบินมาหาทางเรานี้เท่านั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่จากจุดนั้นไปอ่ะรัศมี5กิโลเมตรต้องมีแซมเจ็แน่มันคงไม่คิดที่จะเอาแซม7ไปคุ้มกันขบวนเดินของมันหรอกแต่ถ้ามันทําก็ถือเป็นกรรมของเราโอเคไหมครับเมเจอร์โอเคฮนะตาเอาก็เอา ไม่เอาก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมพันตรีโรเจอร์เลือกตัดสินใจเอาตามแผนของจ่าดาวเหนือทันทีทางทั้งที่ตัวเองก็ไม่มั่นใจนักด้วยซ้ําแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวจ่าดาวเหนือที่มาคาดการอะไรไม่ค่อยผิดจึงเอาจัดการยืดสายอากาศยาวแล้วเรียกบกกรนในเวียงจันทร์ด้วยผ่านเครื่องช่วยถ่ายทอดที่สนามบินทุ่งหอยหินทันทีโอเคนอตตาอีก5นาทีทุกอย่างจะปรากฏบนท้องฟ้าแน่นอนครับเมเจอร์ Major. ถ้าเครื่องบินปรากฏขึ้นที่พื้นดินผมก็คงไม่เอาด้วยแน่ ไม่ไหวจะมีช่องว่างให้ย้อนเล่นได้อีกขนพูดพูดเสร็จแล้วก็หวัวเราะคนฟังเลยพลอยหัวเราะไปด้วยแล้วฐานเราพวกนั้นไปถึงไหนแล้วครับเมเจอร์เห็นพูดวิทยุอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าสลายหมดแล้วกําลังย่าแย่ขั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้กําลังของเราบางส่วนหนีทับไปแล้วที่เหลืออยู่ก็คือพวกที่ถูกปิดทางไว้ก็เลยต้องจําใจสู้คงไม่นานเกินบุหรี่หมดหมวนวทุกอย่างเรียบร้อยแนะ่เรียบร้อยร้อยเรียบจา่าดาวเหนือเกิดอาการมื่อยอยอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจ คิดถึงภาพที่ทหารลาวโดนเวียดกงรุมสังหารข้างเดียวแล้วอดที่จะหดหูใจไม่ได้ความที่ชันเชิงมันคนละชั้นเหมือนมวยรุ่นเล็กต่อยกับรุ่นใหญ่หรือจะเปรียบเป็นคนพิการสู้กับคนดีก็คงไม่ผิดนักออหนเหตุการณ์กรณีนี้ทหารลาวอ้หนองโดนมานักต่อ น, นักแต่ไม่เข็ดไม่หลับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเหมือนไม่สนใจคิดอยู่ว่าหากเป็นเช่นนี้ลาวทั้งประเทศจะไม่เหลืออะไรให้เวียดนามได้ครอบครองหลังชัยชนะแน่ปล่อยเขาไปเถอเมเจอร์ ผมก็พวกก็คงรบในลาวได้อีกไม่นานหรอกทำไมล่ะนอสตาคุณจะตายแล้วเหรอนานทีที่พันตรีเมริกันจะได้มีโอกาสย้อนคราวนี้เจ๋งจริงๆเพราะเล่นเอาจ่าดาวเหนือถึงกระโพล้อลั่นด้วยความขันตัวเองที่เผยเปิดช่องวางไม่ใช่งันออกเมเจอร์ผมหมายถึงสงครามส ง, งบตั้งหากเราสงครามส ง, งบแล้วใครเป็นฝ่ายชนะคอมมนิสต์เวียด น, นามเหนือครับไม่ทันได้สังเกตสีหน้าที่แท้ จ, จริงตอนนั้น พันตรีมรันตะกันคนผิวขาวตามแบบฉบับอเมริกันถึงกับหน้าซีดสายตาไร้แววมีอาการตะลึงชาว่าไปทั่วไขสันหลังคำที่ว่าคอมมอนิสต์เวียดนามเหนือชนะก็คือสหรัฐแพ้นั่นเองการแพ้สงครามมันย่อมหมายถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันว่ากันตั้งแต่สิ่งมีตัวตนที่เรียกว่ารูปธรรมและสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่เรียกว่านมามธรรมล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งสิน้นความคิดของนายทหารยุทธการ ผู้รับผิดชอบด้านการลบโดยตรงก้าวไปไกลจนถึงวันที่ตนเองจะต้องถอนกําลังออกจากคู่สงครามการถอนจะทําอย่างไรอะไรจะตามมาหลังจากการถอนกําลังแล้วท่าทางของผู้แพ้กับผู้ชนะจะต่างกันอย่างไรแค่ไหนเมเจอร์กลัวแพ้เหรอครับแน่นอนสินอนสตาแค่ใครก็ต้องกลัวถ้ากลัวแพ้เราก็ต้องมาหาทางให้ไม่แพ้ก่อนสิครับคุณมีวิธีทําได้เหรอไม่ยากเลยเมเจอร์เรากลับประเทศเราซะก่อนตอนนี้เลยเราก็ได้ชื่อว่าไม่แพ้แล้วจริงไหมครับ คำตอบแบบกำปั้นทุบดินเล่นเอาทั้งคู่หัวรอ ก, กันได้อีกคั้งพอดีเครื่องบินตรวจการ OV10 จํานวน2เครื่องบินเข้ามาพอดีพันตรีโรเจอร์จัด ก, การเปิดสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติจากวิทยุของตัวเองแล้วหลอเรียดซัมซันจากเรนโบว์เปลี่ยนโอเคเรนโบว์รับได้ชัดเจนดีคุณบินสูงอย่างนี้ดีแล้วนะเริ่มงานของคุณได้เลยรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอเปลี่ยนโอเคซามซันเดี๋ยวผมเริ่มเลยเปลี่ยน OV10 ทั้ง2เครื่องรู้รายละเอียดเรื่องจรวดแซมเมาแล้วเป็นอย่างดีจะเพื่อนร่วมอาชีพ ความสูงขนาดหนึ่งหห้าพันฟุตคงพอจะลอดจากรัศมีทําการของจรวดมันเจะอยู่นี้ได้เราก็เริ่มบินวนตามกันที่ความสูงนั้นอย่างรู้ใจพอประสานกันจากวิทยุในเครื่องนักบินหับจ้างยามปักหลักกบดานอยู่ในลือผินขนาดใหญ่ส่วนที่ติดกับหน้าผานั้นลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยต่อการตรวจการเช่นนี้ทําให้ไม่ต้องหนักใจมากนักเสียงเครื่องบินตรวจการบนท้องฟ้าคลั่งฮึ่งๆอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่สนใจหรอกเพราะชินชา ม, มานานแล้ว จาดาวเหนือเลือบมองเวลาที่ข้อมืออีกครั้งเห็นว่าโจนจะบ่าย4ี่โมงเย็นแล้วยังมีเวลาอีกมากพอที่จะคิดถอนตัวจากที่นี่แซมสันจากเรนโบ้พบเวทกงเพื่อนคุณรับเปลี่ยนขอรายละเอียดในสิเรนโบ้เปลี่ยนโอเคตอนนี้ผมพบพวกมันที่ระยะ12กิโลเมตรจากที่คุณอยู่ทิศทาง270อยเจดีกรีพวกมันกำลังเคลื่อนทับไปทางคุณนั่นแหละคาดว่ากำลังผลไม่น้อยกว่าหนึคนเปลี่ยนโอเคเรนโบ้ขอบคุณมากแล้วเรื่องฐานปืนใหญ่ของมันเรามีข่าวคืบหน้าไหมเปลี่ยน เรื่องนี้เรนโบ2สองเขากำลังค้นหาอยู่เห็นว่าตรวจไม่พบนะักเปลี่ยนโอเคเรนโบ้แบบนี้แสดงมันต้องย้ายเข้าไปหลบในถ้าหรือไม่ก็ต้องป่าทึบที่สุดแล้วล่ะพอยอพวกนี้ก็นกรู้เหมือนกันโอเคแล้ววีซีกลุ่มนี้คุณจะจัดการอะไรไหมเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้ซันไลท์ส่งแบ็กด็อกมาแล้วแล้วก็แบ็กเบิร์ดเพื่อนผมเป็นไงบ้างขอสบายดีกําลังมันในเกมบางทีก็อาจจะเลิกบินแล้วมัอยู่สังกัดเดียวกับผมก็ได้กลับไปคงรู้เองนั่นแหละโอเคเริ่มงานของแบ็กด็อกได้เลยนะเปลี่ยนแบ็กด็อก คือรหัสของสปุกี้เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ได้รับคำสั่งให้ข้อสลายกำลังเวีดกงชุดที่จะมาเสริมพวกบนยอดเขาแห้งนี้นั่นเองตอนที่13ไม่ถึงหนึ่งนาทีจากสนามบินทุ่งห้หินกับความพร้อมของกองทัอพอภิมหาเศรษฐียางสหรัฐอเมริการันเครื่องบินแบบสปุกี้จำนวน6เครื่องก็พังอาดขึ้นเหนือท้องฟ้า ทางทิศ270ดีกรีระยะ12กิโลเมตรอีกครั้งยุทธวิธีการบินก่อนเข้าถึงเป้าหมายครั้งนี้นักบินได้มีการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีนั่นก็คือการบินอ้อมไปทางฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่ที่นักล่ารับจ้างอยู่ในขณะเดียวกันก็ให้ใช้การตามลําแสงอาทิตย์เข้าสู่เป้าหมายด้วยเพื่อเป็นการอาศัยแสงจ้าของดวงอาทิตย์รบกวนการเร็งอาวุธต่อสู้อากาศยานอีกในหนึ่งไม่มีการรีรอใดๆทั้งสิ้น พอรู้แจ้งเรื่องพิกัดเป้าหมายอยู่แล้วนักบินลดความสูงลงสู่ระดับยอดไม้ทันทีเราเร่งความเร็วให้มากกว่า ก, า, การบินตามปกติคิดอยู่ว่าอันตรายจากการบินชนยอดหมายคงจะน้อยกว่าถูกอาวุธต่อสู้อากาศยานแน่ท่านใดนั้นแสงไฟที่เป็นสายอันเกิดจากส่วนสองวิถีของกระสุนปืนกล M60 ก็พุ่งลงมาจากลาตัวเครื่องปักดิ่งสู่ผืนอย่างน่าดูชม สปุกี้3ามลำแรก น, ำนํำนาแเราทำด้วย3ามลำหลังแบบห่างกันไม่มากนักปริมาณกระสุนที่มากมายไล่ลงมาจนเป็นสายช้ำไมต่างอะไรกับมานหรือไม่กวาดหยับที่ปัดกวาดไปกับผิวพื้นเอาเลยเที่ยวบินแรกผ่านไปสามลำนาวกขวาตามกันในขณะที่3ามลำหลังบินตรงไปก่อนและทั้งพลตลีสมีที่จะชนกันเองกลางอากาศ3ามลหน้าจัดเส้นแนวบินเตรียมบินเข้าโจมตีซ้ำอีกครั้งทันทีที่ตั้งลําเสร็จ สาลำหลังที่บินตรงเลยไปก่อนนั้นก็เข้าเสริมท้ายอย่างทันเวลาการบินเริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างเร่งเบปริมาณกระสุนที่ดอกกันเนอร์ลำละ2อทนกับ m 6็มกสิบอกระบอกใส่กระสุนด้วยปริมาณคงที่ลงไม่อีกสังไม่รู้เหมือนกันว่าทุกที่6เครื่องกับ M60 เครื่องละสอกระบอกกระสุนกระบอกละ 10,000 นัดเช่นนั้นหมดจะรอดได้หรือไม่หรือว่าหมดไม่รอดแต่เวียดโกงรอดได้ก็ไม่รู้พอาเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยในกลุ่มนักล่ารับจ้างทั้งหมด มีเพียงร้อยเอกแบ็กเบิร์ตเพียงคนเดียวที่จองมองภาพการทํางานของนักบินชุดเรนโบว์อย่างตั้งใจและเอาใจช่วยภาพคลิปปรากฏในกล้องสองสองตาทุกท่ายทอดออกมาเป็นคําพูดให้คนที่มองตาเปล่าได้รู้อย่างต่อเนื่องการยิงชุดที่5กําลังจะเริ่มขึ้นคาดว่าเมื่อหมดชุดนี้เราเครื่องยังจะสามารถยิงได้ไม่เกินอีกหนึ่ ง, งชุดแน่ทำไมยิงได้น้อยนักล่ะครับท่านไอชาติแกล้งพูดประชดเสีย ม, มากกว่าที่จะอยากรู้จริงๆโดยว่าแค่นิเวศงงอาจจะยังไม่ตายก็ได้ ถ้าแนตจริงต้องยิงกระทังเวีทกองขยับเขยื่นตัวไม่ได้สักหนึ่งอาทิตย์เต็มเตนั่นละจึงจะยอมรับพอถ้าถึงขนาดนั้นได้แม้เวีทกองไม่ถูกยิงตายก็ต้องอดข้าวอดน้ำตายหรือไม่ก็อาจจะกั้นขี้กั้นเยี่ยวจนตัวตายก็ได้ใครจะไปรู้นี่ก็นับว่ามากแล้วน่ะปกติยิงได้แค่3มชุดเท่านั้นแหละแต่เนี่ยระยะพื้นที่เป้าหมายมันสั้นก็เลยยิงได้มากหน่อยไม่รู้พวกเขาจะหลวดมาด้วยหรือเปล่ามันจะได้ผลสักเท่าไหร่เชี่ยวจะหลวดของแคปตันน่ะรัศมีทำลายแค่3 40เมตร ผมว่าถ้าเล่นนาปามสักเครื่องละลูก2องลูกแบบเตยเสของม้งมันจะดีกว่านะ่ะไอชาติประชดอีกซึ่งดูเหมือนว่าร้อยเอกนักบินผู้ไรเครื่องจะยังไม่รู้เท่าทันแต่พวกนักล่ารับจ้างด้วยกันทุกคนรู้หมดบางคนถึงกระโผลออกมาด้วยความขันแน่การผ่าซื้อของร้อยเอกนักบินผู้นั้นโอเคพวกเขาไม่จ้ารวดติดมาด้วยทุกเครื่องคงราวๆสิลูกต่อหนึ่งเครื่องนั่นแหละร้อยเอกนักบินอธิบายตามลักษณะท่าทางการบินของเครื่องแทนการสอบถามทางวิทยุเพราะตัวแกเองก็เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ด้วยคนหนึ่ง จึงรู้เรื่องดีสปุกกี้สามลำนำหน้าบินลักษณะ ร, ระดับความสูงกับจัดหน้าแถวกลางอากาศก่อนแล้วตามด้วยสมลำหลังคราวนี้สปุกกี้ก้าลอยตัวนิ่งเพรเชื่อว่าไม่มีจรวดแซมเ็แน่พอถ้ามีมันคงยิงขึ้นมาแล้วแต่จนเมื่อป่านนี้เรายังไม่โผล่ก็แสดงว่าไม่มีโดยเราไม่ถึงครึ่งนาทีทุกอย่างก็พร้อมพันจรวดประเภทอากาศสู่พื้นจากใต้ท้องเครทองก็ถูกกดสวิตช์ยิงจากนักบินปล่อยสายควานเป็นลำยาวออกมาลูกแรก ลูกที่สองที่สามสี่ห้าตามกันมาเป็นลําดับจากยูสบุคซี่ทั้งหเครื่องทําการยิงพร้อมกันแบบนั้นทำให้ปริมาณควันมากกว่าการยิงทีละลูกไปหลายเท่าตัวและจะกุมควันที่พื้นดินก็เช่นกันทําให้ป่าแถบนั้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีดำกระจายแผ่เป็นบริเวณกว้างขวางจนคิดว่าหากคนที่ไม่โดนสเก็ตหรือคมกระสุนก็คงต้องตายเพราะถูกลมควันจนหายใจไม่ออก เสียงระเบิดดังต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวๆฟังแล้ไม่ต่างอะไรกับเครื่องบินที่ถูกเล่งเครื่องบทที่ดูอยู่ในภาพถึงให้รู้สึกคึกคลัทกกลัวป่าไปต่ำๆกนันนานจะได้เห็นการเอาเงินงบประมาณประเทศนี้อย่างี้เส็จใครจะประมาณได้บ้างว่าทั้งหมดนี้เป็นเงินสัตว์เท่าไหร่ไม่ถึงหนึ่งนาทีกับการลำเลงจรวดออกทิ้งเราสปุกี้ทั้งหกเครื่องก็ดึงตัวเองออกจากพื่อที่เป้าหมายนั้นย้อนกลับไปทางทิศที่มาคงเหลือไว้แต่กุ้งควันก็บความเงียบสงบ ข, ของธรรมชาติ ฝ่าไม้แห้งที่กระทบความร้อนจากอานาจระเบิดครั้งนี้ก่อตัวขึ้นเป็นกองใหญ่แล้วแพร่ขยายบริเวณออกไปอย่างรวดเร็วเป็นไงเรนโบ้ได้ผลแค่ไหนพันตรีซัมซันวิทยุถามไปที่เครื่อง OV10 เมื่อเห็นว่าสปุกกี้พวกนั้นบินกลับไปแล้วเรนโบ์ไม่ตอบในทันทีทันใดแต่กลับดึงเครื่องตัวเองให้ไปบินอยู่เหนือบริเวณนั้นแล้วจึงรายงานเข้ามาไม่น่าจะมีคนรอดนะแซมซันทุกอย่างออนแทรเกตทั้งนั้นเลยใช่แล้วไม่น่าจะรอดแล้วก็ไม่น่าจะตายด้วย หมคาควมว่าไงสัสําๆผมไม่เข้าใจโถไอเด็กน้อยเรนโบ้ Rainbow. มึงเพิ่งเข้ามารบกบเีเอทโกงมึงยังไม่รู้จักมันดีเอาละเดี๋ยวคืนนี้กูจะบอกว่ามันเป็นยังไงแนะ่โอเคตอนนี้มึงจงตรวจการไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะสั่งหยุดเข้าใจไห้ไเด็กน้อยนักบินเรนโบ์ที่เพิ่งผ่านผลโรงเรียนทหารมาหมาดๆยุดแค่ร้อยตรีอายุเพิ่งย่าง25ทุิบ้ถูกนายทหารรุ่นพี่หลายปีเรียกไอเด็กน้อยซะอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าเด็กน้อยจะภูมิใจหรือเสียใจกันแน่แต่ก็ไม่เห็นนักบินคนนั้นตอบโต้แต่อย่างใด พันตรีโรเจอร์หันมาทางจ่าดาวหนืออีกครั้งคุณคิดอย่างผมไหมนอสตาผมว่าบางทีอาจจะได้เวทโกงสัก1 ห, หรือสองศพกับคนที่บาดเจ็บสักสองคนน่ะก็ 50-50 ิบ้าะครับเมเจอร์ไม่รู้ว่าหมายความยังไงกับตัวเลขที่เท่ากันสองจำนวนนี้พันตรีโรเจอร์แกล้งไม่สนใจแล้วหันมาที่เรื่องปัญหาภายในของชุดปฏิบัติการของตนดีกว่าว่าไงคุณกําหนดเส้นทางแหวกวงล้อมได้เรียงอย่างเลยครับผมกําลังรอเวทโกงมันบอกอยู่นี่แหละ เอาอีกแล้วคุณพูดอย่างนี้ทีไรผมไม่เข้าใจสักทีให้ตายเสียวพันตรีโรเจอร์ทําท่าเวียนหัวเต็มประดาแต่จ่าดาวเหนือกลับหัวล้อชอบใจมันเห็นเป็นเรื่องขบขันซะอย่างนั้นแหละขยับตัวขึ้นเป็นท่านั่งเต็มตัวล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบก่อนอัธิบายผมหมายความว่าผมจะรอดูการวางกําลังของมันก่อนนะเมเจอร์ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เสร็จแล้เวทกงมันก็จะเน้นการตั้งรับมือที่ด้านนี้หรือจะเน้นเท่ากันหมดทุกด้าน มันจะเอายังไงแต่ที่แน่ๆก็คือต้องดูว่ามานันเน้นด้านไหนเท่านั้นแหละเราถึงจะรู้ว่าคนจะแหวกวงล้อมตรงไหนโอเคไหมคราวเนี้มันก็ไอเรื่องธรรมดาๆรรปกติที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนี่แต่คุณเล่นพูดสักคนฟังงงไปเลยโอเคผมเห็นด้วยตามแผนของคุณจ่าดาวเหนือลงแผนที่ประจําตัวออกมากลางอ่านอีกครั้งแล้วเหลือบสายตา ม, มองไกลไปที่เครื่องบินของเรนโบว์ที่กําลังลอยตัวอยู่บนระยะสูงอีกครั้งเมเจอร์ครับ ติดต่อเรนโบ้เลยว่าถ้าพบการเคลื่อนไหวของ V ีซกลุ่มนั้นอีกให้เรียกสปุกกี้เข้าโจมตีเลยไม่ต้องรอเรานั่นหมายความว่าจะต้องสั่งการไปรยังสนามบินด้วยเพื่อให้สปุกกี้ที่จะรับภารกิจอีกครั้งทําการติดอาวุธให้พร้อมแล้วรอเรียกเรื่องนี้ไม่ยากเมื่อเป็นหน้าที่โดยตรงของนายทหารยุทธการอยู่แล้วเรนโบ้ผู้ท้าทายเมื่อเห็นว่าบินมาหลายรอบแล้วไม่มีซามเมายุ่งเกี่ยวด้วยจึงตัดสินใจฉายเดี่ยวทีละเครื่องโฉบลงต่ําเพื่อความแน่ใจในการตรวจการ รายละเอียดเวียดกงที่มักหลบรอดจากการโจมตีทางอากาศอยู่เสมอๆนั้นผีโรเจอร์แจ้งให้รู้แล้วนักบินจึงต้องใช้วิธีการเสี่ยงอย่างที่เห็นนี่แหละไม่ได้หวังว่าจะได้โจมตีเป็นครั้งสองต่อย่างใดเพราะถึงอย่างไรถ้าเวียดกงโผล่หน้ามาให้เห็นกระทั้งถูกสปุ ก, กี้ซ้ำได้ก็คงไม่ใช่เวียดกงแน่แต่ผลที่พอจะได้ก็คือทวงเวลาให้เวียดกงช้าลงเท่านั้นกล่าวว่าความันจะเข้าเสริมกำลังที่นี่ได้ก็ขอให้นักรบรับจ้างได้แหวกออกไปให้ได้ก่อนก็พอ คุณตัดสินใจเลือกช่องทางแหวกวงล้อมหรือยังนอสตาผมเห็นคุณคิณคดจรนาแผนที่มานานแล้วนะผมไม่ได้คิดหาทางแหวกวงล้อมหรอกเมเจอร์ผมกำลังคิดว่าจะเล่นเกมกับมันอีกต่างหากทำไมเมเจอร์ถึงคิดแต่เรื่องแหวกวงล้อมอย่างเดียวล่ะครับความจริงแล้วเราอยู่บนนี้ก็แสนจะสุขโข อ, อยู่อยู่ๆไปเวทกงก็จะพานชักแถวเอาบอดี้เขามาให้เราเองนั่นแหละสบายๆพันตรีโรเจอร์ไม่ขเลยจริงๆ แม้คนพูดจะพยายามผ่อนเรื่องหนักให้เบาจนเกือบเป็นนุ่นแถมด้วยลีล า, าการโจออกตามแบบฉบับที่ท้ายประโยคอีกด้วยจุดในแผนที่ที่แสดงถึงที่ตั้งบังเกอร์จำนวนหกบังเกอร์นั้นจากดาวเหนือเองก็แจ้งออกมาแล้วว่าทุกบังเกอร์มีระยะยิงที่สนับสนุนกันได้หมดช่องว่างระหว่างการจะตกอยู่ภายใต้อำนาจการยิงอย่างเหนี่ยวแน่นซึ่งหมายความว่าทุกตารางนิ้วจะไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปืนกลในบังเกอร์นั้นได้เลยเราเหตุผลคนใดเรา จ่าดาวเหนือจึงไม่สนใจเรื่องนี้แถมยังคิดจะเล่นเกมในขณะที่ตนเป็นลูกแกะอยู่ในวงร้อมหมาป่าเสีอีกไม่รู้ฐานราวชุดที่ลงมาช่วยราวไวแคทแมวป่าพวกนั้นไปถึงไหนแล้วจ่าดาวเหนือเป็นเรื่องเอาดือด้อครอไม่อยากพูดเรื่องที่ยังไม่แน่ใจในแผนการของตนก็เลยงัดเอาเรื่องของคนอื่นที่อยู่ไกลตนมาคิดแทนพันตรีโรเจอร์จัด ก, การยื้อสายการวิทยุเราเรียกไปที่บก ท, ทันทีเรียบร้อยโรงเรียนแก้วตามที่คุณบอกไปแล้วล่ะกว่าห้านาที ที่พันตรีอเมริกันพูดวิทยุกับพันเอกนอร์แมนแล้วจึงหันมาบอกให้จ่าดาวเหนือได้รู้ด้วยเวทกงชุดนั้นสามารถสลายกําลังทหารเราไอ้น้องชุดนี้ได้อย่างเด็ดขาดกําลังทหารเรากว่าครึ่งที่ตายกับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้เอาศพเอาร่างคนเจ็บออกมาด้วยเพราะที่เหลือ เ, อเพ่นเข้าป่าเข้าดงหนีหายไปหมดตอนนี้เวทกงชุดนั้นกําลังเคลื่อนที่มาทางเรานี่แหละคาดว่าออกมาได้ระยะทางไกลพอสมควรแล้วด้วยแล้วทําไมบอกอร์ไม่ส่งส ป, ปุกี้ขึ้นจัดการล่ะครับก็แซมเจ็นะสินักบินหรือไม่อยากเสี่ยงเอา้าบอกอรเล่นแบบนี้ก็แย่สิ นักบินไม่อยากเสี่ยงเราให้เราเสี่ยงแทนเอ๊ผมว่ามันอะไรอะไรอยู่นาเมเจอร์นะจ่าดาวเหนือแม้จะพูดแบบตื่นเต้นให้ความสําคัญต่อสถานการณ์แต่ถ้าทางไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอย่างนั้นจนนิดเดียวท่าทางครึ่งนั่งครึ่งนอนกับการปล่อยควันบุหรี่เป็นวงกลมลอยขึ้นอากาศเคยเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นพันตรีโรเจอร์ให้สงสัยเป็นยิ่งนักเข้พอจะประมาณได้ไหมว่าวีตกองชุดนี้มีสักกี่คนได้แค่รู้จากรายงานท่าราวตอนถูกโจมตีเท่านั้นว่ามีลาว200อคน โอเคเอา2หารก็เหลือร้อยพอสู้ได้ครับเมเจอร์ Major. ทําไมได้อาสองหารด้วยนี่ยังดีนะเมเจอร์ Major, ที่ผมเอาสองหานนะผมว่าจะเอาสี่หารด้วยซ้ํามลาวพวกนี้เชื่อมากไม่ได้หรอกมันพยายามจะเมคเรื่องให้ใ ห, ใหญ่โตเกินความจริงเข้าไว้เพื่อเรียกความสนใจความเห็นใจนะแล้วก็เพื่อให้สถานการณ์มันใหญ่โตอีกด้วยอีกอย่างก็เพื่อเป็นการอ้างความพ่ายแพ้ของมันว่าที่สู้ไม่ได้เพราะคนของมันน่ะน้อยกว่าตั้งเยอะไงก็ทํากันอย่างนี้มานานแล้วเหรอโนสตา์โอ้นานนมนะครับเอางั้นเลยเหรอ นี่ว่ากันมานานเลยเหรอเป็นคําตอบแบบประชดประชันแดกดันสีมากกว่าที่จะให้เป็นจริงพันตรีโรเจอร์ให้รู้สึกร้อนรหนาวหนาในเมื่อคิดถึงตนที่จะต้องลบในลาวอยู่ต่อไปยังไม่มีกําหนดลาวลบอย่างนี้แล้วมันจะลบไปทํำไมความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งเมื่อทั้งสองหมดเรื่องคุยสายตากับความคิดที่ไม่สามารถจํากัดมันได้นั้นร่องรอยไปไกลเยี่ยงไร้ขอบเขตสถานการณ์ต่อไปนี้ไม่ใช่ของง่ายอย่างที่ใครคนหนึ่งพูดแน่ เวียดกงมีเวลาเตรียมตัวเตรียมแผนและเตรียมการอย่างเหลือเฟือคิดว่าป่านนี้มันคงดำเนินแผนการต่างๆที่วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอีกทั้งอาวุธทุกชนิดก็ต้องพร้อมลั่นไกเวียดกกงไม่ได้งงหรือลบไม่เป็นในเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าศัตรูมันอยู่ที่ไหนพื้นที่ภูมิประเทศที่เวียดกงรู้จักเป็นอย่างดีมีหรือจะไม่รู้ว่าควรเอากำลังไปอุดไปรอไว้ตรงไหนบ้างนานกว่าสินาทีที่ความเงียบเป็นไปผ่านสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นเสียงระเบิดชนิดหนึ่งดังขึ้น คาดว่าเป็นกระสุนคอ60หลังเสียงนั้นไม่นานกลุ่มความสีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือยอดกอลวกระยะห่างจากจุดที่กลุ่มนักล่ารับจ้างอยู่ไม่เกิน800เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ตีนเนินมุมทิศ ต, ตรงกันเปะยังกับเอาไม้บรรทัดวัดพันตรีโรเจอร์ถึงกับทะลึ่งพรวดด้วยความสนใจแต่จ่าดาวเหนือกลับเฉยอาการครึ่งนั่งครึ่งหนอนยังคงเดิมเพราะความมั่นใจว่านจุดนี้ไม่มีทางที่คอจะยิงตกใส่ได้นั่นเอง อีกครั้งหนึ่งที่กระสุนคอเจ้าเดิมยิงมาจากจุดที่มีควันเลือนขวาหาเป้าหมายเป็นระยะประมาณ200เมตรไต่ลาดขึ้นมาเล็ก น, น้อยนัดที่3ามซ้ำนัดที่สองมันนัดเดียวกันไม่รู้เหมือนกันว่าพอตอ น, นอปรับแก้ยังไงตําบลระเบิดจึงไม่ย้ายไปไหนเลยนี่หนักขึ้นอีกเมื่อตําบลระเบิดที่ใครๆคาดว่าต้องไต่ขึ้นมาหากับตกไปทางขวาจนเกือบสุดตีนเนินกลุ่มควันสีดําทะมึนร้อยพ้นยอดไม้มาให้ใหเห็นอย่างชัดแจง้ง นัดที่ห้านี้ออกสายไก่ลิบมองเห็นอย่งางธนัดถนีว่าก่ยาคาถูกเปิดออกจนเห็นพื้นดินกลุ่มควันรวมตัวขึ้นเป็นดอกเห็ดขนาดยักษ์แล้วลอยตัวขึ้นมาตามธรรมชาติจากดาวเหนือทะลึ่งพรวดทันทีเมื่อรู้ถึงความหมายในการยิงครั้งนี้มันยิงหาหลักฐานคำนี้มันโจกเราแน่ตอนที่14บสกยสองเรียกสายหน่วย88สายหน่วย99 เยขสายหน่วย88สายหน่วย99ทราบแล้วตอบด้วยเปลี่ยนอีกครั้งที่บ ก, กควบคุม22ของเวีกงต้องเรียกหน่วยกําลังสำหรับภา ร, รกิจล่าศัตรูครั้งนี้หลังจากที่เรียกมาแล้วเกือบตลอดวันนี้สายหน่วย88ทราบแล้วเปลี่ยนสายหน่วย99ทราบแล้วเปลี่ยนเมื่อจรยุทธ์ที่รับภา ร, รกิจนี้โดยเฉพาะตอบรับตามลําดับเมื่อพร้อมแล้วการส่งข่าวจึงเริ่มต้นขึ้นดีมากสหายสายหน่วย88วางกําลังเรียบร้อยหรือ ย, ยังรายงานด้วยเปลี่ยนหน่วย88เรียบร้อยแล้ว กำลังทั้งหมด80คนวางเป็น2แนวซ้อนกันระยะเคียงระหว่างคน30เมตรระยะเคียงระหว่างแนว100เมตรทั้งหมดเตรียมที่กำบังอย่างแข็งแรงพร้อมรับมือศัตรูรับเปลี่ยนบก22ทราบแล้วว่าสหาย88เรียบร้อยสายหน่วย99รายงานได้เปลี่ยนหน่วย99เรียบร้อยเช่นกันการวางกำลังเหมือนสหายหน่วย88ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นอันว่ากำลังหลักจำนวน2หน่วยจรยุทธ์ที่รับผิดชอบภารกิจนี้โดยเฉพาะตันก็พร้อมแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เวียดกงหลว่าจะปรากฏตัวให้ศัตรูเห็นไม่ได้แล้วยังเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นระยะไกลหรือใกล้สักเพียงไหนยิ่งในยามกลางวันที่สว่างแจ้งจางปางเช่นนี้ด้วยแล้วยิ่งต้องระวังให้จงหนักการเข้าสู่พื้นที่การรบต้องใช้วิธีแทรกซึมจัด ก, กำลังเป็นชุดเล็กๆค่อยๆทยอยเข้าฝั่งตัวแม้แต่ระยะห่างจากขอบพื้นที่เป้าหมายก็ต้องให้ห่างอย่างน้อย1กิโลเมตรทั้งนี้เคยปรากฏแล้วว่าศัตรูมักเริ่มเปิดฉากการโจมตีที่ระยะ500เมตรเสมอซึ่งระยะนี้อาวุธของเวียดกง ทั้งอากา R ์อพีจยั่งยิงไม่ได้หรือยิงได้ก็ไม่มีความแม่นยํานับเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เวียดโกงต้องพบความสูญเสียบอกอ 22, ยี่สิบสอกสายหน่วย77ทราบแล้วตอบด้วยเปลี่ยนสายหน่วย77ทราบแล้วเปลี่ยนดีมากสายอยากทราบว่างานดับศูนย์เครื่องบินศัตรูสําหรับสืบท่อภารกิจคราวนี้สายเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเปลี่ยนหน่วย77พร้อมแล้วชุดยิง4ี่ชุดกระจายอยู่รอบนอกของพื้นที่เป้าหมายระยะประมาณ6กกิโลเมตร ที่ตั้งยิงครบทุกชุดเปลี่ยนนวลดรยุทธ์77มีหน้าที่ใช้อาวุธจรวดแซมเจ็ดทำการสังหารเครื่องบินโดยเฉพาะกําลังชุดยิงทั้งสี่ชุดถูกวางไว้เป็นกากบาททับจุดที่ศัตรูอย่างนักล่ารับจ้างอยู่นั่นแหละทางนี้เวทโกงมั่นใจว่าเมื่อศัตรูพวกนี้ได้รับความสูญเสียก็ต้องเรียกหาเครื่องบินมาช่วยแน่นั่นหมายความว่าเครื่องบินศัตรูจะบินเข้ามาหาจรวดแซมเจเองซึ่งกรณีนี้เวทโกงประสบผลสําเร็จมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้ก็ไม่น่าพลาด บก2ีเรียกสายหน่วย32ทราบและตอบด้วยเปลี่ยนสายหน่วย32ทราบแล้วเปลี่ยนให้สายหน่วย32รายงานสถานการณ์ด้วยเปลี่ยนขณะ น, นี้หน่วย32ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วได้เพราะเครื่องบินของศัตรูยังบินอยู่เหนือด้านบนถ้าสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วจะแจ้งอีกครั้งเปลี่ยนโอเคตอนนี้ยังมีเครื่องบินอยู่ใช่ไม้มมีกี่เครื่องละสายเปลี่ยนเป็นเครื่องบินแบบ OV10 สิบจำนวน2เครื่องเปลี่ยนและการปฏิบัติของสายทำอย่างไรบ้างเปลี่ยน ก็ใช้การเคลื่อนที่อย่างช้าๆค่อยๆไปทีละคนสองคนถ้าที่หลังกำลังจะมีให้เปลี่ยนถ้าอย่างนั้นคนของสหายเกือบร้อยคนไม่เหลืจะเคลื่อนที่ถึงจุดหมายล่ะมันเป็นความจําเป็นนะสหายต้องรอเวลาให้มือเสก่อนจึงจะไปได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าเครื่องบินของศัตรูมันต้องบินกลับไปแล้วด้วยนะ้ำเปลี่ยนตกลงสหายตกลงว่าแต่ผลการโจมตีจากกองศัตรูเมื่อตอนบ่ายวันนี้สายนักร้มของเราได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนบาดเจ็บแค่สองคนตอนนี้ได้รับการรักษาจึงทําการลบต่อไปได้รับเปลี่ยน ดีมากสหายขอสหายสืบทอดภารกิจต่อไปคาดว่าเวลาประมาณสองทุ่มจะส่งข่าวเรื่องแนววางตัวของหน่วยสหายให้รู้ตอนนี้ขอยึดแนวที่เคลื่อนที่นี้ไปก่อนเปลี่ยนเป็นอันว่าหน่วยจราุสสามสนี้ก็คือหน่วยที่ถูกเรนโบกําลังประกบอยู่นี่เองบอกแล้วไงว่าวีดโกงไม่ได้โง่หรือลบไม่เป็นอย่างที่คิดการโจมตีทางอากาศนั้นเครื่องบินจะต้องบินมาบนอากาศสิ่งที่กระหึ่มจะแจ้งโล่งง่ายทุกคนทางภาคพื้นลู่คนอยากตายเท่านั้นที่จะออกมารอเป้า แต่คนที่ยังปกติทั้ง จ, จิตใจจะเลือกเอาคนไม้ใหญ่เป็นแหล่งกำบังแม้แต่จรวดที่ยิงลงมาเครื่องบินลอยตัวอยู่ทางไหนจรวดก็ต้องยิงมาทางทิศนั้นการหลบก็คือเคลื่อนร่างกายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเสียไม่ต้องไปไกลถึงไหนหรอกเอาต้นไม้ต้นเดิมนั่นแหละเป็นแหล่งกำบังหลังจากนั้นก็พยายามตั้งใจนับจํานวนจรวดซึ่งทุกๆเวกงรู้ดีว่าในหนึ่งสปุ ก, กีจะมีเพียงไม่เกิน16ลูกอาจจะน้อยกว่า น, นั้นถ้าศัตรูใช้วิธีประหยัดกลำพังแค่ห่อโจมตีจะมีผลสัตว์ทดลยว แม้แต่ป้อมบินยักษ์ B-52 ที่ใช้การทิ้งระเบิดแบบปูโมเป็นพื้นที่กว้างกว่า2กิโลเมตรยาวได้กว่า 5-6 กิโลเมตรเวทโกงยังไม่ระคายผิดเพราะฉะนั้นการโจมตีเพียงเท่านี้จึงเหมือนเอาไม้ไปแย่ลังหมดเท่านั้นเองบอกกอ52เลือกสายหน่วย917เลือกสายหน่วย917ทราบแล้วตอบด้วยเปลี่ยนสายหน่วย917ทราบแล้วเปลี่ยนเรื่องกันเตะปืนใหญ่สาหรับยิงกลางคืนสายพร้อมเลยยังเปลี่ยนแท้ที่จริงแล้ว ปืนใหญ่ที่กระหน่ำได้ยิงพวกนักล่าหลับจ้างเมื่อตอนสายวันนี้ก็คือหน่วย917นี่เองการสอบถามถึงความพร้อมก็คือที่ตั้งยิงที่ต้องเปลี่ยนใหม่หลักฐานยิงต้องกลุยทางใหม่การป้องกันที่ตั้งเมื่อมีการโจมตีจากปืนใหญ่หรือจากเครื่องบินของศัตรูรวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างพอตอนอสออและฐานยิงต้องทําใหม่ทั้งหมดทุกอย่างหน่วย917พร้อมและเปลี่ยนอยากทราบที่ตั้งยิงของสายหน่วย917ว่าถ้าถูกศัตรูโจมตีสายมีแผนอย่างไรบ้างเปลี่ยน ตอนนี้สายหน่วย917ใช้ระบบแยกกำลังกันออกไปเป็นปืน1กระบอกต่อหนึฐานยิงเมื่อฐานใดฐานหนึ่งถูกโจมตีเราจะหยุดยิงฐานนั้นไปเข้าที่ตั้งใหม่ในขณะเดียวกันก็จะให้ฐานอื่นทําการยิงฐานให้เพื่อการยิงจะได้ต่อเนื่องยกเว้นการโจมตีทางอากาศที่ต้องหยุดยิงทุกฐานการเตรียมที่ตั้งยิงครั้งนี้เรามีสองฐานซึ่งใช้หน้าผาเป็นที่ตั้งยิงดังนั้นคิดว่าเมื่อถูกโจมตีทางอากาศหรือปืนใหญ่ด้วยกันคงหลบได้ทันเปลี่ยนดีมากสหายคาดว่าคืนนี้คงไม่มีการโจมตีจากปืนใหญ่ศัตรูหรกนะ เพราะสายสายลับของเรารายงานมาแล้วว่าปืนใหญ่ของศัตรูไม่มีการย้ายเข้าที่ตั้งยิงแห่งใหม่แต่อย่างใดปืนใหญ่ศัตรูทุกฐานยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะระวังเพียงการโจมตีจากทางอากาศเท่านั้นเปลี่ยนยุทธวิธีการหลบที่ผิดแปลกไปจากฝ่ายโลกเสรีนี้เคยสร้างความย่อยยับให้แก่ศัตรูมาแล้วนับครั้งและประมาณการสูญเสียไม่ได้การปฏิบัติทุกอย่างไม่มีรูปแบบที่แน่นอนการปฏิบัติทุกอย่างไม่ซ้ํากันไม่มีการจําเจจนศัตรูจับทางถูกกรณีนี้ก็เช่นกัน ปืนใหญ่ของฝ่ายอเมริกันจะต้องใช้ฐานยิงเดียวกันด้วยปืน6ระบอกน้อยกว่านี้ถือว่าไม่ได้ผลปืนใหญ่ตามตําราอเมริกันนั้นไม่มีการแยกเหลี่ยวอย่างเด็ดขาดเพราะมีสูตรอํานวยการยิงแห้งเดียวแต่ของคองมมิวนิสนั้นแม้จะมีสูตรอํานวยการยิงแห้งเดียวอย่างต้องทําหน้าที่ผู้ตรวจการหน้าอีกด้วยก็ยังสามารถส่งหลักฐานยิงให้แก่ปืนที่แยกเหลี่ยวแบบหลักฐานใครหลักฐานมันได้นี่คือความพร้อมของกองทัพที่ทําการลบแบบกองโจนอันมีเหมาเจอตรงบวกกับโงอเวียนเกลียบเป็นเจ้าตํารับ บกยีเรียกสายหน่วย378เรียกสายหน่วย378ดแปีแล้วตอบด้วยหน่วย378ทราบแล้วเปลี่ยนให้สายรายงานการเตรียมยิงด้วยเปลี่ยนตอนนี้หน่วย378ทําการยิงหาหลักฐานเรียบร้อยแล้วด้วยการใช้คอ60ทําการยิงตรวจสอบพร้อมกับส่งหลักฐานยิงนี้ให้หน่วย3า9แล้วด้วยคาดว่าการยิงคงได้ผลเปลี่ยนดีมากสหายดีมากเปลี่ยนหน่วยจรยุทธ์378ก็คือชุดยิงคอ60และหน่วยจรยุทธสามเก็คือชุดยิงคอหนึ ทั้ง2หน่วยนี้วางกำลังและที่ตั้งยิงอยู่รอบนอกของหน่วยจรยุทธ์88และ99ที่เป็นกำลังรบหลักมีหน้าที่ทำการยิงสนับสนุนเมื่อหน่วยกำลังหลักเข้าใกล้ศัตรูไม่ได้หรือเพื่อการยิงสกัดกั้นก็ตามแต่นอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงการยิงส่องสว่างเพิ่มเติมให้แก่ปืนใหญ่หน่วย917อีกด้วยบก22เลือกสายหน่วยบก333เปลี่ยนบก22เลือกสายหน่วยบก333เปลี่ยนหน่วยบก333ทราบแล้วเปลี่ยน ตอนนี้แผนการดับสูนสลายกำลังศัตรูสาเตรียมไปถึงไหนแล้วรายงานด่วนเปลี่ยนเป็นนันว่าหน่วยจรยุทธ์333ก็คือบอกเกควบคุมส่วนย่อยส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนยอดเนินภูเขาลูกที่อยู่เหนือหัวนักล่ารับจ้างเดี๋ยวนี้นี่เองวิทยุทิ่สแตนบายตลอดเวลาทำให้รู้ข่าวสารการติดต่อสั่งการของทุกหน่วยได้ทั้งหมดแผนการวางไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่าย3ามโงวันนี้เราส่งชุดจรยุทธ์ไปสังเกตการณ์ทำการอย่างเชิงท่าทีศัตรูแล้ว ปรากฏว่าสายนักลบของเราถูกศัตรูดับศูนย์หมดทุกคนขณะนี้กําลังสายนักลบที่ประจําอยู่ที่หน่วย33มเคลื่อนย้ายกำลังลงพื้นล่างเตรียมโจมตีศัตรูเรียบร้อยแล้วทุกสหายเข้าแนวเราก็ดัดแปลงที่กําบังพร้อมเป็นอย่างดีคาดว่างานนี้สําเร็จหน้าเปลี่ยนสายส่งกําลังลงพื้นล่างกี่คนเปลี่ยนเฉพาะที่ส่งลงไป60คนส่วนที่เหลือสามสิคนสําหรับป้องกั น, พ ร, กนพร้อมกับสนับสนุนบอ ก, กอยิงแก่ส่ายนักลบที่พื้นล่างนั้นด้วยเปลี่ยนดีมากสหาย เลาวุฒิสนับสนุนจัดสหายข้างบนต่อข้างล่างมีอะไรบ้างเปลี่ยนคหกสิบขแป อ, อ120่ปราศเจสิบหปืนกล 12.7 เปลี่ยนดีมากเสหายและบังเกอร์ป้องกันฐานที่พื้นล่างนั่นแหละสายมีแผนการอย่างไรบ้างเปลี่ยนตอนนี้ทุกบังเกอร์เราสั่งให้มีทหารรบเข้าไปอยู่บังเกอร์ละ10คนกับปืนกลอีกบังเกอร์ละ3ามกระบอกพื้นที่ยิงพื้นที่ตรวจการพื้นที่สกัดกันทุกหน่วยประสานงานแบ่งมอบกันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนดีมากเสย ตั้งแต่ศัตรูเข้ามาในพื้นที่กระทั้งเดี๋ยวนี้ศัตรูรู้การเคลื่อนไหวของฝ่ายเราบ้างหรือ ย, ยังเปลี่ยนคาดว่ายังไม่รู้เพราะรายงานจากแมวมองที่เราจัดไปสุ่มสังเกตการศัตรูที่ล่องหน้าผานั้นรายงานมาว่าศัตรูยังอยู่กันอย่างปกติยังไม่มีการส่งกําลังออกมาตรวจพื้นที่หรือทําการยิงแด่อย่างใดเปลี่ยนแมวมองที่สายว่านั้นเขาใกล้ที่หมายศัตรูแค่ไหนเปลี่ยนเขาใกล้ไม่ได้หรอกเพราลืบหินบังเอาไว้แต่เราสามารถได้ยินเสียงพูดคุยของพวกมันจึงรู้ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยน อาจจะถือเป็นข้อบกพร่องของบอกกองคู่ขุม3ามได้อย่างหนึ่งที่ปล่อยให้ลือผินแห่งนี้เป็นแหล่งหลบซ่อนของศัตรูได้ทางทางที่ตัวเองเป็นเจ้าของหน้าผาซึ่งน่าจะมีการวางกําลังป้องกันไว้อย่างน้อยควรมีเครื่องกีดขวางธรรมชาติหรือจัดสร้างขึ้นเช่นกับระเบิดเป็นตน้นนอกจากนั้นยังต้องมีการเฝ้าตรวจจากกาลังคนอีกทางหนึ่งด้วยเชื่อว่าเรื่องนี้เวทโกงต้องนํามาพิจารณาแก้ไขเป็นการด่วนนักล่ารับจ้าง ศัตรูตัวฉกาที่เบื้องบนย้ำหนักย้ำหนาให้ล่าตัวทำการดับสูญสลายกำลังให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่บัดนี้ศัตรูกุ่มนั้นได้มาปรากฏตัวอยู่แค่หน้าผากันซึ่งออกจากใกล้กว่าปลายจมูกด้วยซ้ำเวียดกงยังไม่มีปัญญากระทำการใดๆไ ด, ไ ด, ได้เวลาผ่านไปเกือบสัปดาห์ที่การไล่ล่าครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างได้รับการสูญเสียไม่ใช่น้อยถ้ารลาวไอ้นองผ่ารมงในพลวังเป่าท่านอเมริกันและเวียดกงเอง กระบวนการสัตรูกลุ่มนี้มีการสูญเสียเพียงแค่บาดเจ็บคนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขายังสามารถนํากลับสู่แนวหลังได้อีกด้วยจนป่านนี้ที่เวทกงพยายามทุ่มเทกําลังจํานวนมากซึ่งมากกว่าทุกๆภารกิจที่เคยรบมาก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะประสบผลสําเร็จเอาเสียเลยในขณะเดียวกันวี่แววแห่งการสูญเสียของฝ่ายเวทกงยังฉายทอออกมายังเห็นได้ชัดอยู่การที่ชุดจระยุสี่คนถูกสังหารไปแล้วนั้นเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดีว่า เวทกงกระทําการชนิดแฝกยาให้งูตื่นเสร็จแล้วศัตรูที่เวทโกงจะประมาทไม่ได้นั้นได้รับสัญญาณเตือนภัย จ, จึงจําเป็นที่พวกเขาต้องเตรียมการเรื่องนี้ศัตรูที่ฉลาดล้ำอยู่แล้วเป็นทุนเดิมไม่ได้มีการวางแผนเข้าไปอีกงานเข้าสลายกําลังดับศูนย์พวกเขาต้องยากขึ้นเป็นทวีคูณแน่นี่คือข้อกังวลของบอกควบคุม22ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรบในทุ่งไ ห, หินทั้งหมดบก22เลือกสายนักรบทุกหน่วยเลือกสายนักรบทุกหน่วย ต่อไปนี้เป็นคําสั่งและแผนการลบที่สหายนักรบทุกคนต้องปฏิบัติบอกอควบคุม22ที่สั่งการสแตนบายวิทยุไว้ทุกๆหน่วยปฏิบัติการรบเรียกกลาดถึงทุกๆหน่วยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและคําพูดโดยความมุ่งหมายจะย้ําเตือนเรื่องขีดความสามารถของศัตรูอีกครั้งเรียกและเตือนให้เตรียมรับข่าวด้วยการเว้ระยะสักครูแล้วจึงว่าต่อศัตรูของเรามันสามารถมองเห็นในที่มืดได้มันสามารถทําการยิงได้อย่างแม่นยํา มันทุกคนมีขีดความสามารถเท่าเ ท, าเทียมกับนักรบดักกงของเราศัตรูมีอาวุธสารพิษที่ใครก็ตามหายใจเอามันเข้าไปต้องตายทุกคนศัตรูมีการสนับสนุนจากมหามิตรที่ดีเยี่ยมในขณะที่เราไม่มีเราเป็นนักรบที่ลบด้วโดมการต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ตามนโยบายของท่านโฮจิมินผู้นําอันยิ่งใหญ่ของสายนักรบพวกเราทุกคนดังนั้นขอให้สายนักรบทุกคนจงระวังเรื่องขีดความสามารถของศัตรูให้มาก อย่าพยายามเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองโดยไม่จําเป็นอย่างเด็ดขาดการยิงทุกครั้งต้องมั่นใจว่าถูกเป้าหมายการปฏิบัติการะระลอกสองต้องรุนแรงและรวดเร็วสายนักรบทุกคนต้องกล้าหาญพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อการสืบทอดภารกิจให้สําเร็จศัตรูกลุ่มนี้สร้างความสูญเสียแก่สายนักรบของเรามาม า, มากนักเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแก้แค้นให้ได้เริ่มที่คําเตือนผสมกับการตุกระดมให้เกิดความกลา้าเวียดกงนั้นนับถือบูชาโฮจิมินยิ่งกว่าพระเจา้า กลาดใที่เอ่ยนามนี้ขึ้นมาทุกคนจะฮึกเหิมพร้อมถวายชีวิตให้ทันทีคําเตือนคําสั่งจากบกยังไม่จบเมื่อถูกอาวุธสารพิษให้สายนักรบทุกคนถอยหลังกลับไปทางทิศที่ผ่านมาแล้วโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่ต้องห่วงเพื่อนสายนักรบที่โดนสารพิษแล้วเพราะใครขืนเข้าไปช่วยเขาคนนั้นจะต้องตายตามไปทันทีเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลยสู้เก็บกําลังไว้แล้วทาการสู้รบแก้แค้นสืบทอดภารกิจต่อไปจะดีกว่า ให้สานักรบทุกหน่วยเริ่มลงมือปฏิบัติการได้หลังมืดแล้วหลังมืดแล้วเปลี่ยนไม่รู้คำสั่งคำเตือนนั้นได้รับการถ่ายทอดไปถึงกันแค่ไหนพอสภาพที่ทุกเวทกงต้องฝังตัวนิ่งป้องการการตรวจพบของสัตรูนี้ไม่มีทางทำอะไรได้เลยตอนที่สิบห้าขบวนการนักล่ารับจ้างทั้งสิบสี่คนถูกเรียกรวมตัวกันอีกครั้งก่อนสิ้นแสงตะวันงานนี้ไม่ใช่งานเหล็ก จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เคยกระทำมาคงไม่ได้นักล่ารับจ้าง14ขคนกับเวียโกงจำนวนกว่า200ทั้งอาวุธหนักอาวุธเบาสารพัดจำเป็นอยู่ดีที่ต้องวางแผนให้แยบยนที่สุดหลังจากสอบถามทุกคนแล้วว่าใครมีแผนการอย่างไรบ้างกระทั่งได้คำตอบที่แน่ชัดว่าไม่มีดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของนักฆ่าจอมอัจฉริยะเองเราจะใช้แผนซ้อนแผนในเวดกงนะ ภูเขาลูกนี้มีทางขึ้นลงที่สะดวกที่สุดคือทางที่เรามานี่แหละเพียงทางเดียวที่ฝั่งตรงข้ามยังมีอีกเพียงแต่ตอนที่ต้องผ่านหน้าผาช่วงเนี้ จ, จะยากสักนิดแต่ก็ยากแค่ระยะไม่ถึง100เมตรพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยจากการยิงทั้งปวงเพราะมีหลือหินบังเอาไว้ให้ต่อจากนี้เป็นด้านหลังที่เราจะย้อนกลับทางเดิมสักไม่เกิน150เมตรแล้วตัดขึ้นสูงอีกหน่อยจะมีทางลงสุงตรีเนินได้อีกแต่พื้นที่ช่วงเนี้ตอนที่จะตัดขึ้นสูงอีกหน่อยนั้นอะอาจต้องเจอกับเพื่อนของเราก็ได้ สรุปแล้วในแผนที่บอกไว้3ทางเอาทางไหนดีทางเดิมที่เราเข้ามานั่นแหละพี่ให้เปี๊ยกเสนอความคิดเป็นคนแรกแบบทันทีทันใดด้วยความมั่นใจและหานกล้าะต่อศัตรูเหตุผลเป็นพื้นที่ราบที่เราสามารถกระจายกําลังกันออกไปได้มากเราต้องเจาะช่องวงล้อมให้กว้างที่สุดเท่าที่เราต้องการเราก็ไม่ให้เวียดกงเสริมกําลังมาสร้างวงล้อมได้อีกภายในเวลาที่เราต้องไปได้ไกลกว่าหนึ่งหรือสองกิโล ไอแกวที่มาจากทหารลาวพวกนั้นน่ะถึงจะเจอกับเราระหว่างทางก็ไม่น่ากลัวเพราะพวกเนี้ยกระสุนมันเหลือน้อยแล้วผมว่าตอนที่มันฟาดกับเราไอ้ายน้องอ่ะพวกมันคงหมดไปเยอะแหละพี่อีกอย่างก็คือพื้นที่ที่เราจะเจอกับมันก็เป็นพื้นที่ราบอีกอันเนี้ยเราเล่นได้สบายแน่ผมก็มีเหตุผลเท่านี้แหละพี่ก็ดีนี่หว่าเปียกน่าสนใจใครว่าไงอีกถึงคราวต้องระดมความคิดจากดาวเหนือชอบที่จะฟังทุกๆเหตุผล อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อนํามาหักล้างกับแนวความคิดของตนเองที่มีอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดออกมาเสมอผมว่านะมันต้องเตรียมกําลังคอยรับมือเราทางด้านที่เปียกว่ามามากที่สุดเลยเพราะมันรู้ว่าเรามาทางนั้นมันรู้ว่าเรารู้จักพื้นที่นั้นและมันก็เป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นช่องทางหลบหลีกหลีกหนีได้ดีที่สุดในทุกช่องทางที่มีอยู่รอบภูเขาลูกนี้ด้วยพื้นที่ที่ลาดเกินไปมันตรวจการง่ายถ้ามีการยิงกระสุนส่องแสงเราเห็นมันมันก็เห็นเรา หมายความว่ากล้องส่องกลางคืนของเราจะไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะแล้วอีกอย่างก็คือพื้นที่ราบย่อมเหมาะกับการรวมอํานาจการยิงปืนทุกกระบอกศาสตร์เข้าไปมีหวังไม่ใครก็ใครต้องตามไปนอนกับไอ้มนแน่แต่ถ้าเป็นภูมิประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่ราบเรายังอาศัยลืบอาศัยเนินหรือความทึบของป่าแทรกตัวเข้าไปได้ป่าทึบไม่มีทางที่กระสุนส่องสว่างจะช่วยมันได้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาด้วยผมว่าเราหน้าจะเอาช่องทางสุดท้ายที่พี่ว่านะแล้วถ้าเจอกับมันก่อนตอนที่เราต้องตัดขึ้นสูงหน่อยนั่นแหะ ผมก็ว่าไม่แปลกเจอก็เล่นกับมันสิถึงยังไงกําลังส่วนใหญ่ของมันก็อยู่ที่ผื้นราบด้านตีนเนินนั้นมันคงขึ้นมาหนุนไม่ทันแน่หรือกว่าจะขึ้นมาทันเราก็เห็นลงป่าทึบลาดเนินฝั่งโน้นไปแล้วเออไอ้นิดก็ใช้ได้นี่ว่ะกูก็เช่าเห็นด้วยแล้วเอาใครว่าไงอีกตรงดิงตัดตรงลงไปหามัน ซ, ซื่อๆเลยไม่ดีเหรอพี่ระยะทางสั้นดีเดินไม่นานก็พ้นแล้วไม่เห็นต้องวกต้องอ้อมให้เมื่อยตุ้มเลยจ้าดาวเหนือเหลือบสายตา ม, มองไปทางทิศที่ไอชาติว่ายอย่างตั้งใจ ความคิดที่ว่าระยะทางสั้นดีนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเอางั้นหรอว่ชาติเอาใครว่าไงอีกยุดว่าไงยึดค่ายแม่งเลยพี่เราค่ายมันนี่แหละคอยเก็บบริเขารับรองรวยเลยตุ้มเป๊ะจริงหรือวะไม่แน่ใจนะว่าคําตอบใจยุดทพงศ์จะออกมาจากใจจริงและพร้อมที่จะทําจริงๆหรือเพียงเพื่อพูดเล่นเท่านั้นจริงสิพี่ผมนาเมงรับรองว่าก่อนสว่างคืนนี้ยึดได้แนะ่แล้วเราจะได้อะไรจากการยุดค่ายนี้เพราะมันไม่ใช่ภารกิจ ไล่ที่รวยเละนั้นเราเละหลือแกวเลยวะใครเละก็ไม่สนใจแม่งหรอกพี่สนใจแต่เรื่องยึดค่ายเท่านั้นเรายึดเพื่อหา body เขากินไงพี่ผมว่าถ้าเรายึดค่ายมันได้แกลมันคงไม่เลิกหลางง่ายๆแนะ่มันต้องเอาอมันคืนนั่นแหละ body เขาทั้งนั้นดอลลาร์ดอลลาร์พี่ไม่ได้หรอกยึดถ้าเรายึดเมื่อไหร่ปืนใหญ่มันถล่มมึงยับแน่ทั้งคอสารพัดขนาดปอรอสอะไรตรงนี้อะไรจะแถามไม่เยอะแยะแต่ถ้าเป็นกําลังหน่วยอื่นยึดมันอาจจะทิ้งค่ายแล้วไปหาเอาใหม่ก็ได้เพราะถึงยังไงค่ายนี้ก็เสียรับแล้ว แต่ถ้าเป็นเราแล้วก็มันต้องพยายามจนถึงที่สุดแน่เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของมันคือเราใช่ไหมงั้นแผนเนี้ผ่านไปได้เอา้าใครมีอะไรว่ามีอีกเมเจอร์ล้วครับมองกลาดทั้งสองพันตรีรวมทั้งร้อยเอกด้วยเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิดทางไหนก็ได้จะ ต, ต้องเป็นทางที่เราอยู่เหนือลมเพราะเราต้องใช้กระสุนแก๊สพิษจึงจะสลายกําลังมันได้จ้าดาวเหนือดีดนิ้ว ท, ทันทีไม่ได้ยินคําว่าทิศ ท, ทางลมแล้วบทสรุปจากสมองนะฆาจจอมอัจฉริยะก็เผยขึ้นโอเค ต้องใต้ลมก่อนแล้วค่อยเหนือลมที่หลังเหตุผลเหตุผลก็คือช่วงแรกที่เราลุกข้อหาหมายจ่อแนวนะ่ะเราต้องทนอยู่ใต้ลมไปก่อนเพราะเรื่องการจ่อแนวมันไม่ยากแต่การที่มันต้องไล่ตามเรานี่สิเรื่องมันใหญ่ระหว่างที่มันตามเราอ่ะมันต้องใช้ปืนใหญ่หรือไม่ก็คอหรือไม่ก็ปลรออีกทั้งปืนกลยิงดักหน้าเราเป็นห่าฝนแน่แต่ตอนนั้นเราก็อยู่เหนือลมเสร็จแล้วเราจะสามารถสกัดการติดตามมันได้เมื่อเราสกัดได้ก็เท่ากับตัดไอ้พอตอ น, นอมันไปแล้วแค่เนี้ยโอเคไหม แล้วพี่คิดว่าจะใช้ช่องทางไหนในเมื่อตอนเนี้ยลมกําลังพัดเข้าหาเราจากทิศทางที่เราเข้ามานี่แหละงั้นก็ดีสิวะก็เอาช่องทางที่เราเข้ามานี่แหละพื้นที่ลาบจะได้ไปเร็วขึ้นแต่ทิศทางนี้มันเป็นการออกห่างจากจุดที่ฮอตกนะพี่เราไม่เสียเวลาเหรอไม่เป็นไรกูมีแผนไว้แล้วถึงเวลาเดี๋ยวรู้เองแผนอะไรยังไงบอกเลยไม่ได้หรือไงไม่ได้เดี๋ยวไอ้แกวไมร่รู้ไม่พ้นแบบเดิมๆคือไม่ชอบพูดเรื่องแผนการเมื่อยังไม่ถึงเวลา หลบที่ขันไม่ออกคนฟังเลยหันไปสนใจกับอุปกรณ์การลบประจําตัวโดวยเฉพาะร้อยเอกนักบินที่ต้องได้รับการแนะนําอย่างละเอียดซึ่งเป็นหน้าที่ของพันตรีคอรินพี่เลี้ยงแม้แต่รูปแบบการปฏิบัติต้องย้ำแล้วย้ำอีกจนเป็นที่แน่นอนว่าจําได้จ่าดาวเหนือฟังพี่เลี้ยงถ่ายทอดวิทยายุทธด้วยความสนใจแต่ไม่ได้เสนอแนะอะไรแต่อย่างใดความจริงนั้นความมืดขนาดนี้นับว่าพอเพียงที่จะเคลื่อนกําลังได้แล้ว แต่ที่ยังไม่ขยับขยายก็เพื่อให้การแนะนําบทเรียนทางการรบเสร็จสิ้นเสียก่อนดังนั้นระหว่างรอเวลาจึงหาความเพลิดเพลินกับการลอยฝุ่นจากที่สูงให้หล่นลงพื้นไปพ ล, งพลางๆไม่มีใครรู้หรอกว่าสายฝุ่นที่ไหลพลูจะกฝ่ามือปลิวไปตามลมก้อนกระทบพื้นดินนั้นจะดาวเหนือคิดอย่างไรบ้างแม่บางคนจะร่วมจ้องมองด้วยก็ตามโอเคนอะสตาเราจะเริกงานกันได้หรือยงังเสียงพันตรีพี่เลี้ยงนักบินดังมาคาดว่าการถ่ายทอดวิทยายุทต์คมบรูหลุขั้นสุดยอดแล้วแนะ่ จากดาวเหนือทิ้งฝุ่นที่เหลือในมือแล้วเช็ดเข้ากับขากรงเกงยืนขึ้นเต็มร่านอีกครั้งหลังจากอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนมานานานับชั่วโมงพาดเอ็ม0 3งศูนยาประจำตัวเข้ากับหน้าผาหินเอามือดัดเอวรั้นดังรอบแกร็บขยับคออีสองสามครั้งตามด้วยสูตดลมหายใจลึกๆเข้าปอดก่อนดึงหน้ากากป้องกันไอพิษจะข้างเอวมาสวมหัวทุกคนทําตามทันทีโดยไม่ต้องบอกไม่นานนักทุกอย่างก็พร้อมหยุดนําไปก่อนเลยร้อยเมตรไอ้เล็กตามจ่ายยุทธพง์ทันทีไม่ได้รับคําสั่ง พอถือเป็นคู่บัดดี้กันอยู่แล้วกล้องส่องกลางคืนที่เปิดสวิตซ์แล้วถูกยกส่องกลาดนําทางไปก่อนด้วยความชํานาญในการใช้จนเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีศั ต, ตรแูแฝงเล้นกายคอยดักอยู่ในระยะ100เมตรข้างหน้านั่นแหละ2คนนําจึงเริ่มออกเดินเส้นทางที่เคยผ่านมาแล้วเมื่อตอนบ่ายยังอยู่ในความทรงจําเลยทําให้ทุกย่างก้าวดําเนินไปด้วยดีไม่มีเสียงย่าพื้นไม่มีเสียงกิ่งไม้ไหวไม่มีเสียงก้อนดินก้อนหินพลิกหรือแม้แต่เสียงลมหายใจยังต้องแผ่วเบาอีกด้วย เมื่อมืออาชีพอย่างนักล่ารับจ้างกระทำการเองศัตรูแค่เวียดกงก็เลยหมดความหมายไปเลยชุดนําผลัดกันใช้กล้องส่องนาลุทหน้าไปได้เลยกระทั้งชุดตามเห็นการนําของสองคนนั้นไปได้ระยะตามสมควรกับภูมิประเทศ4ี่คนแรกจึงเริ่มตามไปซึ่งชุดนี้อาจจะไม่ต้องกังวลด้านหน้ามากนักแต่ก็ต้องหันมาสนใจด้านข้างทั้งซ้ายขวาเป็นหลักกระทั่งได้ระยะอีกครั้ง4คนต่อมาก็เริ่มบางด้วยอาการเดียวกันกันกบ4ี่คนนากระทั้งถึง4ี่คนสุดท้าย ที่ไอชากับไอเชตรับหน้าที่ระวังหลังถือเป็นความกล้าของสองคนนี้อย่างหนึ่งก็คือมันยังทิ้งระยะห่างจากไอโนบไอผลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก, กว่า30เมตรนี่คือความพร้อมอย่างหนึ่งเมื่อต้องใช้กําลังเข้าดําเนินกลยุทธ์โดยว่าหากมีการประทะกันแล้วสองคนนี้พร้อมเต็มที่ที่จะฉีกตัวออกค้างรอหาทางเข้าโอบปีกหรือตกลงหลังศัตรูนักล่ารับจ้างจัดรูปขบวนเดินยาวกว่า200เมตรเช่นนี้เป็นแผนลวงเวียดกองอย่างหนึ่ง หากจะมีการดักซุ่มโจมตีระหว่างทางแล้วเมื่อเวทโกงไม่สามารถมองเห็นในความมืดได้ก็จะคิดว่าสี่คนนี้คือกําลังที่แท้จริงของศัตรูมันจะไม่คิดหรอกว่ารูปกระบวนเดินอันยาวยืดนี้จะควบคุมบังคับบัญชาได้ซึ่งผิดหลักกับที่ศัตรูเคยใช้ดังนั้นหากเวทโกงโจมตีชุด4ี่คนชุดใดชุดหนึ่งก็จะได้เพียงชุดที่โจมตีเท่านั้นและนั่นหมายความว่าชุด4คนอื่นๆจะเข้าไปแก้สถานการณ์ให้ชนิดที่เวทโกงคาดไม่ถึงนี่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ รูปขบวนยังคงรักษาระยะต่อกับการตรวจการรอบตัวอย่างเหนียวแน่นความเร็วเป็นไปอย่างสม่ำเสมอความเงียบทั้งตอนเข้าที่กำบังตอนเคลื่อนตัวยังทำได้ดีพร้อมกันนั้นพื้นที่หรือจุดสงสัยจะมีการวิเคราะห์จนแน่ใจแล้วจึงจะผ่านไปความมุ่งหมายก็เพื่อไม่ให้เวยียดกงรู้ว่านอกจาก4ี่คนที่มันกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แล้วยังมีสี่คนชุดอื่นๆอีกดังนั้นหากจะต้องซัดกันก็ต้องเอาที่4ี่คนนี้เท่านั้นเส้นทางเคลื่อนที่เริ่มลงลาดสู่ตีนเนินของภูเขา นึกขอบใจเวียดกงที่เปิดโอกาสให้ถึงพื้นราบระดับเดียวกับมันได้โดยไม่มีการถ่วงเวลาหรือก่อความรำคาญแม้แต่น้อยในเมื่อรู้อยู่แล้วว่านาจุดใดจุดหนึ่งข้างนามีศัตรูแฝงตัวรออยู่ดังนั้นความประมาทจะมีไม่ได้เป็นอันขาดเส้นทางยิ่งห่างเต็นเนินออกม า, มามากเท่าไหร่ก็ต้องระวังและตรวจการให้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเวียดกงะมีแน่ว่าแต่ว่าจะซุ่มอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละยุดเล็กนําตรงไปเรื่อยๆเมเจอคอนลนออกซ้ายผมเลยครับออกไปสักร้อยเมตรชาติ ชุดมือออกขวาไปร้อเมตรเหมือนกันทั้งหมดเดินตรงหน้าตามที่ยุทธพงศ์พาไปนั่นแหละจ่าดาวเหนือประจําอยู่กับ4ี่คนแรกหรือชุดแรกที่ตามจ่า ย, ยุทธพงศ์สั่งการขยายปีกทั้งสองออกไปชุดละสี่คนตามนั้นผาตรีคอนลินกับร้อยเอกแบ็กเบแล้วก็ลูกทีมนักล่ารับจ้างอีกสองคนฉีกตัวออกไปทางทิศที่ได้รับคําสั่งทันทีอเมริกันพี่เลี้ยงที่คอยประกบนักล่ารับจ้างสมัครเล่นไม่ได้รู้สึกหนักใจแต่อย่างใดกับการปฏิบัติในขณะเดียวกันสองนักล่ารับจ้างที่เตรียมกู้สถานการณ์ ถ้าหากร้อยเอกนักบินเกิดพลาดก็ยังเบาใจได้อีกเช่นกันสี่คนท้ายสุดที่เคยเป็นชุดระวังหลังชี่กลุ่มออกไปได้เร็วกว่าทางนี้คงด้วยความชํานาญเฮ้เจอแล้วยังกัปทหานใหม่ฝึกเข้าตีนะพี่เสียงวิทยุดังขึ้นไม่แรงนักจากยุทธภงซึ่งปักหลักฟังตัวเองนิ่งอยู่ระยะเกือบสามรอเมตรข้างหน้ารายงานเข้ามาก่อนรายละเอียดมากกว่านี้เอยสิแนวของมันห่างจากผมข้างหน้าในสักสี่ร้อยห้สิเมตรเห็นจะได้พวกมันขุดหลุมบุก ค, คลอย่างดีจับคู่กัน ที่เห็นตอนนี้มีแปดหลุมแต่ละหลุมห่างกันไม่ถึงสิเมตรผมว่าแบบเนี้หมาก็รอดไปไม่ได้พี่เออนะหมารอดไม่ได้แต่คนรอดได้โว้ยรายละเอียดหน่อยสิมันเตรียมเต็มที่เลยพี่เห็นอาก้า RPG พาดอยู่ที่ปากหลุมผ่านท้ายประทับร่องไหลรอรั่นไกลอยู่แล้วท่าทางระมัดระวังมากเลยพี่อืมไล่บังเกอร์ปืนกลที่ตรวจเห็นไม่ต้องงงวันละวะผมอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะพี่สงสัยจะอยู่ตรงหน้าคนอื่นหรือถ้าอยู่ตรงหน้าผมก็คงต้องต่อไปอหน่อยนั่นแหละตรงนี้ไม่มีเลยพี่ โอเคปักหลักคออยู่นั่นก่อนรอปีกสองข้างขึ้นถึงนนแนวเราค่อยว่ากันอีกทีคาสั่งนี้ไปถึงชุดปีกสองชุดนั้นด้วยเพราะเครื่องวิทยุที่สแตนบายชุดปีกรู้แล้วว่าแนวเวทกองที่แท้ จ, จริงอยู่ไหนจะทารายงานระยะของจ่ายยุทธพงศ์จึงเร่งความเร็วได้ไม่ถึง10นาทีทุกอย่างก็พร้อมซึ่งรู้ได้จากการรายงานนั่นเองจ่าดาวเหนือยืนขึ้นอีกครั้งด้วยมือสายที่กําฝุ่นจนล้นมือขวายกปืนเอากล้องเข้ากระบอกตามองดูฝุ่นจากมือซ้ายพลูลงพื้น แล้วยิมเครียดของนักฆ่าก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากอีกครั้งไม่มีใครเห็นอาการนี้เพราะสนใจอยู่แต่การนับร่างเวทโกงที่ตรงหน้าตัวเองความตายความหลัลโหลโฮดกำลังจะบังเกิดขึ้นโอเคตอนนี้ลมสงบพอดีเริ่มที่ระยะนี้เลยละ่ะทุกคนยิ่งตรงตัวมาเลยยิงอัดมากไปเถอะรับรองก๊สไม่ลอยไปไหนแนะ่ขยับหน้า ก, กากอีกทีก่อนนะเดี๋ยวจะสั่งยิงพร้อมๆกันเมือนมัจจุราชจะเป็นใจให้ลมสงบดังนั้นคอยุ่งยากที่ต้องกังวลเป็นอันหมดปัญหา เสียงสั่งการทางวิทยุทุกคนรู้หมดแล้วพร้อมกับการหมายหัวเวทโกงแบบแบ่งสรรปันส่วนพร้อมยิงเสียงไม่ดังนะักแต่ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนจากวิทยุระยะ450เมตรในป่าปโปรง่งไม่มีทางที่เวทโกงจะได้ยินแน่ทางนี้สังเกตจาการที่บางคนโพล ร, ร่างกายท่อนบนพ้นคันดินขึ้นมาเหมือนพักรอนั้นไม่มีการยากขยับเขยื่อนเอาเลยไม่มีการยกเว้นแม้แต่กระบอกเดียวรวมทั้งของหัวหน้าทีมด้วยซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยยิง ก็ต้องสังเกตการเคลื่อนไหวตอบโต้ของศัตรูจะได้เอาไปวางแผนการได้แต่คราวนี้หัวหน้าทีมกลับต้องยินด้วยเพราะ ก, กาลังเป็นการยิงแบบรวมอํานาจการยิงกระสุนลั่นผ่านปากลํากล้องที่มีกระบอกเก็บเสียงจึงเกิดความดังเพียงแค่ลมเป่าระยะที่ย่นเข้ามาตั้ง16เทา่าหรือแม้แต่ประกายไฟายปากลํากล้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องเตือนฝ่ายถูกยิงได้ว่าคนยิงอยู่ที่ไหนแต่เมื่อไม่ปรากฏอะไรออกมาให้เห็นให้ได้ยิน เวียดกงเลยต้องตกเป็นเหยื่อจนได้เสียงร้องของคนดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันตลอดทั้งแนวตอนที่16ความมืดซึ่งแม้แต่ลายมือตัวเองก็ยังมองไม่เห็นกับเสียงร้องของคนข้างเคียงที่ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันเวียดกงหลายคนเริ่มไหวตัวทันทีแต่ก็ช้าไปเสร็แล้วพอนักดาบหับจางได้หมายหัวไว้ก่อนแล้วก็รู้ด้วยว่าเป้าหมายนั้น จะใช้เวลานานแค่ไหนสําหรับการตอบโต้กระสุนแก๊สพิษที่สาดออกไปนั้นเป้าหมายก็คือร่างของมันนั่นแหละลิ์ของกระสุนที่เป็นแก๊สหรืออากาศสาดละเหยออกมาจนรอบทิศทางแม้ไม่ถูกร่างคนกลับไปถูกอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้นั้นกระสุนก็จะระเบิดตัวเองแล้วทํางานทันทีมันก็จะได้ผลอย่างเดียวกันเพียงเวลาไม่กี่วินาทีที่ผ่านไปเสียงร้องดังลั่นขึ้นกว่าเดิมไปหลายเท่าตามจํานวนคนถูกแก๊สพิษเพิ่มขึ้น เสียงอาก้าจำนวนหนึ่งที่มีเวลาเหลือสารกสะสุนมากทันทีนาหลับจังไม่ได้ขอบใจมันหรอกที่มันบอกที่ตั้งให้เพราะถึงแม้ไม่ส่งสัญญาณประกายไฟายปากลําก้องก็ยังสามารถหมายหัวมันได้จากกล้องส่องกลางคืนที่มีอยู่แล้ว M203 SMA1 กระสุนแก๊สพิษส่วนทางอาก้าเข้าไปอย่างทันทีโดยไม่เกรงศักดิ์ศรีหรืออํานาจใดๆทั้งสิน้นพรานอาก้าที่ถึงคราวก็ต้องมีอันมวนเสือและตามด้วยเวลาไม่กี่วินาที เพื่อนคนข้างเคียงก็มีอาการตามไปอีกระยะขนาดนี้นักล่ารับจ้างย่ามใจหรือจะให้พนันกันเลยก็ยังไหวว่าไม่มีทางที่อาก้าจะยิงถูกถึงถูกก็ฟลุกไม่ใช่ฝีมือของพันนี้มันรู้กันอยู่แนวเวทโกงเริ่มละสำ ร, รสายทันทีทางนี้อาการที่เพื่อนมันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตรงกับอาการที่บอ ก, กอได้บอกไว้ทุกอย่างหลายเวยทโกงจึงเตรียมเพ่นซึ่งก็เป็นไปตามคําบอกของบอ ก, ก อ, อีกเช่นกันนักล่ารับจ้างไม่ปล่อยโอกาสให้ เมื่อคิดจะเล่นกันแล้วต้องเล่นแฮ้จริงจะมาเล่นแบบเด็กเล่นขายของย่อมไม่มีทางเมี่อโกงหลายคนพาออกมาจากกลุ่มที่อุตสาห์ลงมือขุดเตรียมไว้ด้วยความเหนื่อยยากต้องมาพบกับจุดจบแห่งชีวิตจนได้บางคนโดนเข้าที่แผ่นหลังบางคนโดนขาบางคนโดนไหล่สารพัดจะโดนหรือแม้แต่ที่ไม่โดนก็ยังเดือดร้อนถึงตายด้วยเมื่อกระสุนนัดที่พาดล่างของมันไปโดนโคลนหมายแล้วระเบิดศาส์แก๊สออกมาแล้วอะไรมันจะไปเหลือ เสียง RPG ไม่ต้องกว่าสีระบอกจากทางขวาของนักล่ารับจ้างดันฉิวให้แพนหางตัดอากาศพุ่งเข้าสู่จุดหมายอย่างไร้ความแน่นอนหกตีมรณะวิ่งจนสุดระยะเกือบเจ็ร้อเมตรจับเข้าที่ก่อรวกแล้วระเบิดตัวเองสนั่นวันไหวไปหมดไม่มีความรู้สึกใดจากคนที่ตกเป็นเป้าพอรู้แล้วว่านี่เป็นระยะที่เลยระยะยิงหวังผลไปแล้วความแม่นยำก็จะไม่มีเหมือนอาก้านั่นแหละนักล่ารับจ้างไม่สนแม้แต่ประกายระเบิดหรือกุ้มควัน RPG เหล่านั้น เรบอกตายยังคงกดเข้ากับกล้องเล็งดูปฏิกิริยาของเวียดโกงเราบรรจงาสากกระสุนแก๊สพิษต่อไปอีกกําลังส่วนปีกปลายสุดเมื่อรับงานตรงหน้าแล้วจะต้องขยายผลให้แนวโจมตีกว้างยาวออกไปอีกเรียกว่าเวียดโกงต้องเปิดช่องให้กว้างออกไปอีกด้วยความจําเป็นเสียงคนร้องด้วยความทรมานดังลั่นเริ่มเพิ่มปริมาณความที่ขึ้นอย่างรวดเร็วแก๊สที่ลอยตามลมแพร่ฟุ้งไปนั่นคือผลงานเวียดโกงเกือบทุกคนลงทุนตะกายพื้นเพื่อผ่อนปลนความเจ็บปวด แม้แต่เสียงล่างคนกระทบ ก, กิ่งไม้ไม้พุ่มหรือแม้แต่กลิ่งตกลงสู่ที่ต่ำดังอึ่งมีนักล่าลับจ้างยังไม่สายแก่ใจเมื่อเห็นอยู่หลักๆว่าหลายเวียดกงชาร์ตเลวจีพาตัวเองย้อนกลับหายรับไปกับความมืดทางด้านหลังตามแผนการหนีที่เบื้องบนด้วยสอนไว้ให้เรื่องของเรื่องก็คือเส้นทางที่พวกมันไปนั้นคือเส้นทางที่นักล่ารับจ้างจะต้องไปเสีย ด, ด้วยก่อนที่สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม นักฆ่าจอมอัจฉริยะเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาในบัตรดลล้วงมือเข้าไปในเป้หลังหยิบวัตถุสีเขียวทหารรูปร่างกลมทรงกระบอก6นิ้วยาวและ3มนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางครั้งแรกดึงออกมาสองลูกวางราบกับพื้นดินตรงหน้าจัดการถอดกระบอกเก็บเสียงที่ปากลำกล้องออกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วจึงเอาวัสดุรูปทรงกลมคันเกลียวสวมใสแ่แทนขันตอนยังไม่เสร็จเพราะต้องเปลี่ยนกระสุนด้วย เปลี่ยนแม็กที่บรรจุกระสุนแก๊สมาเป็นแม็กกระสนที่บรรจุกระสุนหัวจีบสําหรับใช้ยิงวัสดุรูปทรงกลมนี้โดยเฉพาะเสียงปล่อยลูกเลื่อนภาคกระสุนเข้าสู่รังเพลิงไม่ดังนักเพราะเป็นปืนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษทั้งหมดนี้กระทําการได้โดยไม่ต้องใช้ใสายตา ม, มองแม้แต่น้อยนี่คือความชํานาญของคนใช้ที่สามารถทําได้แม้จะมองไม่เห็นเมื่อทุกอย่างพร้อมจากดาวเหนือก็ลั่นไก M203 กระบอกในมือทันที เสียงดังที่ปากลํากลองเหมือนปืนอื่นๆทั่วไปแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกันเพราวัสดุรูปทรงกลมที่ขันเปลวใสเข้าไปนั้นมันคือระเบิดยิงระเบิดชนิดนี้ได้รับการออกแบบสร้างให้ใช้ยิงจากปืนโดยเฉพาะและกระสุนที่ใช้ก็ต้องเฉพาะด้วยการยิงจะทําให้ได้ระยะไกลขึ้นได้ความแม่นยํามากขึ้นในขณะที่อํานาจของระเบิดยังเท่าเดิมตําบลระเบิดที่ระยะ500เมตรโดยประมาณทุกคนมองเห็นประกายไฟสีขาวเงินยวงประทุขึ้นมา พร้อมกับลูกไฟเล็กๆน้อยๆสากกระจายรอบตัวเองครูเดี๋ยวสิ่งที่เห็นนี้ก็หายไปลูกที่สองที่เตรียมไว้แล้วยิ่งออกไปอีกครั้งตาบนระเบิดออกขวาของลูกแรกไปหลายร้อยเมตรอาการอํานาจทุกอย่างเหมือนกันหมดมันคือระเบิดฟอสฟอรัสควันขาวซึ่งปกติใช้สร้างฉากควันเพื่อกําบังการมองเห็นของฝ่ายตรงข้ามหรือเพื่อชี้เป้าหมายก็ได้แต่คราวนี้จ่าดาวเหนือเอามาใช้เพื่อหลอกล้อมันเท่านั้นเราก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเกินค่าเสียด้วย เมื่อภาพที่ปรากฏในกล้องเลงกลางคืนนั้นก็คือเวียดกองปรากฏล่างออกมาแล้วพากันวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนหนักล่ารับจ้างเข้าใจแผนนี้หลังจากที่เห็นภาพคนวิ่งหนีก็อดหัวเราะไม่ได้ที่รู้ว่าเวีทกงหลงกลคิดว่านั่นคือระเบิดแก๊สผิดกล่างที่วิ่งเร็วจี่ในความมืดวิ่งเข้าชนต้นไม้ล้มและเนรนาดบางคนเสด็กล่างตัวเองเข้าไปในพุ่มหนามดิ้งกระแดวกระแดวหาทางขยับเขยื้อนไม่ออกสั่มหลายบางคนวิ่งอัดทับล่างคนนำที่ชนต้นไม้แล้ว ได้ถูกเพื่อนชนอัดหลังเข้าไปอีกเหมือนคนตาบอดวิ่งชนกอรลบหรือไม่ก็สะดุดต่อสะดุดจอมปลวกกิ้งโคโร่เสียงร้องเพราะความเจ็บปวดจากการชนการลม้มผลที่ได้ยินกลับคิดว่านั่นคือเสียงเพื่อนที่โดนริแก๊สผิดเข้าให้แล้วจึงไม่มีการช่วยเหลือกันตามคําแนะนําของบอ ก, กอนอกจากต้องไปจากเพื่อนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะไปได้เท่านั้นชั่วพริบตาเดียวเบียดกกงกว่า30คนพากันหายไปในความมืดสุดระยะที่กล้องเดงกลางคืนจะส่องเห็น พี่เรานี่ยอดจริงๆวะ่ะเสียงไอ้ชาติเปลย อ, ออกมาทําวิทยุซึ่งทุกคนสามารถรับรู้ได้จริงว่าเรื่องหลอกเรื่องโกหกเรื่องอําละถนาดนักไอ้นี่เสริมเข้ามาอีกข่าวนี้หลายคนหัวเราะจนได้แม้แต่ร้อยเอกแบ็กเบิร์ดหลังจากรู้เรื่องก็หัวเราะกับเขาด้วยแต่กับพวกมึงอ่ะกูไม่หลอกหรอกวะ่ะเดี๋ยวกูจเจอาของจริงยัดปากพมึงอีเวนต์ตรายเสกใช้วิทยุโดยไม่จําเป็นพ่อมึงกําลังจะแห่ตามมายังจะเล่นเงินอยู่อีก ลูกหน้าไปไปให้ดีนะมึงคราวนี้ยลูกยาวแนะ่หัวใครหัวมันรักษากันเอาเองนะเว้ยไปเร็วเลยพวกเราตามไ้พวกนั้นให้ทันถ้าเราเกาะมันได้ลูกยาวก็ยิงไม่ได้แล้วอย่างเราต้องแซงมันขึ้นไปอยู่เหนือลมให้ได้ด้วยไม่งั้นมึงได้ตายคาหน้ากากเพราะอากาศไม่พอหายใจแนะ่ไปกําลังทั้งหมดชาร์จเร็วตามช่องทางที่เจาะแหวกไว้แล้วนั้นไปพร้อมกันหมดเป็นแผงเลยจะได้รู้เรื่องเร็วขึ้น เสียง r จีเจ้าเก่าที่ไม่รู้จักกับคําว่าเขตลาบสะทัวปีมรณะออกไม่ครั้งทิศทางยิงทางเดิมจึงคาดไว้ว่าคนยิงก็คนเดิมเป้าหมายบางแห่งเปลี่ยนไปอิ p ีหลายลูกกดต่ําพุ่งเข้าจับพื้นดินแล้วเบิดตัวเองเสียงดังกว่าลูกที่ตกไปไปทางด้านหลังเสียงไอคอนที่ไล่หลัง ห, หน้าทีเหมือนจะระวังหลังให้นั้นร้องรานแล้ววิ่งเร็วทันทีของพราะมันเป็นคนเดียวที่มีอิ p ีตกได้ที่สุดแต่ทั้งถูกสเก็ดดินกระเด็นใส่นั่นเอง เซิงอารพีจีอากาอีกหลายนัดหลายรูปดังมาจากแนวเดียวกันฝอดกระสุนออกมาเป็นหาฝนนักล่ารับจ้างสองสามคนทั้งปีขวาที่ใกล้สุดกับจุดยิงมองเห็นกระกายไฟท้ายเครื่องยิงหรือกระกายไฟปากลํากล้องอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะระยะห่างกว่า400เมตรสู้ชาร์จเร็วไปข้างหน้าดีกว่าอย่างน้อยด้านหน้านีก็ยังไม่มีการยิงให้เป็นที่ลำคานอีด้วยยิงรู้เห็นการยิงชุดที่2ชุดที่3หรือ4ีหแล้วก็นิ่งเฉยหนัก อแนวยิงมันไม่มีการเคลื่อนที่เข้ามาหา้อย่างใดเวียดโกงที่ใช้มาตรการตั้งรับไม่ใช่การลุกแบบนี้ใครๆก็ชอบแนวชัดของนักบ้านระับจังไปได้เร็วมากขึ้นเพราะไม่มีการเสียเวลาต้องไปมุดเข้าซุ้มหรือชนต้นไม้เหมือนเวียดโกงเสียงระเบิดตัวเองของกระสุนปืนที่คาดว่าเป็นปืนคอ120ดังขึ้นเหนือท้องฟ้าบนหัวชุดแรกสองลูกจากการยิงสองกระบอกพลังแสงสว่างอันเจิดจ้า ก, ก็ปรากฏขึ้น นักลาลับจางโผล ร, รวดเดียวเข้าหาต้นไม้ใหญ่หรือไม่ก็พุ่งหล่าเสื้อตัวเองเข้าพุ่มไม้คนที่ไม่มีอะไรเลยก็อาศัยการหมอบราบนิ่งเวดกงคงจะรวยกระสุนซองแสงเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานทาั้งทั้งที่สองลูกแรกยังสว่างอยู่เลยมันก็ยิงซ้ํามาอีกสองลูกคราวนี้ตําบล ร, ระเบิดล้าหน้าไปอีกเกือบสองกิโลเมตรยังวัดผลหรือความมุ่งหมายจากการยิงครั้งนี้ไม่ได้คิดอยู่ว่าถ้ามันยิงออกมาอีกสักชุดสองชุดก็คงจะรู้ได้ทันที นักล่าหลับจ้างที่สงบนิ่งทั้งแนวปิดสวิตช์กล้องเลนกลางคืนเพราะจุดอ่อนของกล้องเลนกลางคืนก็คือแสงสว่างที่ย้อนเข้าหาระบบการทํางานของอินฟราเรดภายในยามนี้ทุกคนจึงใช้เพียงสายตามองฝ่าแสงอันเจิดจา้าดูความเคลื่อนไหวที่อาจมีบางคนหมอบลากต่ําใช้การหลับตาก้มหน้ามองดินเพื่อรักษาสายตาคิดอยู่ว่าแสงสว่างอย่างนี้เวทกองก็คงไม่กล้าเคลื่อนไหวเหมือนกันอีกสองนัดยิงมาจากคอรกระบอกเดิมเพืเ่อเตรียมทดแทนคู่แรกที่กําลังจะมอด หลักฐานยิงเหมือนเดิมทําให้ตําบลระเบิดอยู่ที่เดิมไม่มีผิดเพียนเสียงอาก้าอาภิตีดังมาอีกก็ดีเหมือนกันกลุมนี้ช่วยทําลายความเงียบให้นักล่ารับจ้างเหนียวไปมองทางทิศตะวปรตกใต้ไฟท้ายเครื่องยิงแล้วอยากัวเหาอแนวนักล่ารับจ้างนั้นชาร์จออกมาได้แล้วไม่ต่ากว่าสามรอเมตรแต่เวียดกงยังคงกระดมยิงไปนัดจุดเดิมอยู่สแสดงว่ามันไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วระยะอาจจะไกลเกินไปสําหรับการหาของเล่นแก้เสียง ก็เลยได้แต่มองดูอยู่เงียบๆแล้วหัวเราะเบาๆเป็นบางครั้งนอสตานี่คุณจะนอนชมแสงไฟอยู่อย่างนี้เหรอทําไงได้ล่ะเมเจอร์เพที่นี่ไม่มีนางแบบหรือสาวโกโก้ให้ดูนี่นาแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอว่า RPG ที่มันระดมยิงมาอยู่ตอนเนี้เดี๋ยวมันก็ต้องย้ายตําบลยิงมาที่เราแล้วเมเจอร์คิดว่าเราควรทําไงล่ะครับเดี๋ยวๆเมเจอร์ไม่ต้องคานมาหาผมรอกผู้ทางวิทยุนี้ก็ได้แบบนี้ดีแล้วพันตรีโรเจอร์ที่ใช้วิทยุติดต่อกับจา่าดาวเหนือเมื่อระยะห่างระหว่างกันเกือบห้าสิบเมตร เกินปัญญาจะตะโกนตอบโต้กันได้เมื่อมีเรื่องต้องทบแถลงแล้วชายวิทยุพูดไม่ถนัดจึงคิดจะคลางเข้ามาหาจา้าดอนต้องรีบระงับไว้โดยให้แกพูดวิทยุต่อไปเราก็ให้ปักหลักกดดานนิ่งอยู่อย่างนั้นต่อโอเคโนสตาผมจะนิ่งอยู่อย่างนี้ต่อไปผมยังอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าทศคอชุดนี้เป็นกระสุนส่องสว่างเป็นกระสุนระเบิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็กลุ่มควานเศษดินสะเก็ดระเบิดสิเมเจอร์ชืสมช yes! ผมไม่ได้หมายถึงเยื่องนั้น แล้วก็วีซทางด้านหลังด้านข้างนั่นนี่ถ้ามันตามมาแล้วเราจะทํายังไงไอช่องที่เราแหวกออกมาเนี่ยจะไม่ไร้ความหมายหรอกเหรอจาดาวเหนือชักลําคาญในความไม่รู้เรื่องของทันธุน์เตรมันอีกกานายท่ารยุทธกา ร, ร, รมากขึ้นเลยเท่านั้นไม่พอเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วนึกเกือบทาเสียแผ่นเสอีกก็เลยตัดสินใจล่าเยาวให้ฟังทันทีโอเคเมเจอร์ okay, ผมจะว่าให้ฟังนะเรื่องที่ผมขอเมเจอร์ Major, ปักหลักกดดานอยู่นี่เนี่ย ตอนนี้ VC มันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ที่ไหนถ้ามันรู้อ่ะ RPG คงยิงใส่แล้วคงไม่หลงยิงไปตรงที่เก่าที่เราอยู่หรอกแต่ถ้าเมเจอร์ขยับตัวเมื่อไหร่มันจะรู้ทันทีแล้วนั่นก็หมายความว่าคอส่องสว่างก็จะเปลี่ยนเป็นคอระเบิดหรือไม่ก็คอควันคลางจนเรามองไม่เห็นตัว VC ตอนที่มันลุกเข้ามาหาเราเท่านั้นยังไม่พอนะจะมีปืนใหญ่ปอลสอหรือไม่ก็ปืนกล 12.7 อีกจากเรื่องเพียงนิดเดียวที่เมเจอร์ปรากฏการเคลื่อนไหวหมันเห็นเท่านั้นแหละ สำหรับ VC ที่จะบุกเข้ามาหาเราถ้ามีแสงสว่างอย่างนี้มันก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกเมเจอร์ Major ต้องเข้าใจนะว่าการยิงสองสว่างเนี่ยเป็นการยิงเพื่อค้นหาที่ตั้งของเราโดยเฉพาะสําหรับการโจมตีด้วยอาวุธยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย VC มันกําลังตรวจการอย่างาาคอมัคเม้นอยู่ขอให้เมเจอร์กดดานนิ่งไว้ก่อนสําหรับแผนการสกัดกั้นการติดตามจาก VC ที่ว่านั้นอนะ่ะผมเตรียมระเบิดยิงควันไว้แล้วทันทีที่สองแสงชุดนี้ดับลงผมจะยิงสายลมพัดเข้าหามันทันทีรับรองมันวิ่งป่าราบหน้าไม่เชื่อคอยดู โอเคไหมครับโอเคนอสตาผมเสียใจนะที่เกือบทําให้แผนของคุณเสียไม่เป็นไรเมเจอร์ major. ไม่ต้องร้องไห้ก็ได้ความผิดของผมเมือนกันที่เพิ่งคิดแผนนี้ได้เลยยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงพวกเรานะ่ะจ่าดาวเหนือเล่นตอบแบบประเส่ทาทั้งนี้เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเสียกําลังใจนั่นเองในขณะเดียวกันที่พันเตรีเมริกันนั้นก็เกิดสํานึกในความผิดพลาดขึ้นมาก็ได้ตรงเงียบตามที่ได้รับการชี้นะสาตตาหันกลับมามองฝ่าความมืดจ้องมองความเคลื่อนไหวของศัตรูที่อาจจะมีได้พร ใช้กล้องตำแหน่งกลางวันส่องดูด้านที่อภิจีมันยิงมาหน่อยสิกูว่าต้องมีไอ้กแกวกล้าตายคานตามลูกอภิจีมาแน่เลยเพราะมันกาลังควานหาที่ตั้งของพวกเรายังกระพิกคนดินอย่างเงี้ยกูว่าไม่ผิดหรอกอ่ะผมส่องดูอยู่แล้วพี่ตอนนี้เห็นบางอย่างผิดปกติเหมือนกันมีกิ่งไม้พุ่มไหวโยวบยาบแล้วเงียบหายไปอีกเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงพี่โอเคดีมากแต่กูจะไม่ห่วงก็ต้องเมื่อมึงถูกไอ้กแก้วไปทำปลาร้าแล้วนั่นแหละไอ้พอรไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาพอรู้ว่านั่นคือการอํา นักล่าหลับจ้างอย่างไอพอนที่มีตำแหน่งเป็นพลวิทยุของชุดปฏิบัติการสามารถรู้งานด้วยตัวเองจากการลังท้ายห่างไปเกือบหนึ่งรเมตรนั้นทำให้มันต้องอยู่ใกล้ตำบลยิงของ RPG ที่สุดเราก็รู้ด้วยว่ามันควรจะเดินเกมนี้อย่างไรตอนที่ส7เจตอนจบพี่ไอแก้ว3าิบคนกำลังดานหน้าเข้ามาทางด้านผมแล้วเสียงไอชาดวิทยุมา ยังห่างสักเท่าไหร่วะชาติสัก 400-450 เมตรได้พี่โอเคคอยเดี๋ยวยุดปีนั้นเป็นไงบ้างครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เห็นอ า, าการคล้ายๆของทางไอพรนั่นแหละแต่ระยะยังไกลยอยู่นิดดูจะ ก, กว่า500นะพี่โอเคงั้นพวกเราทั้งหมดเลยเริ่มยิงที่ระยะ450เมตรตอนเนี้ลมกําลังพัดเข้าหามันพยายามอยากขยับเนื้อตัวให้มากนักนาเพราะตอนนี้มันยังกําหนดจุดของเราแน่นอนไม่ได้ยิงเลยจ่าดาวเหนือตัดสินใจสั่งการทันที เพื่อการสกัดกันตั้งแต่ระยะไ ก, กลซึ่งเชื่อว่าขนาดนี้เวทกองที่มีเพียงตาเปล่าคงมองไม่เห็นแน่ถ้าไม่ปรากฏตัวอย่างเด่นชัดหนักเสียงลมเป่าปากลํากล้องดังฟุบฟับตามแบบของกระสุนที่แล่นผ่านกระบอกเก็บเสียงดังตลอดทั้งแนวที่ m 2 0 3 s m a 1จํานวน14ระบอกทราบกระสุนออกไปการยิงกระทําต่อไปอีกนักดาบจางเลือกเอาอะไรก็ได้ยกเว้นอากาศใช้ทําเป่าที่ระยะ450เมตรตามมาตราวัดระยะในกล้องเลงนั้น กละสุนแก๊สที่กระทบของแข็งแล้วแตกตัวส่งแก๊สมลิตยูออกมาเวียดโกงอยู่ใต้หลมเริ่มได้รับรสชาติความทารุณอีกครั้งเสียงร้องของคนเจ็บปวดเช่นนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดที่โดนไปก่อนแล้วนั้นจะได้ยินด้วยหรือไม่กิจิตศัพท์และอนุภาพอันร้ายแรงทําให้เวียดโกงเข็ดขยาดเมื่อเสียงคนวิ่งแวกป่าแวกไม้พุ่มดังมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนสอดแทรกด้วยเสียงคนสั่งการเป็นภาษาของมันในบางครั้งเวียดโกงจํานวนหนึ่งถอยกลับไปทางทิศเดิมที่มันลุกมาแล้ว แต่นักล่ารับจ้างยังไม่ยอมหยุดทั้งนี้กะว่าจะยิงสักคนละยี่สิบนัด ก, ก็พอแตะทั่งเวลาผ่านไปไปวะพวกเราไปกันเลยไปสั่งการแล้วชาร์จต่อไปอีกตามทิศทางที่วางแผนไว้แต่แรกการชาร์จคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะมีแสงสว่างช่วยนึกๆแล้วก็น่าขอบใจเวียดโกงมันเป็นไปตามคาดจริงๆพอเมื่อนักล่ารับจ้างแสดงตัวว่าอยู่ที่นี่แล้วกระสุนคอจึงเปลี่ยนจากกระสุนส่องสว่างมาเป็นกระสุนระเบิดทันที โดยเวลาที่ห่างจาชุดแรกไม่กี่วินาทีเสียงคอชุดสองก็ดังต่อทันทีแต่เสียงค่อยกว่าเล็กน้อยแสดงว่านี่คือคอ60ชุดที่ทำการยิงเมื่อตอนบ่ายวันนี้นี่เองคอ120ก็ตามมาอีกหลังจากคอ60เล็กน้อยและทั้งสองขอก็สลับฉากกันซันโลเข้าใส่อาวุธวิถีโค้งแหวกตัวเองขึ้นไปบนอากาศแล้วย้อยลงสู่พื้นนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรายการแจ็คพอตแตกหรือไม่ นักล่ารับจ้างที่ชาร์จเร็วในยามนี้ไม่มีใครสนใจว่ากระสุนคอทั้งสองขนาดจะตกลงตรงไหนบ้างแม้บางนัดจะดักหน้าบางนัดออกขวาออกซ้ายหรือแม้แต่ไล่หลังการที่เพืตรวจการหน้าเวียดคงไม่สามารถตรวจการได้ทําให้การปรับย้ายตำบลกระสุนตกไม่มีนั่นก็คือปืนคอเหล่านี้ต่างทําการยิงแบบประมาณเอาทั้งสิ้นเสียงดังปากลากล้องก่อนแล้วตามมาด้วยเสียงระเบิดเมื่อกระสุนกระทบพื้น หนักด่ราจ้างบางคนเลือกไปตามมองขึ้นไปทางเบื้องสูงก็รู้ทันทีว่านั่นคืปอปอล์รสโซ่หอาวุธยาวสำหรับยิงป้องกันฐานที่ตั้งจานวนสองกระบอกที่าส่กระสุนลงใส่ปีล่างปรอรอสโซ่ที่พลยิงไม่ได้เห็นเป้าหมายด้วยตาตัวเองได้แต่อาศัยรุ่งฝวันประกายไฟของกระสุนคอเป็นจุดอ้างในการยิงแบบนี้ร้อยกระบอกก็ไม่ได้ผลหนักด่าเราจ้างช้าในช่วงสุดท้ายกพลสิ่งที่ปกติก็กฏให้เห็นเมื่อจ่าดาวเหนือหยุดอยูกับที แช้เวลาพิงมหายใจเดียววิเคราะห์ไอหยุดหยุดกานหยุดสมองอ่านเกมออกแล้วสั่งการทันทีพร้อมเป็นนั้นก็ยังเล่นแผนต่อไปในทันทีทันใดด้วย ท, ท, ทั้งหมดหยุดตามสั่งแล้วพากันสงสัยทําไมหัวหน้าทีมจึงตะโกนสั่งเสียงดังนะักนมายถึงไม่ต้องการให้เลืกอกตรงรู้ที่ตั้งแต่ไม่มีคําถามพอถึงถามไปก็คงไม่มีคําตอบเลยพากันเงียบ เสียงระเบิดฟอสฟอรัสควานข่าวจุ่มกะปืนเล็กที่เตรียมไว้ก่อนแล้วถูกยิงย้อนกลับไปทางทิศที่จากมายังเจตนาตั้งแต่มาสูบระเบิดดังขึ้นกับแสงสว่างหมดลงทำให้ความมืดเกิดขึ้นอครั้งจึงทำให้ประกาศความร้อนจากระเบิดอินสว่า ง, างจ้าขึ้นแทนสายลมธรรมชาติโชยอ่อนๆขอบทัากลุ่มควันสีขาวเงินหยงที่น้อยคนนักจะเคยเห็นควันแบบนี้ระยะอาจจะไกลเกินไปก็เลยไม่ดูเวทกงด้านหลังนั้นมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างสำหรับการถูกหลอกครั้งที่สอง ทีแ่แน่ๆก็คือแผนใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับแผนเก่าส่งผลออกมาให้เห็นบ้างแล้วทันทีที่สิ้นเสียงกระสุนยิงระเบิดเป็นคนศึกของจุ็ดมลิเมตรในบังเกอร์ตรงหน้าระยะสามรอเมตรแผดเสียงขึ้นทันทีามือจุดของจ่าดาวเหนือเป็นเป้าเท่านั้นยังไม่พอจะบอกที่อยู่ถัดไปทางขวาแม้ระยะจะไกลหน่อยแต่คนยิงคงเห็นว่ายังไม่เกิดระยะหวังผลและพอผสมลงมาด้วยโดยใช้จุดเดียวกันเป็นเป้า ยามที่จ่าดาวเหนือ ย, ยืนพิงหลังต้นไม้ใหญ่นั้นใน ม, มีใครรู้ว่าแกเองกําลังยืนด้วยความพอใจพอใจที่ตัวเองสามารถเลาเหตุการณ์ได้ถูกแม้แต่สิ่งที่กําลังยืนมองอยู่เดี๋ยวก็พอจะยืนกันได้พอทั้งสองขนาดและส่วนปอรอสยังกระดมยิงอยูแ่แต่ที่มันไม่ยอมยิงมาให้ระยะไกลกว่านั้นเลยนันกการเก็บที่ตั้งบังเกอรประมาณ500เมตรทั้งสิ้นการนี้ก็คือ ใช้คอกับป้อรอต่อทาการยิงได้สกปรแให้เข้ามาหาบังเกอร์ปืนกล น, นี้นี่เองจะดาวเหนือหัวล้อดังด้านป่ากมีใหญ่ว่าผลไม้ต้นนั้นจะถูกระเบยิงอย่างหนักหน่วงสักปานใดขอเชื่อมันคงไม่ทะลุมาได้ไอ้ฟัดเล่นบังเกอร์แล้วสองกระบอกเชียวนเมืองแบบนี้กล้ไม่เลี้ยงกูเลยนี่วาเดี๋ยวทเมึงเดี๋ยวทํำมึงรู้สึกสถานการณ์แบบนี้หัวหน้าทีมไม่ต้องสั่งการก็ได้ขอเชื่อมัน100่นร้อเปเซ็นว่าลูกทีมทําได้แล้วก็ต้องทําถูกด้วยไอ้นิดไอ้พล คลานออกขวาเล็กน้อยสำหรับมุมหญิงต่อบังเกอร์ตรงหน้าในขณะเดียวกันจ่ายยุทธภูมกับพันตรีคอรินท้าตัวเองสวนทางเต็มเข้าหาบังเกอร์อันขวานั้นระยะยังห่างเกินสําหรับปืนสองส่วนสามปืนใกล้ก็ไปยีดยังไม่มีทีทาว่าคอหกสิบคอหนึ่งร้อยี่สบและปอลัสต์เจดสิกจะยุดยิงเช่นเดียวกันกับปืนปืนสิบสองจุดเ็มิลลิเมตรจำนวนสีกระบอกจากสองบังเกอร์ที่ยังแผดเสียงออกมาตลอดเวลา ความมุ่งหมายก็คือต้องทําการยิงสกัดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเหล่าศัตรูให้ได้อย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้เข้าถึงตัวเหมือนนั่นแหละไม่คงทําเหมือนกับเจ้าเสียงปืนเป็นเคลื่อนอย่างที่มองไม่เห็นเป้าหมายก็ยังยิงแบบนี้มันจะได้ผลเช่นไหนสี่มือสังหารแต่สองจุดคลานต่ำอาศั่โคดหินหรือเนินดินบางสรั้งก็เป็นจอมปลวกเป็นกาําบังเคลื่อทนที่ไปข้างหน้าเห็นแล้วว่าบังเกอร์อยู่ตรงไหนจึงสามารถกําหนดแนวลุกของตนได้ด้วยการใช้ความใหญ่โตของต้นไม้ช่วยบงัง ไอ้นีดกลับไปพนถิ่นที่ก่อนเพรใกล้กว่าของมือทหารไม่ต้องตกลงอะไรกันอีกออจัด ก, การริพากษท้ายอัดเข้าล่องไหลวาดเปิดให้กากบาดภาพเข้ากับช่ อ, ชองที่ลําต้องปื น, นกลโผลมานั้งชันเสียงยิงเป็นคนละสองนัดยิงแล้วบรรจุใหม่ทันทียังไม่มีคําว่าอันไม่รู้ว่าในบังเกอร์นั้นจะมีสักกีเวทโกงเมื่อไม่รู้ก็ต้องยิงเผื่อยิงอัดเข้าไปซ้าแล้วซ้ําอีกไม่ถึงสิบนาที การเสียงปืนกนในบังเกอร์ก็เงียบลงเสียงคนร้องดังออกมาแทนสองมือสังหารไม่สนใจยิงต่ออีกแม้คนที่กุมกระเดือกวิ่งออกมาจากบังเกอร์ทันทีที่ถึงพื้นร่างนั้นล้มเกิดกิ่งความทารุณแบบหายใจไม่ออกบังเกิดขึ้นก่อนตายมือสังหารนับจํานว น, นคนได้สิบคนพอดีที่ไหลออกมาจากบังเกอร์ นักล่ารับจ้างคนอื่นๆได้ยินแล้วแม้ไม่บอกหรือไม่ดูก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรในขณะเดียวกันกับส่องกล้องไปทางปีกขวาที่มีทีมงานของจ่ายุทธพงษ์กําลังตามมายิงใจจดใจจ่อความจริถ้าจะเคลื่อนที่ต่อห น, นี้เลยก็ได้เพราะทิศทางยิงของปืนกลระบอกในบังเกอร์ที่จ่ายุทธพงษ์กําลังเล็งนั้นสุดแสนจะสเปสปะกําหนดแนวทิศทางยิงไม่ได้เอาเสียเลยวิถีกระสุนที่คนยิงพยายามสายซ้ า, ายสายขวานั้นแปลว่าเป็นการยิงแบบเพื่อพุมากกว่าและแล้วไม่นาน ที่มันเคยแพดคํารามก็ต้องเงียบลงไม่มีใครรู้ว่าจ่ายุทธพงษ์ทําอย่างไรแต่ก็พอจะเชื่อได้ว่าคงไม่แตกต่างกับที่สองคนแรกทาแน่จา่าดาวเหนือสั่งการต่อทันทีไปว่าพวกเราใครไม่ไปก็ไปกําลังทั้งหมดชาร์จเร็วทันทีด้วยสัญชาตญาณที่ว่ า, มาเมื่อปืนตัวนีบังเกอร์คูณเงียบเสียงโลงดับจะเป็นเวลาหรือโอกาสที่อาวุธหนักทุกชนิดระเคีนเข้าใส่แน่ผมไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะเป็นอันตรายกระแฟร์เดียวกันอีกต่อไปจ่ายุทธพงษ์กับไปเล็กชุดนําต้องหนักหน่อย พอต้องตรวจการก่อนที่กำลังส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปถึงแม้กต่นั้นทุกคนก็ไม่ได้นิ่งดูได้ต่างก็ยึดถือเอาแนวตรงหน้าตัวเองเป็นหลักเรื่องมืออุปกรณ์มีเหมือนเหมือนกันคงไม่มีปัญหาเกือบห้านาทีที่คล้อยหลังมาแล้วด่าระยะทางเท่าไหร่ังกำหนดไม่ได้นักบ้รับจ้างบางคนเริ่มถอดหน้ากากป้องกันไอพิษออกพเกิดความรำคาญเ็ที่สุดและสิ่งที่ทุกคนคาดคิดไว้ก็บังเกิดขึ้น สองเสียงแรกเป็นกระสุนปืนใหญ่หนึ่ง้อยิบมิเมตรต่บนระเบิดอยู่ที่บริเวณที่คอเคยยิงมาก่อนสองเสียงแรกเป็นคอหกสิบที่นัดหนึ่งในจํานวนนี้ฟาดลงตรงหน้าบังเกอร์ปืนกลพอดีส่วนอีกนัดนั้นแหกไปไกลหน่อยไม่รู้เจตนาหรือไม่เสียงปืนใหญ่มาอีกสองลกูกคราวนี้ตำบรลระเบิดคงได้รับการปรับแก้แล้วทะนจะตกไลมาทางสัปโกว่าสามรอยเมตรส่งเชนเดียวันกลันคอหกสิบที่เลื่อนมามากสุดมาเปรียบเทียบกับการยิงรั้งแรก ไม่ต้องห่วงเลยว่าคนทั้งสิบสี่คนนัมนจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนดูได้ต่เพีงว่าสามารถลงแข่งหนึ่งร้อยเมตรชายได้ก็แล้วกันเส้นติมใหญ่ผสมปสมอลอสองฟัาว่าเป็นการประสานเสียงที่ออกกับแงันกงนนานๆจะได้ยินเสียงสักทีดังนั้นการที่กระบวนการนักล่ารับจ้างกลุ่มนี้มีโอกาสได้ฟังจึงนับเป็นโชคตาบละระเบิดกระจายกันออกไป แสดงเป็นการยิงชนิดที่การตรวจการจะทําไม่ได้นั่นองน อ, องนอกจากนี้นักล่าหลักจังยังรู้กว่าทํามีการยิงแบบนี้รับรองว่าจะไม่มีแรงกาลังทางพื้นยินของมันเคลื่อนที่เข้ามาแน่เราก็ต้องไม่มีอยู่ก่อนแล้วด้วยนั่นก็คือจะไม่มีมนุษย์แม้แต่ใบหน้าเดียวมาขวางการวิ่งแข่งกันไอสัตว์เอ้ยรู้ว่าตรวจการไม่เห็นก็น่าจะยิงกระสุนของแสงสักหน่อยตะโก น, นดังๆบอกมันสิพี่เลือก แม้ยามหอบยังหมาบ้านักลราหลับจางก็ยังมีอารมณ์กระเซ้าเย้าแหย่กันได้ไอ้มิทที่โดนหาว่าเป็นเสือใส่เกือบก้มหน้าก้มตาชา้าเร็วต่อไปอเหมัอนจะยกกล้องส่องกลางคืนหมายระยะหนึ่งรอเมตรทั้งหน้าแล้วก่อนรับหลังสู้กับอเุเฉกต้องเหลียวหลัง ย, ยืดบ่อยๆทั้งทั้งที่เชื่อว่าไม่มีรื่องสายฟ้าดงก็ะสุนปืนหนักของมันมาแน่แต่ที่หันไปดูนั้นเขาต้องการรู้ลีลาการย้ายที่ยินของมันต่างหาก เสียงสองคนบ่นกันอยู่พอได้ยินโดยว่าเวีทกองชุดนี้ขีมือห่วยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาหยุดตัดขึ้นต่อเนินนั่นเลยไม่ได้พี่ไอ้กาวพวกแรกมันไปตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็เจอกันมาสิวะไอ้นี่เถียงดียิงทิ้งต่อหน้าหรือร่าศัตรูซะเลยไปเถอนะน่ะถ้ามันอยู่ตรงนั้นก็ดีสิว่าเราจะได้ล่อจากปืนใหญ่ปืนเล็กหาเหวนี่ได้ทีไอ้กระสุนพวกเนี้มันเสียงมากกว่าเวียทกงอีกเว้ยในคําสั่งมีคําตอบแอะมีเหตุผลพร้อมหมุลโยไม่ต้องถามอีก ระยะประมาณห้ารอยถึงหกร้อยเมตรนั้นแับว่าเพียงพอที่นักล่าหลับยังจะแปลรุกขบวนเข้ายึดที่ตั้งแห่งนี้โดยการทําการสังหารเงียบเพรา่ายสายบา ร, รมีเวียทกงคุ้มกันให้รอดผลจากอํานาจการยิงของพวกมันได้ไม่ถึงสิบห้านาทีสําหรับการเคลื่อนตัวเข้าไปแบบที่ก้องส่องกลางคืนคบอกความปลอดภัยหรือแรงกดดันของศัตรูให้ไม่มีอะไรเลยพี่ต้นไม้ต้นหญ้าก็ไม่มีเลยไงวะโหพี่ผมหมายถึงบนยอดเนินลูกนี้ไม่มีไอ้แก้วอยู่คอยเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูอยังไย เกือบสกิโลเมตรที่หลบรอดออกจากพื้นที่การยิงของเวียดกงมาได้อาวุธเวียดกงก็ยังไม่หยุดยิงเพียงแต่ปริมาณลดลงบ้างเท่านั้นภารกิจยิงทําลายเปลี่ยนเป็นการยิงเพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวหรือยิงเพื่อบรบกวนความจริงก็น่าจะได้ผลถ้ามีฝั่ตรงอยู่ในพื้นที่เป้าหมายนั้นพี่บนนี้ไม่มีแกวเลยทักระปนมีแต่รอยคนย่ำลงมาในหุบด้านหลังนี้เท่านั้นมีรอยเยอะไหมเยอะแยะแล้พี่มีรอยลากกันไปด้วยโอเคดีแล้วกัวก่ากลาวกันดีกว่าว่ะ อย่าเอาแมา่งมดเลยคอมมิชชั่นสบนักบินทุกนั้นอนะ่ะรองแบบนี้กูว่าทั้งชาติก็เอาไม่ได้ดีมึงกันพี่ผมเองก็ชักเหนื่อยแล้วพี่จอกจากพื้นที่นี้ยังไงโดยที่เพื่อนพี่ไม่ตามอะ่ะเรื่องนี้ไม่ยากว่ะมันต้องใช้แผนลวงหน่อยลวงยังไงอีกพี่อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆยอมรับเลยว่างโง่ตาดาวเหนือถึงกับโผรลอกากที่เพื่อนรุ่นน้องยอมรับตัวเองอย่างชัดถ้อยชัดคําแต่ผมไม่ได้ถือสาอะไรแล้วจึงตอบเพื่อเกลือกูสงสัยว่าเกลือจะเป็นหนอนว่ะ ทำไมวะเวลาเราเคลื่อนที่ไปถึงไหนไปทางไหนทำอะไรดูเหมือนไอ้แก้มันจะรู้ทุกครั้งสงสัยในบก o r น, นั่นแหละมันก็มีสายลับของมันอยู่เดี๋ยวเราแจ้งบก o ว่าเราจะไปที่ซากคอตกนั้นว่าจะไปเอาซากศพนักบินเสร็จไรแกมันก็ต้องไปดักรอเราอยู่ที่นั่นส่วนเราก็เดินทางกลับสนามบินทุ่งหหยหินซะเท่านี้ก็หมดเรื่องแต่เรื่องกลับสนามบินเนี่ยไม่ต้องบอกบอก o r แค่เนี้โอเคไหมหายโง่หรือยังครับพี่หายโง่แล้วแต่เอไล่าสายลับที่พี่ว่านั่นน่ะพี่มีแผนจะจัดการมันหรือเปล่า เจียนมันสิว่าเรื่องนี้ต้องให้บกรับผิดชอบว่าไม่ใช่เราหรือไม่ก็ต้องสั่งการมาพร้อมทั้งคอมมิชชั่นให้ไปที่เรียบร้อยนั่นแหละเอาพอก่อนกลับกันเถอะพันตรีโรเจอร์รับหน้าที่ในการติดต่อส่งข่าวลวงไปยังบกโดยพันเอกนอร์แมนนั่นแหละที่เป็นคนรับข่าวและแผนงานครั้งนี้โดยไม่เฉลี่ดเพียงนิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นข่าวลวงทั้งสิน้นนั่นก็เพราะยังไม่มีเวลาพอที่จะมาอธิบายรายละเอียดเอาไว้ถึงบกแล้วนั่นแหละจึงค่อยสาดสางคดีความกันซึ่งคาดว่ายังไม่สายเกินไป ภารกิจครั้งนี้นักล่ารับจางต้องถูกกดดันและบีบคั้นอย่างรุนแรงหากถึนดันทุนลังต่อไปมิหวงังพาดแน่เขาต่างฝ่ายต่างก็รู้เป้าหมายซึ่งกันและกันหมดแล้วเมื่อเก่งเจอเก่งมันก็ต้องหายเก่งกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละดังนั้นเมื่อไม่อยากหายเก่งก็คุณจะถอนตัวออกเสียก่อนแล้วค่อยวางแผนย้อนกลับมาอีกทีจะดีกว่า